เดี๋ยวจะบอกเรื่องการให้ทานนะให้ถามพวกเราไปด้วยแล้วก็อธิบายว่าพวกเราคิดยังไงในการให้ทานวันนี้ได้ให้หรือยังใ ห, ให้อะไรไไถวายอาหารใช่ไห <c oughs> เอ้าแล้วให้ได้ให้แล้วนะ <c oughs> อยากจะถามหน่อยพวกเราเนี่ยฟังทำกันมาแล้วแล้วสอบผ่านไม่ผ่าน <c oughs> วันนี้แหละใช่ไหมถ้าใครสอบไม่ผ่าน ทำยังไงต้องมีบทลงธันญกรรมก็เลยลงโทษนะนะต้องสอบซ่อมใช่ไหมเดี๋ยวนี้เวลาเวลาเขาสอบบาลีเขาจะมีสอบไม่ผ่านก็ให้สอบซ่อมครั้งเดียวถ้าครั้งที่สองไม่ผ่านก็ปัดตกอันนี้ก็ใช้วิธีลงทันญกรมธรมทันญกรรมที่จริงเขาใช้กับสัมมณี น, เ น, เ น, เ น, เน่ะเป็นต้นเนี่ยหนึ่งให้ไปล้างห้องน้ํา <c oughs> ให้ไปกวาด ใช่ไหมหรือให้ไปท่องอะไรเงี้ยเนี่ยโดยเฉพาะใครที่จัดให้มีการฟังธรรมะบ่อยๆอย่างยอมิกเนี่ยต้องลงธน ก, กรรมสองรอบให้ตื่นใช่ไหคนที่จัดนี่จะต้องมีความแม่นยำกว่าคนอื่นจริงไหม <c oughs> อาตานี้จะเอาในทานนาสูตรมาอธิบาย ในพระสูตรนี้ยกล่าวไว้ในอังคุตระนิกายสัตการนิบาศยอมเข้าใจคําว่าสัตการไหมคาว่าสัตตะเนี่ยสัตการนินมาจากคำว่าเจ็ดสัตกานิบาศเป็นพระสูตรที่กล่าวในเรื่องในหัวข้อโดยว่าจะมีเจ็ดหัวข้อถ้าอัตตะก็แปดนวกะก็เก้าใช่ไหมแต่เอการนิบาศก็หัวข้อเดียวเนี่ยทุกานิบาศก็สองหัวข้ออันนี้สัตกาก็คือเจ็ด ทีนี้ในพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจา้าตรัสเหตุปัจจัยที่ทำให้ให้ทานแล้วให้มีผลมากคือการให้ทานบางอย่างเนี่ยให้แล้วมีผลมากแต่อานิสงส์ไม่มากบางอย่างให้ทานแล้วเนี่ยให้ผลมากด้วยอานิสงส์มากด้วยใช่ไหมล่ะแล้วลเหตุปัจจัยที่ทำให้หการให้ทานหรือการทำทานของเราเนี่ยการเจริญทานกุศลของเราเนี่ ย, ยทั้งทานและศีลเป็นต้นด้วยนะ ผู้ทานเนี่ยกินความไปถึงศีลด้วยไม่ใช่กินความแค่ทานอย่างเดียวที่มีผลมากและอานิสง์ไม่มากกับมีผลมากด้วยมีอานิสง์มากด้วยข้อแรกพระรัชญาบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้บางคนนะอาจจะเป็นเราก็ได้นะให้ทานด้วยความมีความหวังว่าเมื่อตายไปแล้ว ตนเองจะได้รับผลของทานนี้คิดหวังอย่างนี้นะหวังผลของทานทําไมจึงให้ทานเพราะหวังไงหวังว่าถ้าเราตายไปแล้วเราจะได้มีกินมใีใช่ไหมเราจึงให้ทานเพราะเราหวังอะไรหวังผลของการให้ทานนั้นเมื่อเราหวังอย่างนี้แล้วเราก็เลยได้ให้ได้สละได้บริจาคได้กระทําทานนั้นใครคิดอย่างนี้ว่า ยกมือขึ้นมีไหมไม่เคยหวังเลยเลยฮะเล็กๆก็ต้องยกมือเออเนี่ก็หวังใช่ไหมว่าเออบอกว่าเออเราให้ทานแล้วเราหวังผลของทานใช่ไหมแล้วก็ดูนะว่าใครจะมีหลายใจไม่หลายใจหลายความคิดไม่หลายความคิดเนี่ยให้ทานแล้วเนี่ยคิดว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้เสวยผลของทาน ผลของศีลเนี่ยทีนี้การคิดอย่างเนี้ยพอหลังจากสิ้นอายุไขตายแล้วไปแล้วเนี่ยผลทานชนิดนี้ผลกุศลชนิดนี้ผลกุศลทานศีลชนิดเนี้ยจะทำให้ไปเกิดในเถวโลกชั้นจาตุ ม, มหาราชิกาจาตุมอยู่ชั้นไหนอยู่ใกล้ๆกับพวกเราที่แหละ อย่างเช่นเทวดาที่อยู่กับต้นไม้ก็เรียกรุกเทวดาเทเทวดาที่อยู่บนเอ่อบนอากาศาาก็เรียกอากาศัตถาเทวดาใช่ไหมพุมพ่มมะถาเทวดารุกเทวดาเนี่ยอากาศสัตถาจะพุมพ่มมะถาเนี่ย น, นี่นะพวกเนี้่ย <c oughs> มีวิมานอยู่ตามต้นไม้บ้างตามบ้านเรือนเกหัสถานบางทีบางแห่งก็ตั้งสา ร, รพ่อพุ่มให้แล้วก็เชิญมาอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยบางทีก็อยู่สูงกว่านี้หน่อย เนี่ยเมื่อเกิดในเทวภูมิชั้นจาตุมาหาราชิกาสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวโลกนั้นแล้วก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเ <c oughs> นี่ยามาเป็นแบบนี้อีกเพราหมดหม ด, หมดกรรมหมดฤทธิ์หมดยศแล้วนี่ยก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสูรกายหรือเป็นมนุษย์อีกเนี่ยทานชนิดเนี้ทานอย่างเนี้ยมีผลมากไหม มากหรือไม่มากมีผลมากอย่างนี้เขาเรียกผลมากแต่อะไรไม่มากอันนี้สองไม่มาก <c oughs> ผลการนี้สองไม่ไม่เหมือนกันเดียรอธิบายจริงทำไมรีบยกมือจังเดี๋ยวยังไม่ถึง <c oughs> <c oughs> ใจร้อนอย่างยันพูดตีละข้อ <c oughs> สรุปแล้วคนเราเคยให้ทานคิดแบบนี้ก็มีใช่ไหม โอเราจะได้รู้ว่าเอ๊ยเราเนี่ยมันจะมีจุดหมายเพราะการให้ทานเนี่ยเห็นผลของทานแล้วจึงให้คนมีปัญญาเขาจะคิดอย่างนั้นเวลาเราจะไปกรุงเทพเราเห็นจุดหมายไปทางก่อนไหมถึงจะไปต้องเห็นก่อนไหม เ, เวลาจะปลูกบ้านทํากิจกรรมทำโรงแรมทําธุรกิจร้านค้าทั้งหลายเนี่ยเราหวังผลเราเห็นผลก่อนแล้วจึงทำหรือเปล่าจะปลูกห้องพักให้ต้องหวังว่าจะได้เดือนเท่าไหร่ก่อนถึงทำใช่ไหม ก็เออนะั้นมันเห็นผลก่อนมันถึงทํำนะแต่เวลาเราจะให้ทานกันทําไมเราไม่เห็นผลก่อนเนี่ยงไงก็จุดบอดของชาพุทธมันอยู่ตรงนี้แหละปัญญาไม่เกิดก่อนใช่ไหม เ, ออเดี๋ยวอย่าเพิ่งขยายเดี๋ยวขยายมากเดี๋ยวเราจะรู้เร็ว <c oughs> แต่จริงๆแล้วฉันปราถนาให้ว่าเรารู้เร็วๆนะี่ฉันคิดตลอดจะทํำยังไงเนาะอยากให้พวกเราเนี่ยรู้ได้เร็วรู้ได้สะดวกรู้ได้ชัดใช่ไหม ไม่ลําบากคิดอย่างนั้นทำของลึกให้เป็นของตื้นทำเป็นของยาวให้สั้นทำของยากให้เป็นง่ายไม่ใช่พูดเรื่องง่ายให้ยากฉันไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเอาข้อที่สองบคุคคลบางคนในโลกในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานอย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นะแต่ให้ทานเพราะรู้ว่าทานนั้นเป็นเป็นของดี ทานนั้นเป็นบุญทานนั้นเป็นกุศลมันเป็นความดีเป็นสิ่งที่ควรทำเห็นไหมมันเป็นความดีอ่ะมันเป็นบุญมันเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยเลยคิดอยากที่จะทำไม่ได้หวังผลของทานหรอกเห็นมันเป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลว่ากันเถอะพอคิดอย่างนี้แล้วก็เลยให้ทานก็เลยรักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นใครคิดอย่างนี้บ้างเวลาจะให้ทาน ได้แล้ครัได้กี่ข้อต้องดูที่ยกสองครั้งไปนะไอ้ที่หวังก็เอาใช่ไหมเห็นว่าความดีก็คิดด้วยโอ้โหลักษณะอย่างนี้การคิดในลักษณะอย่างนี้ให้ทานพรว่าทานเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อตายไปแล้วผลของทานศีลชนิดนี้จะให้ไปเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึง ตาวติงสาเนี่ยแต่พอสิ้นกรรมสิ้นเลธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในเทวโลกแล้วก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกทานอย่างนี้เขาเรียกมีผลมากแต่อนนี้สองไม่มากมีผลมากแต่อันนี้สองไม่มากเริ่มเข้าใจยังอเอ อ, เ อ, อคนเราคิดไม่เหมือนกันยี่ไว้เวลาให้ทานเนี่ยสรุปแล้วหนูคิดแบบนี้ไหม ยังไม่คิดนะเดี๋ยวคอยดูถ้าคิดแบบไหนอบอกด้วยนะจะได้รู้ว่าจุดหมายที่ไปเนะี่ยถ้าสร้างเหตุไปแล้วมันจะต้องไปเกิดอย่างนั้นผลกรรมทนิดมันจะนําเกิดอประการที่สามบุคคลบางคนในโลกเนี่ยไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานไม่ได้ให้ทานเพราะรู้ว่าทานเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ให้ทานเพราะละอายใจละอายใจอะไรพ่อแม่ปู่ตายายายบรรพบุรุษเคยทํามา ถ้าเราไม่ทํามันไม่ควรแก่เราคิดแบบเนี้ใครเคยคิดอย่างนี้ไหมอ๋อพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายบรรพบุรุษเราทํามาทั้งนั้นถึงเทศกากลกรุฎจีนก็ดีวันปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษาวันอะไรนะวันสงกรานต์ที่จะถึงเนี่ยโอ้ยมาทําบุญกันทําถ้าไม่ทํามันละอายใจอ่ะเพราะพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายทํามา ฉะนั้นเราไม่ทำไม่ควรแก่เราเลยพอคิดอย่างนี้แล้วก็เลยให้ทานเพราะคนที่คิดอย่างนี้แล้วก็ให้ทานเจริญทานเจริญกุศลศีลกุศลชนิดเนี่ยพอตายไปแล้วไปเกิดี่ชั้นไหนชั้นไหนยันชั้นยา ม, มาเห็นไมจาตุมหาลาจิกาเต่าติงสายา ม, มาชั้นที่สามของสวรรค์ พอสิ้นกรรมสิ้นฤทดิสิ้นยอดหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกทานอย่างนี้ก็เรียกมีผลมากแต่อะไรไม่มากไหมไ ม, มีผลมากแต่อา น, นิสงส์ไม่มากใครเคยทําแบบนี้บ้างยกมือที่นี่ทำตามประเพณีพ่อแม่ปู่ตายายยายทามาใช่ไหมทำเพราะ่ากินเขาทำใช่ สรุปแล้วข้อนี้เราก็ทำใช่ไหมฉะนั้นถ้ายังไม่พ้นทุกข์เราไปตรงนี้ก่อนนะที่พักของเราก็คือชั้นสวรรค์ชั้นยามาชั้นที่สามทีนี้ประการที่สี่คนบางคนเนี่ยไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานไม่ให้ทานเพราะรั่าทานเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ไม่ได้ให้ทานตามบรรพบุรุษคือพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายให้ทํามาแต่ให้ทานเพราะเห็นว่า สมณนพราหมณ์นักบวชหรือพระเนี่ยเหล่านั้นหงหากินไม่ได้ท่านหงหากินเองไม่ได้เราหงกินเองได้เราทำมาหากินได้ถ้าไม่ให้ถ้าเราไม่ให้ไม่สมควรมันไม่สมควรเลยเออไปเห็นดูนักบวชเนี่ยนะพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่มีนามีไล่หงหากินเองท่านทำไม่ได้นี่แต่เราเนี่ย มีอาชีพการงานหุงหากินเองได้ฉะนั้นการไม่ให้ไม่สมควรแก่เราใครคิดอย่างนี้บ้างเวลาจะให้ทานนะ เ, เ น, น, นี่ยฮะ <c oughs> จริงเ <c oughs> ออโอเคอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โห พ, พอเราทาบุญไปปัพไ้ฉันปพักพักก็ไปปฏิบัติธรรมเราก็ได้บุญโดยอัตโน ม, ม, มันติอาที่ต่งกะสูง คิดว่าเราหุงหากินเองได้เรามีอาชีพการงานแต่ท่านไม่มีอาชีพท่านหุงหากินเองก็ไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นนักบวชท่านต้องประพฤติปฏิบัติเราคิดอย่างนี้เราจึงให้ทานใช่ไหมล่ะนึกกรุณาท่านนึกสงสารท่านถ้าไม่มีใครเอาอาหารไปให้ท่านท่านจะอยู่ยังไงเพราะท่านไม่มีอาชีพการงานเนี่ยคิดอย่างเนี้ยเคยคิดแบบนี้บ้างไหมอ้าวยกมือที่มีกี่คนเนี่ยโอ้ ยกทุกรอบเลยนะพวกนี้เดี๋ยวฉันจะบอกว่าไอ้ทีคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงที่สุดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกลักษณะแบบเนี้ยตายไปแล้วไปเกิดนไหนชั้นดูสิเห็นไหม จาตมหาราชกาตาวติงสายามานี่ชั้นที่สี่นะชั้นดูสิชั้นดูสิเนี่ยโดยมากใครเกิดอยู่ชั้นนี้พระโพธิสัตว์ก็อยู่ชั้นนี้แหละบรรดาคนมีบุญทั้งหลายคนบ่มเป็นบา ร, รมีทั้งหลายเขาไปพักกันอยู่ชั้นนี้ <laughs> อยากไปไหมอยากไปคิดอย่างงี้นะ <laughs> <laughs> โอ้โหแจกดได้มุมคิดแล้วเห็น <laughs> ไหมเห็น <laughs> ไหมไปอยู่ในชั้นดูสิ <laughs> พอสิน้น กมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกโ้หไปไม่รอดดิเป็นอย่างนี้นะแล้วข้อที่ห้าจะจามอยู่เลยเลยมรู้เป็นมีใครนินอ๋อไม่ต้องนะ <C oughs> ไม่รู้ใครนินทาหรือ อะไรแกอออกมาค่ะงนแลลอโอ้โหคงไม่มาเมื่อเมื <k> <k <k <k <k ่อเช้าได้อาบน้ำกันหรือเปล่าได้อาบน้ำเลยไหมอ้าวโอ้นทางสงสัยฉันเอง ประการที่ห้าบุคคลบางคนเนี่ยไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานจึงให้ไม่ให้ทานเพราะรู้ว่าทานนั้นเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลไม่ให้ทานโดยการทาตามบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ตายา ย, ายทำตามตามกัน ม, ม, มาไม่ให้ทานเพราะเห็นว่าสมณะนักบวชทั้งหลายหุงหากินไม่ได้แต่เราหุงกินเองได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแต่ให้ทานเพราะการจาแนกแจก ทานเหมือนกับกลุ่มฤาษีในบางก่อนในบางก่อนเนี่ยมันจะมีกลุ่มฤาษีประเภทหนึ่งเวลาก่อนเขาจะไปบวชเนี่ยเขาแจกทานหมดเลยเนะเขาเรียกแจกมหาทานมหาทานนี่แปลว่าอะไรเขาทำทุกอย่างคนบางคนเวลาจะให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยคิดต้องการอยากจะทําให้ครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่สายเครื่องโน mm ้มหยาอาหารให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสเนี่ยคือให้บริบูรณ์เนี่ยเออบางคนให้ทานแบบขาดขาดเกินเกินเคยเห็นไหมเช่นถวายไฟแต่ไม่ถวายสายซื้เซวินเนียใช่มนื Roma, ้อแปลกให้ให้ประหลาดประหลาดเคยเป็นหให้แบบไม่ครบเคยเป็นหรือไม่เคย จริงๆเนี่ยเวลาเขาให้ทานเนี่ยเขายังให้ให้บริบูรณ์เลยใช่ไหมเวลาเขาอยากให้เขียอย่างเนี้ยเขาก็ให้โต๊ะให้นิ้นโย้ด้วยให้ผ้าคลุมด้วยให้ผ้าปูนั่งด้วยแล้วให้ขอมไฟตั้งด้วยแล้วมีสายมีปลั๊กด้วยโอ้มีอะไรครบบริบูรณ์เลยคือเขาคิดรอบหมดเลยนะเวลาจะให้ทานจะอะไรดีไม่ใช่สักแต่ว่าเออมีน้ํามันเหลืองก็เอาแต่น้ํามันเหลืองไป อย่างเงี้ยนะคือเขาคิดดวนรอบให้ให้ครบให้คนที่แจกมหาทานเขาก็แจกอย่างเงี้ยฉะนั้นคนในฤาษีในปรางก่อนจริงๆก็ให้แบบเป็นมหาทานอย่างเงี้ยการให้ทานชนิดนี้เวลาตายไปแล้วไปเกิดในชั้นไหนชั้นนิมมารดีทําไมเขาเรียกว่าชั้นนิมมารดีชั้นเนี้ยใครไปเกิดในชั้นนี้ปุ๊บ เทวดาที่เกิดในชั้นนี้หรือคนบางคนเนี่ยถ้ากุศลชนิดนี้ให้ผลสังเกตได้ไม่ยากคิดอะไรแล้วสมปรารถนาพอคิดปุ๊บจะมีคนเนรมิตให้จะมีเทวดาตนหนึ่งคอยเนรมิตให้เหมือนพระราชาหมหากตรย์เนี่ยที่มีปรินายกแก้วระดับพระเจ้าจากักรพรรดินี่นะพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยจะมีปรินายกแก้วอยู่ใกลๆคิดแล้วคอยเนรมิตให้ทุกอย่างคาว่าเนรมิตก็คือรู้ความคิด รู้ความคิดรู้ความประสงค์ของบรราชาการใครไปเกิดในชั้นนิมมานรดีก็เป็นแบบนี้ปัจจุบันนางนางวิสาขาไปเกิดอยู่นางวิสาขาเป็นภรรยาของพระเจ้าปิดินในชั้นเนี่ยตอนนี้คิดอะไรก็สมประถนาหมดเลยนี่ลักษณไหนเหมือนแจกทานเหมือนนางวิสาขาหูแจกครบเลยนางวิสาขาสั้งกตด้วยนะนางวิสาขาเนี่ยให้ทานประเภทไหนเขาเรียกว่าให้กาลาทาน โอ้ oh, ชัดเลยอ่าคือเธอไปขอพอรอย่างพระเจ้าใช่ไหมขอพอรบอกว่าขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแดดพระสงฆ์พระเจ้าถามว่าเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงจึงให้บอกว่าเวลาพระสงฆ์เนี่ยส่งน้ำกันไม่มีผ้านุ่มเวลาคนเห็นก็ไม่สมควรว่าเออสมณนาเชยสายสักยะบุตรเนี่ย เ อ, อเหมือนไม่มีเสื้อผ้าในการอาบน้ําฝนสมัยก่อนฝนตกผ้าก็เปื้องผ้าก็ไปอาบน้ําฝนใช่ไหมล่ะเพราะผ้ามีน้อยนี่นายวิสาขาก็เลยโปรณนาถวายผ้าอาบน้ําเนี่ยเห็นประโยชน์ตรงนี้ยจึงให้แล้วขอถวายอาหารแดบพระที่เป็นอาการตุกะอาการตุกะทานเข้าใจคําว่าอาคารตุกะทานไหมเข้าใจคําว่าอาคารตุกะไหมไม่เข้าใจแขกเนี่ย แขกที่มาใหม่เนะี่ยกเรียกอาคารตุกาเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนพระเนี่ยเหมือนฉันมาที่นี่อย่างเงี้ยอย่างนี้ฉันเป็นอะไรอาคารตุกกาแล้วก็ให้ให้แก่ผู้ที่มาใหม่ให้ทานโดยการที่ว่าเพราะถ้าพระที่มาใหม่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าควรจะไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนไม่รู้จักใครอย่างนี้เป็นต้นเธอก็รับว่าขอถวายแก่พระที่มาใหม่ในเมืองนี้ตลอดชีวิต แล้วก็ถวายคำมิกทานทานสําหรับผู้ที่จะไปสําหรับผู้ที่จะเดินทางเนี่ยเธอก็จัดของอย่างพระภิกษุที่จะเดินทางเนี่ยเห็นประโยชน์อะไรบวกเห็นประโยชน์ว่าถ้าพระที่ท่านจะเดินทางเนี่ยจะลําบากอาจจะไม่ทันเรือไม่ทันรถไม่ทันเกวียนไปถูกโจรป้นกลางทางอะไรทั้งหลา ย, นยเนี่ยฉะนั้นเธอปรารถนาอยากจะให้ท่านเหล่านั้นปลอดภยัยก็เลยถวาย คำมิกทานก็คือทานสำหรับผู้ที่จะไปเขาจยังทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพสัชจะทานทานสำหรับบุคคลที่ผู้ป่วยเพสัชภิกษุไข่ค้นป่วยเนะี่ยถ้าได้อาหารที่ไม่เหมาะสมต่อร่างกายเนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้อายุสั้นและตายเร็ว เธอเห็นประโยชน์ตรงนี้ถึงให้แล้วก็ให้ทานแก บ, บุคคลที่ดูแลผ้าป่วยด้วยแล้วก็ให้ทานให้ทานให้ข้าวยาคูทุกวันด้วยเพราะว่ายาข้าวยาคูเนี่ยก่อนที่จะบินาบาดเนี่ยถ้าผ้าได้ฉันได้ดื่มก่อนเนี่ยจะทําให้มีอายุยืนทําให้ผิวพรรณงามใช่ไหมทําให้ระบบขับถ่ายดีลําไส้สะอาดอะไรก็แล้วแต่เป็นต้นตลอดถึงนั่นแหละความเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็ถวาย พาอาบน้ำให้กับกลุ่มภิกษุณีเป็นต้นด้วยเนี่ย ล, ลักษณะที่บุคคล น, นี้ให้ทานเนี่ยปลูพมแล้วก็มองดูความจำเป็นของผู้รับทุกส่วนอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเวลาไปเกิดหนะ้าที่ที่ใดกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นเทวดาก็อยู่ในชั้นนี้แหละคิดอะไรเพราะทำให้คนเขาสมปรารถนาคิดอะไรก็จะมีคนคอยเนรมิตให้เขาเรียกนิมมานนารดีทีนี้ประการที่หก เออเดี๋ยวถามหน่อยใครเคยให้ทานแบบนี้บ้างไหมว่าจะให้ทานแต่ละครั้งเนี่คิดละเอียดเลยเขาขาดเหลืออะไรแล้วไม่ให้ตะขอดตะบวกฟ้องเป็นแบบนี้ไหมเป็นเรยโอโหถ้างั้นหนูก็เตรียมใจได้ว่าหนูจะต้องไปเกิดชั้นนี้ <c oughs> หรือถ้าหากว่าเป็นมนุษย์จะสมปรารถนานะบุคคลนี้ยกลุ่มให้การาทานเนี่ยจะไม่ผิดหวั ง, ววงข้ายาโูก็เป็น คล้ายๆเขาต้มเนี่ยแหละแต่ว่าเขามีส่วนผสมหลายอย่างพาจะดื่มได้ตอนอรุณขึ้นมันจะเป็นทั้งจะว่า ก, กึ่งยาก็ได้ดวพวกนี้จะทํามาจากเ อ, อมีข้าวพวกมีพวกนมทั้งหลายเหล่านี้เขาหุงด้วยกันแล้วก็อาจจะมีพวกเนื้อพวกอะไรผสมที่ทําแบบดื่มได้อ่ะดื่มได้กินนี่คล้ายๆอย่งางกะต้ ลองไปเซิร์ชดูในข้อมูลในเน็ตในอินเทอร์เน็ตเดือปัจจุบันก็น่าจะมีการทำกันในอินเดียยังทำกันอยู่นะครับอยา่ารคูลองฝึกทำกันบ้างดู <c oughs> <c oughs> ทำขายก็ได้ทำเป็นธุรกิจก็ได้ใช่ไหมน่าทำนะเราไปหาคิดสูตรนี้มาหน่อยเราไปคิดสูตรดูแล้วก็ทำเลยจำหน่ายด้วยทำบุญด้วยดีไหม ใครฉลาดในการคิดสูตรนี่เราเอาสูตรทัางพุทธการมาลองดัดแปลงทำดูประการที่หกคนบางคนเนี่ยไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานไม่ให้ทานเพราะว่าทานเป็นความดีนะไม่ได้ทำตามบัพรพปุรุษไม่ได้หัดให้ทานเพราะคิดว่าสมณะพรามหุงกินเองไม่ได้หุงหากินเองไม่ได้เราหุงหากินเองได้ไม่ให้ทานโดยการจำแนกแจกทานเหมือนกันในฤษีปรางก่อนเป็นต้นแต่ให้ทานเพราะคิดว่า ให้แล้วจิตของเราจะเรื่อมใสจะสมานะตจิตของเราจะเกิดปลาโมดมันมีความสุขเนี่ยให้แล้วมันสบายใจให้แล้วมันมีความสุขให้แล้วจิตมันเกิดปีติสมณนะตพอคิดอย่างนี้แล้วจึงให้ใครคิดอย่างนี้มองไหมคิดให้แล้วสบายใจใช่ไหมให้แล้วสุขใจสบายใจชื่นใจจิตมันเกิดปีติสมานะพอคิดอย่างนี้เราจึงให้ใครคิดแบบนี้ไม แล้วมันได้ทุกครั้งเลยป่ะเพราะอะไรอ๋อแต่นี้รู้จุดหมายแล้วนะทีนี้การให้ทานโดยจิตที่เลื่อมใสสมนัสแล้วจึงให้พอตายไปแล้วไปเกิดในชั้นปรณิมมิสสวัสดีชั้นเนี่ย ฉันนี้ปีติโสมนัสมากเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องคิดก็มีคนเนรมิตให้ไม่ใช่เหมือนหนอนนะไม่ใ่เหมือนหนอนก็เดียวาใหญเคยได้ยินไหมที่คนเขาเล่าเรื่องหนอนกับเทวดาที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไทยทานประเภทนี้เราไปเกิดเป็นหนอนทำท่าคิดไม่ออก ก็คือไงเป็นเพื่อนกันไงบอกว่าถ้าหากว่าไปเกิดอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยถ้าระลึกชาติได้ให้ให้ช่วยกันถ้าจําได้อีกคนหนึ่งตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาคนนึงตายไปเกิดเป็นหนอนในซุวมไอ้เพื่อนคนนึงเป็นนึกเอ๊ะเพื่อนไปอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหตกใจเลยร้องไห้เลยเพื่อนไปตายไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซุวมก็อุตส่าห์ลงมารอจังหวะเรียกเรียกเพื่อนมาเพื่อนก็คานรุดรุดมาโอ้โหเห็นเพื่อนแล้วร้องไห้เลยบอกว่าทำไมผูสงสารมึงแล้วเกิน ถามทะมมบอกโอ้ฉันไม่เกิดบนโน้นนะ่ะอยากกินอะไรก็มีคนเนรมิตรให้ฉันดีมอลเราเลยดีใช่ไหมล่ะเพื่อนนอนได้ยินนอนก็ร้องไห้โอ้ยฉันสงสารเองเหลือเกินอยู่นี้ฉันไม่ต้องมีต้องไม่ต้องมีมีใครเนรมิตรตุกตุกเช้ามีคนมาส่งทุกวันให้อย่างนี้ดีมัน ไม่ดิแล้วใครเข้าใจผิดในระหว่างเทวดากับนนท์เนี่ย <Okay. S 1> <laughs> เข้าใจผิดทั้งคู่สังสารวัฏมันเจ็บปวดหมดเลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ตายสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่มันก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกการให้ทานทั้งหกอย่างดังที่ได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมีผลมากแต่อานิสงส์ไม่มาก เนี่ยการให้ทานในลักษณะอย่างนี้ที่พระบระมาศ า, าสดาทรงตรัสว่าบุคคลบางคนก็แบ่งออกเป็นหกจำพวกเนี่ยที่จริงในในในสังสารวัฏในจักรวาลเนี่ยเขาแบ่งาศาตร์ออกมาเป็นเจ็ดจำพวกในจำพวกที่หนึ่งให้ทานแลวหวังผลเนี่ยให้จำพวกที่สองให้ทานคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีเงี้ย ประเภทที่สามให้ทานตามประเภทนีปบูตาย่ายายประเภทสี่ให้ทานเพราะไปคิดว่าพระเนี่ยหุงหากินเองได้ไม่ได้เราหุงหากินเองได้เนี่ยประเภทต่อมาก็ให้ทานโดยการจำแนกแจกทานทำให้ยิ่งใหญ่ทำให้ครบบริบูรณ์เนี่ยประเภทที่หกก็ให้ทานเพราะจิตเกิดปีติสมานะั้นเนี่ยหกประเภทเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยเนี่นะร้อยละเก้าสิบเก้าให้ทานแบบนี้ ในจักรวาลนี้เนะี่ยให้ทานเนี่ยยึติดอยู่ในข่ายหกอย่างนี่แหละให้ทานและรักษาศีลเนะียแต่ในห น, ะนึ่งเปอร์ซ็นเนี่ยในหนึ่งเปอร์เซ็นท่านั้นที่จะได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจอย่างแท้จริงก็คือว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยการหวังผลของทานไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นว่าเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศส ไม่ให้ทานโดยการทำตามบรรพบุรุษมีพ่อแม่ปู่ตายายไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นว่าสมณพรามหมณ์หงหากิดเองไม่ได้ไม่ได้ให้ทานเพราะมีการจำแนแกแจกทานเหมือนฤษีปรางก่อนไม่ได้ให้ทานเพราะทำให้เกียรติเกิดปิติสมณะเท่านั้นแต่ให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตคือให้ทานเป็นเครื่องขัดเกาจิตให้หมดจดจ็กกิเลสด้วยอำนาจของฝึกจิตให้เป็นอลังการะเขาเรียกจิตตะลังการะทานนะ คือทำทาเป็นอลังการละทำจิตให้มีความสะอาดสว่างแล้วก็ให้ปราศจากกิเลสโดยเอาอะไรเป็นเครื่องประดับให้ศรัทธาคือความเชื่อมั่นมาเป็นอลังการละของจิตให้เป็นให้บริขารปกติจิตของเราเนี่ยจะไม่งามใช่ไหมจะไม่งามจะไม่มีแสงสว่างจะไม่ช่อดช่วงชัชวาหรอก แต่คนบางคนฉลาดก็อศรัทธาความเชื่อมั่นมาเป็นเครื่องประดับเอาความเพียรเกล้กากล้ามาเป็นเครื่องประดับเอาสติความระลึกได้มาเป็นเครื่องประดับเอาสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตมาเป็นเครื่องประดับเอาปัญญาเอาเมตตากรุณาเมตตาเวห า, าฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาทั้งหลายเอากลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายความไม่โลภความไม่โกรธเอาความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปมาเป็นอลังการะมาเป็นเครื่องประดับจิตให้จิตนั้นเข้าถึงความสงบที่เรียกว่าสมถะ พัฒนาต่อไปถึงวิปัสนาคือเจริญเห็นไตร ล, ลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็านอนัตตาอาศัยจักรทานเนี่ยเป็นบาตรฐานแล้วก็เดินสู่สมถะและวิปัสนาอย่างนี้เป็นต้นการให้ทานลักษณะอย่างนี้เป็นการให้ทานแบบขัดเกลือนะเพื่อให้จิตนั้นปราศจากกิเลสด้วยอํานาจของสมถะและวิปัสนาจนสามารถทั้งตลอดสมาธิและจนบรรลุวิปาาัสนาญาณบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาอนาคา็นต้นเหล่านี้ได้การให้ทานลักษณะอย่างเนี้ย เขาเรียกว่ามีผลมากมีอานิสงฆ์มากเพราะให้ทานชนิดนี้แล้วจะต้องไม่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอย่างนี้อีกก็จะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไปเลยเขาจะยัง <Okay. S 1> มีน้อยหรือมีมากให้ทานแบบเนี้ย <Okay. S 1> อาที่นั่งอยู่นี้ใครเคยให้ทานแบบไหนแบบที่เจ็ดมีไหมโอแทบไม่มีเลยต้องตั้งหลักใหม่ไหมเนี่ย ต, ต, ต้องตั้งใหม่ตอนนี้ยยุเท่าะไรแล้ว ก็ไม่รู้ทีตรงนี้ก็อยู่ที่เราจะต้องเบนเข็มทิศให้ถูกทางแล้วแต่นี้ใช่ไหตั้งหลักให้ถูกจะไปไหนพวกเราจะไปไหนกันต้องการอยากจะขจัดกิเลสต้องการให้กิเลสนิพา น, พานใช่ไหมราคะความกำหนัดอยากให้อยู่กับเราหรืออยากให้กิเกกลสนี้นิพานให้ดับหายไปเลยโทสะอยากให้โทสานิพานไหม อยากให้โมหะนิพพานไหมก็ต้องให้ทานแบบเนี้ยประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อพัฒนาไปสู่การขัดเกลาเกลิดไม่แค่สละข้างนอกอย่างเดียวข้างในสละด้วยสละนอกสละในด้วยใช่ไหมบางคนสละแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่ยอมสละเลยใช่ไ้มสละอะไรข้างในสละความตณีมัชชริยาเนี่ยต้องสละไหมราคะความกําหนัดต้องสละได้ไหม สักโธสะด้วยสละโมหะด้วยฉะนั้นเวลาจะสละสิ่งของทั้งหลายเนี่ยต้องสละในด้วยต้องขัดเกลาปรุงแต่งจิตประดับจิตตกแต่งจิตไปสู่ศีลสมาธิวิปั ส, สนาญาณแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกการให้ทานในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีผลมากแล้วอันนี้สงมากก็คือการไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดที่สวรรค์แต่ละชั้นนันมีความสุขเนอะพอได้รับการมาคุณนเรเลิดที่เป็นทิพย ละเอียดปราณีตขึ้นเป็นไปตามลำดับพระเจ้าก็ตรัสว่ากามคุณเหล่าเนี้ยเป็นของชาวบ้านเนะเป็นของชวนให้หลงไหลมีสุขน้อยแต่มีโทษมากแล้วก็เคยเกี่ยวข้องกับมันมาทั้งนั้นใช่ไหมล่ะถามโยมมนตรีด้วยดิกามมีสุขน้อยหรือสุขมากมีทุกมากไหมแล้วตอนนี้เป็นยังไงร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจยของเราเป็นกามไหมเนี่นยนนเนี่ยกามแล้ขันห้าเนี่ย มันมีสุขอยู่ชั่วแป๊บเดียวอะแล้วตอนนี้เป็นยังไงแย่ทุกด้านไหมาตาก็แย่หูก็แย่จมูกก็แย่ปากก็แล้วโห้ยแย่หมดเลยใช่ัหมเนี่ยนักเขา้านักเข้าไม่ไหวนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันให้ความสุขแว บ, บเดียวนังเขา้าโอ้ยทุกอย่างมากเลยทีนี้ต้องบริหารจัดการต้องดูแลโอ้ยแตละพัดหมด ตื่นขึ้นมาก็ต้องดูแลเขาอย่างดีเลยนะใช่ไหมล่ะต้องขัดต้องอาบน้าต้องหาอาหารให้ต้องนวดฟันต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ให้โอ้โหสารพัดเนี่ยดูแลขนาดนี้แล้วเขาเคยเขาเคยรู้คุณเราไห ม, ไมอา้าวขันห้าเนี่ยเขากระตันยูกับเราไหมไม่เขาอากระตันยูหรือกระตันยู อาตันยูเขาอากตันยูไม่รู้จกคนเลยไปไปไปลองกระจกก็ไปชี้หน้าบอกเขาบอกไอกอากตันยูไม่รู้จกคุณฉันน่ะดูแลใช่ไหมฉันทั้งถูทั้งทาทั้งตกแต่งดูมันให้มันไดูด้วยเนี่ยจะมองมองไม่ได้อยู่แล้วกันนะใช่ไหมพยายามดูแลเขาประครบประงมทําเขาก็ทะนุถนอมเอาเวลาเราจะ จะจะล้างหน้าเราล้างแบบเบาๆหรือแบบตกไปล้างไปล้างแบบไหนทนุทนทนนองก็ยังดีแล้วดูที่มนออกมา ด, ดูที่เนี้ยดูที่เนี่ยเขาอากตัอยูแท้ๆเลยเนะไม่รู้จักคุณเลยแล้วเราจะมัวอะไรอาวรนอะไรเขาใช่ไหมล่ะจะมัวอะไรอาวรานทำไมเราก็เอากายนี้แหละที่มันไม่มีสาระนี้แหละมาทำสาร้ายมันเกิดขึ้นเนี่ยกายนี้มีสาระของความงามไหม ไม่ไดงายมีสาระของความเที่ยงแท้แ น, น่นอนไหมเนี่ย ม, มีสาระของความเป็นอัตตาตัวตนไหมบังคับได้ไหมคนโทรได้ไห ม, ไมไเราจะไปอะไรวนเฮ้แต่เราทําสาระทําศีลสาระให้เกิดขึ้นในอัตภาพนี้ได้ไหมไทําสมาธิสาระให้เกิดขึ้นได้ทําปัญญาสาระให้เกิดขึ้นได้เพื่อวิมุตติสาระคือความหลุดพ้นและวิมุตติญ า, าณทัศน์สาระใช่ไหมล่ะเออแล้วก็คิดอย่างนี้สิมันจะได้ไม่ต้องมาเพิดเพลิดอะไรกับมันใช่ไหม จะได้ไม่กังวลนะโอ้โหตายแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวมะเร็งจะกินได้อีกแล้วเร่งสุดโห้โทุกอยู่นั่นแหละใช่ไหมพอไปหาหมอหมอเขาโอ้ทำท่าใสาหัวแล้วโอไม่ไหวแล้วคุณนะนี่เป็นอย่างเนี้ฉะนั้นก็ก็ต้องรีบเอาประโยชน์จากมันซิในการเห็นความจริงถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเราหลงกับมันเลยนะบางคนหลงกายนี้ โอ้โหอายุมากแล้วก็ทํายังไงจัดสู้ต่อสู้กับธรรมชาติให้มันได้ยังไม่บางคนะนะั่นนยมีที่ไหนที่เขาทาให้มันดูไม่แก่ไปแล้วเดี๋นี้โอ้ยหางดีใช่ไหเท่าไรเดียร์หหมอสถานเสริมความงามโอ้ยขายดีขายดีเดี๋นี้ทุกวันนี้เรื่องสุขภาพโอ้ยวิ่งหากั น, นกลัวกลัวแก่กลัวไหมกลัวโรคแก่ไหม กลัวเจ็บไหมกลัวตายไหมโอไม่กลัวเลยไม่กลัวแก่ด้วยเลยไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วกลัวอะไรมันก็อันเดียวกันนั่นแหละไม่เคยแก่เจ็บตายมันเรื่องอันเดียวกันนี่เลยเนี่ยทีนี้เรารู้ไงว่าไกรณีที่มนุษย์จะเกิดแก่เจ็บตายมาจากอะไรมาจากกิเลสใช่ไหม งั้ตรงนี้ก็มามองเห็นตรงนี้อาจารย์ว่าโอ้นี่เองที่พระพุทธเ้าตัสไว้ในเรื่องของการให้ทานว่าเออบางครั้งเนี่ยเราก็มามัวให้ทานโดยไม่มีหลักในทานของสัตว์บุรุษเนี่ยมันจะมีอยู่นะห้าข้อในห้าข้อเนี่ยจะมีว่าการให้ทานการให้ด้วยศรัทธาให้ยังไงเออขอไปการให้ด้วยความเคารพ ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความเคารพแล้วก็ไอ้การการให้ด้วยความเคารพให้ยังไงให้ทานโดยเคารพกับให้ทานโดยไม่เคารพต่างกันตรงไหนอะไต่างตรงไห น, น, นาคาว่าเคารพกับกให้เคารพเนี่ยคําว่าเคารพในที่นั้นคือให้ด้วยความเต็มใจ ว่าเราให้ทานเต็มใจไหมเต็มใจหรือไม่เต็มใจทุกครั้งเลยไหมเราให้ทานในความเต็มใจทุกครั้งไห ม, ไ ม, ไ ม, ไมฮะระหว่างให้ด้วยความเต็มใจกับไม่เต็มใจอันไหนมากกว่ากันไม่เชื่อหรอกเคยเคยให้เคยให้ ให้กับเพื่อนให้กับลูกให้กับสามีให้กับภรรยาให้แบบบ่นไปเคยไหมบ่อยไหมบ่อยไหมรามยิเนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่อย่างนี้ก็เรียกว่าให้โดยไม่เคารพให้แบบไม่เต็มใจการให้ทานแบบนี้ถ้าอย่างคนที่ฉลาดในการให้เนี่ยเขาจะไม่บ่นนะช่วงนั้นนะคือไม่ได้กิจกรรมในการให้ใช่ไหมเราเข้าใจอย่างเขาจะให้ด้วยความเต็มใจ ไม่ให้ด้วยความเกรงกลัวหรือจำใจให้เวลาให้ก็มีกิริยาที่นอบน้อมพูดวาจาไปรล้วพ่อมาเอาเงินนี่นะแม่ให้ให้เงี่นะเวลาเวลาเป็นก็ลูกมารับเงินเร็ว น, นี่นี่แม่ให้เต็มใจให้เขาให้อย่างนี้นะคือมันเชื่นใจมากที่ได้ให้ขอจังเลยเนะี่ยวานก็ขอวันนี้ มันจะไปให้ด้วยความเคารพได้ยังไงแบบนี้เขาเรียกไม่เต็มใจฉน้ั้งถามว่าชีวิตของพวกเราในหวังให้ด้วยความเต็มใจก็ไม่เต็มใจไหนมากกว่ากันไม่เต็มใจไม่รู้ตัวแล้วผลของการไม่ให้ไม่เต็มใจจะได้อะไร ไ, ได้อะไรรู้ไหมผลที่ตามมาก็คือ ด้การที่เราให้ด้วยกิริยาที่กระด้างกระเดืองให้ด้วยไม่เต็มใจให้ด้วยไม่มีกิริยานอบน้อมให้แบบถลึงตามองให้ไปบ่นไปเนี่ยนะการให้ในลักษณะอย่างนี้ผลของทานจะให้ผลก็คือมีบุตรหลานญาติมิตรบริวารสามีภรรยาเขากระด้างกระเดืองไม่เชื่อฟังไม่ทําตามไม่เคารพไม่น้อมหไม่น้อมโสที่จะตั้งใจฟังอย่าแปลกใจเวลาเราบอกว่าลูกอย่าลืม แวะมารับแม่ด้วยนะไม่ว่างมันกระด้างกระเดืองเพราะอะไรเพราะทานประเภทเราให้โดยไม่เคารพนั้นอย่าแปลกใจว่าชีวิตที่เราเจอเป็นแบบนี้ไหมล่ะกลับลำทันไหมก็เริ่มเลยนะ เริ่มคนใกล้ตัวออ พ, อพอภรรยาบอกว่าเรียกภรรยาเรียกยังไนงน้องเลยนะพูดเ อ, อพูดได้พ้อเลยนะน้องนี่พี่ตักน้ํามาให้เอานะอย่าลืมกินนะเนี่ยบอกถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องมาเอาใจรอกวางตรงนั้นแหละอาจะจะจะทจําใจยังไงตอนนั้นน่ะ ก็เฉยๆไม่ได้เฉยก็ถือว่าไม่เคารพทานอีกต้องวางท่าทีทางใจให้ปีติเกิดบอกว่าไม่เป็นไรนะพี่อย่าวางไว้ตรงนี้พี่ได้ตักมาให้น้องพี่ก็ชื่นใจแล้วเข้าใจยังส่วนน้องจะกินหรือไม่กินไม่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าเฉยๆหรือเครียดกินๆๆๆๆอย่างเข้าใจยัง เนี่ยก็เรียกให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความเต็มใจก็ทําแบบนี้ <aime S 1> คนบางค น, คนทําไม่เป็น จ, จริงๆเอาเวลาเราจะตักอะไรทำออาหารให้แม่เอายาให้แม่ใช่ไหมให้ด้วยความเคารพคื อ, อยังไงเราให้แล้วแล้วก็พูดจายเพราะใช่ไหมแม่ก็บอกไม่กินหรอกเบื่อ อ้าทำไมแม่พูดอย่างนั้นเราเนี่ไม่ได้เลยนะต้องบอกว่าแม่ไม่เป็นไรนะแม่จะกินเวลาไหนก็ได้แต่หมอบอกไว้ว่าแปดโมงแม่แต่แม่จะกินเก้าโมงสิบโมงก็ไม่เป็นอะไรหนูหรือผมเนี่ยดีใจมากที่ได้จัดยาให้แม่ใจจริงเนี่ยผมอยากให้แม่อยู่กับผมนานๆแต่แม่จะกินอาหารผิดเวลากินยาผิดเวลาหรือไม่กินนอนไม่หลับ ผมก็จะไม่ไปฝืนแม่หรอกผมรักแม่นะเนี่ยเห็นไหมพอพูดในลักษณะ น, นี้แม่ชื่นใจไหมเนี่ยลักษณะนี้ก็เรียกให้ด้วยความเคารพไม่เคยทำที่แบบเนี้ยถ้ไม่กับสามีกับใครเคยทำไมหมล่บ เ, <ข>เขาทำแบบนี้แล้วเราจะไม่มีการเครียดวิตกกังวลเลยเพราะเคารพไง เขาเข้าใจครับว่าเคารพไหมเข้าใจครเข้าใจทำไมไม่ทำํำ เ, เขาให้ทําแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าให้โดยความเคารพไม่ได้ให้ด้วยความเกรงกลัวหรือจําใจให้นะเวลาให้กิริยาก็นอบน้อมวาจาก็อ่อนหวานในการให้ด้วยแล้วให้ก็ไม่ได้ไปบังคับสมมุติว่าหมอบอกว่าแม่ต้องกินอาหารจืดๆใช่ไหม อาหารไม่เค็มเราก็ทำอาหารจืดๆและไม่เค็มให้แม่แม่ไม่กินเลยไม่เอากูจะกินอย่างเดิมกูอขอไปนะ <c oughs> แม่ต้องใช้ภาษาพ่อคุณลามเนี่ยแหละ <c oughs> เราก็ทำไว้สองอย่างอย่างนี้อย่างที่แม่เคยกินอย่างนี้แบบที่หมอบอกแล้วก็บอกแม่ถ้าแม่ปรารถนาอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่นาน เพื่อจะได้ให้หนูหรือผมได้เจริญกุศลได้อุปถากดูแลแม่ให้นานที่สุดแม่ก็กินอย่างที่หมอว่าแต่มันก็ยากนะแม่นะแต่จริงๆไงหนูหนูก็อยากให้แม่อยู่นานๆ น, นี่แหละแต่ถ้าแม่อยากจะกินตามใจอยากโรคภัยแค่เจ็บมันจะเบียดเบียนฉันก็ยอมรับกับมันทั้งๆที่ผมก็ไม่อยากให้แม่กินแบบนี้หรอกแต่ผมรักแม่ไง ไม่อยากขัดใจแม่แต่ใจอยากให้แม่ทานแบบนี้แต่ผมรับแม่ได้ทุกสถานการณ์อาการแม่จะสุดลงหนักลงขนาดไหนผมก็จะยอมรับกับมันก็ให้แม่ยอมรับกับมันนะ่ถึงแม่ไม่ยอมรับแต่ผมก็เป็นลูกก็ต้องดูแลแม่จนถึงที่สุดให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความเพลอแล้วให้เหตุให้ผลแล้วก็บอกโอเคไหมแบบนี้นี่บอกวิธีการให้ทานแบบเคารพก็ทาแบบนี้นะ เวลาไปอ่านในพระไตรปิฎกเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเขาไว้นี่ใช้ความเข้าใจนะในการมาบอกเนีย่ยลงรายละเอียดให้เวลาไปทำเนะี่ยแต่เราไปต่อยอดกันเองพูดให้ดีกว่านี้อย่าไปพูดแค่แคนี้แบบไม่ใช่พระบอกมาแค่นี้ก็สตันแค่นี้ให้พูดได้แค่นี้เองเออกมาท่องเอาไว้เลยท่องเลยแค่เนี้ยแล้วก็เล่าได้แค่นี้เองหมดท่าเลยดิต้องพูดให้ดีกว่านี้เข้าใจยังใครมีพ่อแม่ผู้ตายยายต้องดูแลบ้างมีไหมโอ้โหเนี่ยเป็นบุญเหลือเกินรีบกลับไปทําให้ด้วยความเคารพ นะให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความเต็มใจไม่แค่ให้เพียงแค่แค่ยื่นให้แต่กิริยาที่ให้ก็ให้ด้วยความอ่อนน้อมด้วยและในขณะเดียวกันต้องใช้คําพูดด้วยไหม อ, อมีปากต้องพูดตอนนี้ปากเรายังพูดได้ลิ้นเรายังไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นใบแล้วพูดจะควรจะพูดดีหรือไม่ดีพูดหน้าฟังหรือไม่หน้าฟัง ต้องเป็นปียาวาจาเข้าใจครับว่าปียาวาจาไหมต้องให้ภาพบอกอย่าปียาวาจาปียาวาจาเนี่ยก็แปลว่าวาจาเป็นที่รักพูดแล้วมันดูดดื่มน้ำใจ ม, มันกินใจอะ่ะพูดแล้วรู้สึกทำไมทาไมพูดแล้วทำนี้ให้พ่อแม่อยากอยู่นานๆเนี่ยไม่ได่พูดแต่ละทีเรากูอยากตายเดี๋ยวนี้ยอย่างเงี้ย เคยไหมเคยพูดกดดันพ่อแม่ไหม เ, <ค>เนี่ยหมอให้กินยาแปดโมงก็ไม่กินจะให้ผมทํำยังไงเนี่ยเนี่ยพูดกดดันนี้เคยไหมนี่มีผลไหมพูดแบบนี้มีผลไห ม, มแล้วต่อไปอะไรจะกดดันเรานั่นแหละลูกเอ๋ยเพื่อนเลยภรรยาเอ๋ยหมอเอ๋ยกดดันตลอ ด, ดมันให้ผลตลอดนะ เราไม่รู้ไงว่าเพราะเราเนี่แหละกระทาเหตุกระทําผลเองใช่ไหมมันเรื่องเหตุผลนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีเหตุผลฉะนั้นถ้าเห็นคนได้รับผลอย่างไรพึงรู้เถอะว่าเขาสร้างเหตุอะไรมาไปเจาะดูก็จะรู้อย่าแปลกใจเนะี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายยายลูกหลานญาติมิตรสามีภรรยา ก, กระด้างกระเดือนกับเราเต็มไปหมดเลยไม่ค่อยเชื่อฟังเลยอะพูดอะไรปุ๊บเขาก็แย้งทุกคําเลย ถ้าปรารถนาที่อยากไม่ให้เขาแยง้งก็ทําให้ทานด้วยความเคารพนะหรือเริ่มทําแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่พาะสงฆ์มันเป็นการให้ทานทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะให้อะไรกับใครเป็นทางการให้ทานทั้งนั้นแม้แต่มดที่มันวิ่งขึ้นมาบนบ้านเราเราสลัดไอ้อาหารเสษอาหารให้มันยังเป็นทานกุศลเลย บางคนเนี่ยบางคนให้ไปด่าไปกันไปไม่ฮาขึ้นในบ้านกูขออภัยนะเนี่ยพวกนี้กระด้างกระเดื่องแล้วคนจะกระด้างกระเดื่องกันเราเพราะเราให้ทานด้วกิจกระด้างกระเดื่องเราจะควรจะว่าไงเดียลูกเอ้ยได้ไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ให้เขาด้วยใจเมตตาไม่ใช่ให้ด้วยกระด้างตัวเนี่ยสุนัขตัวหนึ่ง เราให้อาหารเขาหนึ่งอิ่ ม, มทานกุศลชนิดนี้มันจะให้ผลเราหนึ่งร้อยอัตภาพในขนาดสุนัขตัวเดียวหนึ่งอิ่มเนี่ยนะมันให้ผลตั้งหนึ่งร้อยอัตภาพนะถ้าให้แก่คนทุศีนนะคนทุศีนคนไม่มีศีนเลยเนี่ยนะไอ้ขี้เมาเรื่งต่างไม่เอาศีนสักข้อเลยเนี่ยแอนเมาเนี่ยเท่าไหร่นะหนึ่งพันอัตภาพเนี่ยมนุษย์เนี่ย สตัวอะไรนะหมายว่าให้หมาสิบตัวจะได้พันนึงก็คี่เราดีกว่าใช่ดิเองเรอเจว่าโอ้คำนวณเลยทีนี้ให้กับคนมีศีลให้แก่คนมีศีลธรรมดาเด็กทั่วไปเนี่ยนะที่เขามีศีลนี่แหละมีศีลมีกัญญาณนหนึ่งแสนอัตราภาพให้หนึ่งแสนชาตินี่ถ้าให้กับคนที่ อนอกพุทธศาสนาแต่เขาได้ฌานสมาบัติในพวกฤุษีอะ mm ่ะ hmm. พ่อไปวิบัติแต่เขาไม่รู้เรื่องพระรัตนไตรัยนะ mm hmm. นิแสนโกรธอัถภาพ mm hmm. แต่ถ้าให้บุคคลที่เดี๋ยวถามเ mm hmm. นาะยอมเป็นคนมีศีลไหม mm hmm. ปรารถนาจะบรรลุธรรมไหมปราถนาบร mm hmm. รลุธรรมถ้าให้กับคนที่มีศีลปราถนาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี mm ่ย hmm. ปราถนาจริงๆนะจะบรรลุธรรมเนี่ย หรือให้กับคนที่เป็นพระโสดาบาันปรารถนาบรรลุสกาัดาไล่ไปตามลำดับเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะนับไม่ได้ประมาณค่าไม่ได้แค่แค่ยังไม่ได้เป็นปรารถนาที่ใช่ใชตั้งใจเลยตัวเองขนขวายเพื่อจะเป็นต้องการบรรลุทำเห็นไหมเนี่ยเรานี่เห็นไหมการให้ทานจะบอกว่าแต่เราให้เป็นไหมเนี่ย อย่างที่ผ่านมาโดยมากเราให้กันไม่เป็นในโดยมากชาวพดไม่ค่อยคุยเรื่องทานกันที่มันครบวงจรมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยกุดกุดด้วนวกันองมันเข้าใจกันขาดขาดวินวิ่นกันใช่ไหมเนี่ยแค่ให้โดยความเคารพยังไม่ไม่เป็นเลยใช่ไหมล่ะนี่กลับไปต้องลแต่ไม่ใช่ให้โดยความเคารพแล้วสุนัขวิ่งมากราบสามครั้งไม่ใช่เงินนะเอออย่างงั้นเกินเหตุเด็กอันนี้เกินเหตุเด็ก ใช่ไหมไม่ใช่ไปกราบโอ้โหอย่างนั้นเลยอยู่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องแล้วเริ่มเข้าใจคําว่าให้ด้วยความเคารพไปยังเาประการที่สองเดี๋ยต้องรีบไปแล้วเวลาจํากัดเรื่องทานเรื่องมีเยอะมากถ้าพูดเรื่องทานอย่างเดียวต้องใช้เวลาห้าวันนะเรื่องจริงห้าวันนี้ไม่จบด้รึเปล่าเรื่องทานอย่างเดียวเนี่ยรายละเอียดมันเยอะนี้ฉันพยายามตัดมาในเรื่องสั้นๆสั้นๆ น, น, นะ สองให้ทานด้วยความยำเกรงยำเกรงคือเคารพในทานของตนและเคารพในผู้รับคาว่าเคารพในทานของตนคือทำอยังไงการเลือกให้แต่ของดีของที่มีประโยชน์ของที่มีรสดีรสเลิศของสะอาดนี่ก็าเรียกเคารพในทานของตนเองเขาใจ่ยังเราเป็นคนประเภทนี้ไหม เป็นเลย อ, อ๋อน่าชื่นใจบางคนเป็นยังไงไปเปิดตู้เย็นดูอุย้ยหมดอายุไปวันหนึ่งพอดีแล้ววันนี้พาเดินผ่านอัน <c oughs> <c oughs> นี้เคารพในทานไหมอ้ยีกบุญไม่น่าซื้อมาเลยของเนี่ยจะหาให้ใครดีนะเราไม่ <c oughs> <c oughs> นี่เคารพไหม <c oughs> ไม่เคารพไปดูของที่มันจะหมดอายุบางทีเน่ะเสื้อผ้าเก็บเขาไว้เก่าเก็บมาะใช่ไหมแล้วอุ้ยตายแล้วของหมดแล้วมันเดือดกูจะขาดไปนิดๆหน่อยๆเรียกกันนั่นเลยเอาแจกทานดีกว่าเนี่ยลักษณะแบบนี้เขาเรียกไม่เคารพไม่เออไม่ไม่ไม่ยำเกงนะให้ทานโดยไม่ยำเกงให้โดยยำเกงก็คือเลือกของที่ดีของที่มีประโยชน์ของที่มีรถื่อว่าเคารพในทานของตน ทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ให้ของที่พอใจของที่พอใจก็ได้ของที่พอใจใช่ไหมผู้ที่ให้ของเลิศก็ย่อมได้ของที่เลิศผู้ที่ให้ของดีก็ย่อมได้รับของที่ดีผู้ที่ให้ของที่ประเสริฐก็ย่อมจะได้รับของที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นไปเกิดหน้าที่ใด ก็จะได้ของที่เลิอดของที่ประเสริฐและได้ความเป็นผู้มีอายุยืนได้ความสุขได้กําลังเป็นตัวเหล่าเนี้ยเห็นไหมว่าการเลือกของดีดของที่เลือดเลืดของที่ประเสริฐทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่าเคารพในเคารพในฐานของตนทีนี้เคารพในผู้รับละ่ะคื อ, อยังไงคําว่าเคารพในผู้รับใครคิดออกบ้างอะ่ะคำว่าเคารพในผู้รับทํำยังไงกล่าวเขาก่อนแล้วให้หรือยังไงคําว่าเคารพในผู้รับ ไม่ใช่การเลือกผู้รับที่สมควรแก่ของใช่ไหมคือบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเป็นผู้รับเราต้องดูว่าของที่เราให้เนี่ยสมควรกับเขาไหมนี่เขาเรียกว่าเคารพในผู้รับก่อนในลำต้นนะหนึ่งเลือกผู้รับที่สมควรแก่ของที่จะให้สองเลือกผู้รับที่มีศีล น, นี่เขาเรียกฉลาดในการให้ เ พ, เ, พะะเพราะว่าเพราะอะไรพอเรามีวัตถุทานน้อยหรือมากน้อยไอคนต้องการมันเยอะมันต้องฉลาดฉลาดในการที่นึ่งเลือกของที่ดีที่เลือที่ประเสริฐนิครลบในของยำเกรงในขอในทานเคารอบในฐานตัวเองไว้พอสองก็คือเลือกผู้รับที่สมควรแก่ของที่จะให้ใตรงนี้โอ้โหบางคนเนี่ยถ้าจะให้ไม่ได้คิดอะไรเลยอะ เขาจะจะเป็นประโยชน์กับเขาหรือไม่เป็นประโยชน์อายกุขยันนะยอมมันตีเป็นโรคไตสมมติสมมุติสมสมุติเป็นด้วยใช่ไหมเป็นเบาหวานสมมติ <c oughs> เป็นความดันสูง <c oughs> เป็นใสมมุติเนี้ยนะแล้วก็ดูอาหารที่มีไขมันมา ก, กอ <c oughs> าไปให้เข้าใจไหมเนี่ย เอาอาหารที่ทำให้เพิ่มความดันเพิ่มไขมันเพิ่มเบาหวานแต่เป็นอาหารที่มันโอ้ยมันมียี่ห้อดีอะไรดีไปซื้อมาจากต่างประเทศเอามาให้รักไหนนีก็เรียกไม่เคารพใค ร, ร ก, ก็ไปทำลายเขาจะเคารพได้ไงแล้วก็าใจยังแม่หนูไปต่างประเทศมานะแม่นะอาหารนี่ดีมากเอาแม่กินกินกินแต่แม่เป็นเบาหวานความดันหนัวใจโรคไต ราคาแพงนะแม่ ก, กินเข้าไปนี่ก็เรื่อไม่เคารพอะไรเป็นกันบ่อยไหมแบบเนี้นยโอกความไม่รู้นี่น่ากลัวเนา ะ, ะน่ากลัวแล้ว ก, ลก็เลือกผู้รับที่มีศีล คนที่มีศีลมีคุณธรรมเนี่ยเขาเรียกเคารพในผู้รับของที่ให้ก็หมายว่าผู้รับนั้นเออไม่ใช่ว่าเคารพผู้รับในที่เนี้ยเขาเลือกผู้รับที่มีศีลไม่ใช่ว่าไม่ให้สัตว์แก่สัตว์เรัฉานนะแต่เลือกเลือกที่จะให้และลำดับในการให้ได้ยกตัวอย่างเช่นานาฬิาพินิกาเสรยถีเนี่ยตอนที่ท่านจนไม่ต้องพูดถึงตอนรวยนะมีอยู่คราวหนึง่งคือเศรษฐกิจมันซุดสถานการณ์แย่การค้าคารลงทุนทั้งหลายขาดทุนยับเยิน ตอนนั้นจนเลยนะกลับมาเริ่มสถานการณ์เริ่มแย่แล้วแต่ไม่เคยหยุดในการให้ทานของที่ให้ทานเี่ยพระพุทธเจ้าเดี๋ยสาวกพระุทธเจ้าเดี๋ยยังของเลือดของประเสริฐแต่เวลาให้ทานกับคนทั่วๆ่วไปก็เอาของที่เศร้าหมองให้แล้วข้าวปลายกวนบ้างน้ำต้มผักดองบ้างอะไรเนี่ยของเอาแล้วให้จนต้องถามปัญหานี้กับพระพุทธเจ้าว่าตัวเองให้ของที่ไม่เลิอดของที่ไม่ประเสริฐเลยเนี่ย จะชื่อว่าเป็นการให้ด้วยให้ของที่ดีที่เลิศได้ไหมหรือไม่ดีอย่างไรเย่าเงี้ยพระเจ้าก็บอกว่าให้ตามสถานะจิตเราเนี่ยปรุงแต่งให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมให้ถูกการฉะนั้นก็ยังจัดว่าเป็นการให้ของที่ดีที่เลิศอยู่ดีให้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อ บางครั้งเราไม่มีแต่แม้ผู้มีศีลก็ยังจัดของดีๆเลิศเลยตอนนั้นเนี่ยขนาดเทวดาในบ้านเนี่ยเทวดานะตอนกลางคืนเนทวดาเอาจังหวะนั้นเพราะเทวดาเป็นวิชาทิฏฐิออกมาบอกกับบอกกับเลขาของเศรษฐีมาปรากฏกายเห็นบอกว่าโอ้บอกว่าให้หยุดให้ทานสถ า, านการณ์แย่แล้วเลขาของเศรษฐีก็บอกว่าท่านพูดอะไร ฉันไม่บอกแน่นอนแม้นนายเอาฉันไปเป็นลูกจ้างใครไปเป็นทาสใครเพื่อจะเอาเงินมาเจริญกุศลฉันยังยอมเลยเทวดาไม่ได้เรื่องก็เลยไปหาเศรษฐีเองเลยก็ไปปรากฏบอกว่าานลัทธีหยุดให้ทานได้แล้วลําบากกันทั้งบ้านแล้วเศรษฐีก็เอ๊ะใครเนี่ยเธอเป็นใครบอกเทวดาเธอพูดว่างไงนะบอกให้หยุดให้ทานได้แล้วเธอพูดว่างไงนะ ต่อไปนี้ให้หยุดแทะทานว่างั้นเอแกพะพุทธเจ้าเป็นต้นเลยเสถีก็ไล่เลยจงออกจากบ้านนี้ไปโอ้โหเทวดาลำบากเลยโดนไล่ออกจากบ้านแต่ทาคติของเราเนี่ยถ้าชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยถามว่าเราก้าไล่เทวดาออกจากบ้านไหมก้า <c oughs> <c oughs> ไม่ก้า <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เรากลับไปคิดว่าเทวดาเป็นเจ้าของบ้านแท้จริงใครเป็น เราเน่ยเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราเป็นใหญ่กว่าเทวดาเทวดาเป็นผู้อาศัยเราแต่ของเราเนี่ยไปไปม า, มาเราเป็นนึกว่าเทวดาเราไปอาศัยเทวดาซะนี่ปัญหาเป็นอย่างนี้เข้าใจอย่างเวลาจะไปโรงพยาบาลทีโอ้ยหน่าโรงพยาบาลก็จะมีนะพอพรมบงังเทวดาบังไปกราบไปไหว้กันใช่ไหมมันเป็นได้อย่างนี้นี่แท้จริง ในบ้านเรานั้นเขาให้ดูว่าเจ้าของฉนด ท, ที่ดินเนี่ยเป็นชื่อของใครใค ร, รนั้นถ้ามีเทวดามาวุ่นวายก็เอาฉนดมาบอกเขาฉันเป็นเจ้าของบ้านเข้าใจยังเขอให้พูดอย่างนั้นมันจะได้รู้ว่าอ๋อเราเป็นเจ้าของเราสามารถบอกเขาได้นั้นถ้าเขามาดื้อ ม, มาโวยวายมาเข้าสิงอะไรต่างก็บอกว่านี่จะอยู่ด้วยกันดีๆหรือว่าจะให้ ขับไล่ออกไปเขาก็จะเริ่มอึดอัดอูถ้าเขาทำท่าวายๆถามว่านี้ใครเป็นเจ้าของก็เอาเอาเฉาโหนไม่ได้มีตราคุดอยู่ใช่ั้ยนี่ไงตาประทับเขากลัวจริงอันนี้พูดจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะบางนีเราไปยอมเขาซะนี่ไปไปมาก็เลยกลายเป็นปัญหาเย็นทุกวันนี้โอ้ไม่รู้สรุปแล้วให้ทานด้วยความยำเกรงเข้าใจแล้วนะ เลือกของที่เหมาะสมแก่ผู้รับถ้าไม่ถ้าไม่เหมาะสมแปลว่าเราเนี่ยไม่เคารพเขาจะไปเคารพได้ยังไงไปทําให้ไขมันเขาเพิ่มขึ้นทําให้ไตเขาทางานแล้วกรณีการให้แบบนี้นะยกตัวยอย่างเช่นว่าไตตับปอดอาหารจะกินเข้าไปโอ้โหเขาต้องทํางานอย่างต้องต่อต้านนะเพื่อจะขับไอสิ่งเหล่านี้ออกคิดดูดิอย่าแปลกใจว่าเราพูดอะไรกับใครมีแต่คนต้านเราตลอดเลย พอเราให้แบบนี้นี่แหละมีแต่คนต้านเราคอยออไม่ฟังไม่ทําตามไม่คล้อยตามเลยพูดแล้วพูดอีกเขาก็ยังกระด้างกระเดืองกับเราตลอดเวลาใช่ไหมกับภรรยากับสามีแต่ก่อนคุยกันดีดีก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่ยังไม่แต่งงานกันเนี่ยเพราะแต่งงานเข้าไปแล้วโอ้โห ไอ้เราก็ให้ด้วยไม่เคารพภรรยาก็ให้ไม่เคารพเราต่างฝ่ายต่างก็ไม่เคารพกันเลยตอนนี้ยอยู่กันอย่างงั้นแหละอยู่รอวันสิ้นลม <laughs> <laughs> พอสิ้นลมดีก็โอดไปพัลนาพัลนาความรักในอดีตทําน้ําตาไหลหน่อย <laughs> ทําน้ําตาไหลหน่อยทําไมต้องทําน้ําตาไหลเ้วยอ๋อดีใจนลยเป็นอย่างนี้เลย ไ ม, ไม่ใช่นะทำน้ำตาไหลก็คือเสียใจนะั่นเสียใจว่าต่อไปเราไม่รู้จะบ่นใครดา่าใไม่มีคนบ่นเลยมันน่าเศร้าใจเหมือนกันใช่แต่ก่อนอยังมีคนบ่นคนด่าคนว่าเยอะต่อไปไม่ไม่มีใครแล้ว ใครรองรับอารมณ์เราไม่มีใครรองรับเลยถ้าคนนี้คนนี้สุดยอดรองรับเลาได้ทุกคนื่องบ่นยังไงก็ได้คิดอย่างนั้นไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยต้องเคารพ ก, กันใช่ไหมอย่างที่บอกให้ด้วยความยำเกรงเข้าใจแล้วเนะให้ของที่ประเสริฐนะระชนใดนะให้ของที่เลิศที่ประเสริฐแล้วก็ความเป็นผู้มีอายุยืนเกิดด้วยเดือเขาเรียกว่า ให้ของที่ดีของที่ประณีตของที่สะอาดของที่มีรถก็สมควรแก่ผู้ที่สมควรแก่ผู้รับเนยนะผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ที่มีศีลก็เป็นผู้ที่สมควรที่เราจะให้จะจะดูแลเนี่ยเขาเรียกว่าให้ด้วยความยำเกรงประการที่สามให้ด้วยมือของตนเองเวลาเราจะถวายทานจะอะไรทั้งหลายเนี่ย เหมือนกันเหมือนกันเ็เห็นไหมเราไม่ชอบไปให้หรอกข้อนี้หมายความว่าเวลาเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีมือเรามีเท้าเรามีอวัยวะบริบูรณ์เราจึงควรทำทานได้มือของตนเองไม่ควรใช้ผู้อื่นแทนอยู่เสมอเสมอไม่ควรถ้าจะใช้ก็ต้องเป็นบางครั้งบางคราวที่มันจะเป็นนอกนั้นแล้วควรทำได้ตนเองเพราะอะไร นอกจากทาให้เกิดเจตนาที่เป็นบุญในขณะทำแล้วเนี่ยในสังสารวัตในวัฏสงสารเนี่ยเราเคยเกิดมาเนี่ยเราเป็นคนมือขาดมือด้วนมาเยอะที่เราไม่ได้มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสหยิบด้มือตนเองมาในสังสารวัตบางครั้งไปเกิดเป็นหนูเป็นแมวเป็นตุกยิงจอกตุกแกไม่ได้ให้ทานที่ไหนแล้วโอกาสเป็นมนุษย์น่มันน้อย ฉะนั้นมีอวัยวะครบบริบูรณ์คนเร่งขนขวายด้วยมือด้วยเท้าด้วย อ, อวัยวะตนเองเขาใหญ่ยังไม่ใช่สักแต่ให้คนอื่นทาแดนทาแทนตลอดเงี้ยเขาคิดแบบนี้บางทีก็นั่งอยู่นั่นแหละยั ง, ท, งทั้งทั้งที่เดินได้อลไรได้กับไม่เร่งขวนขวายจริงไหม ท, ทําทีทําท่าเหมือนตอนเองเนี่ยได้ทําทุกวันเนี่ยตรงนี้ยเขาให้เร่งขนขวายด้วยมือของตอนเองก็จะครได้วยมือของตอนเอง พอเอาไปเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนเหมือนเ น, นียไม่เหมือนคนหนึ่งลุกขึ้นไปหยิบขอคนหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกเหมือนกันเหมือนไหม <c ười> ไม่เหมือนเลยฉะนั้นต้องวขวนขวายไหม <c ười> ต้องขวนขวายเรามีมือเท้าเราไปทำอย่างอื่นมาเยอะแล้วเนี่ยไอ้ระหว่างหยิบให้หยิบของให้คนอื่นน้อยมากมันจะเอาตะเพิ่ติสิใช่ไหมล่ะ <c ười> <c ười> นั้นก็พอพิจารณาให้ชัดประการที่สามหอประการที่สี่ให้ด้วยการไม่ทิ้งคว้างให้โดยไม่ทิ้งคว้างแปลว่าอะไรบางคนให้แบบทิ้งทิงว้างๆให้ยังไงให้แบบไม่ทิ้งคว้างหมายความว่าให้แบบทิ้งคว้างกับให้แบบไม่ทิ้งคว้างให้แบบไม่ทิ้งคว้างก็แปลว่าการให้เสมอ บางค้นเนี่ยวันนี้ให้แล้วหยุดไปเจ็ดวันนี่เขาเรียกทิ้งคว้างเวลาดได้อะไรมันได้ไม่สม่ําเสมอนะพวกนี้ยอย่าแปลกใจว่าในกระแสะชีวิตเราเนี่ยระหว่างสมหวังกับผิดหวังบางครั้งเนี่ยมันได้โอ้โหทํากิจการอะไรทั้งหลายมันได้มาเป็นพักๆแล้วก็หายวับไปเพราะเราให้ทานแบบไหนแบบทิ้งควา้างเข้าใจยัง มันทําไมไม่ได้ติดต่อผลกําไรก็ดีผลของการเราทําธุรกิจขายของเลยช่วงนี้กําไรมากช่วงนี้กําไรน้อยมันขึ้นลงอยู่งั้นแหละเพราะเราให้ทานแบบทิ้งควา้างถ้าเราให้แบบไม่ทิ้งควา้างโอ้โหมันจะขึ้นเชเขาใหญ่ะฮงไม่ไม่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีนะพ่อเพราะเราเป็นคนให้ตลอดให้เสมอให้แบบไม่ทิ้งควา้างบางคนทิ้งนานมาก ให้เว็บหนึ่งทิ้งไปเดือนหนึ่งกว่าจะได้คัใช่มาเป็นไม่เป็นไปฝึกใหม่ให้กับพ่อแม่ก็ถือว่าให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าถือว่าไม่ให้ต้องให้แต่เรามักจะไม่เข้าใจว่าให้อย่างที่พูดมานี่หละใช่ไหมทั้งๆที่เราไปนั่นนะโอ๊ยทาเบื่อเหลือเกินลึกๆนั่นบางคนไปดูแลแม่ป่วยหนักกับกายเครียดต้องไปหาหมอ ถามเป็นไรเครียดอยู่กับแม่เออแปลกไปดูแลแม่ดันไปเครียดซะเองแท้จริงน่าจะชื่นใจใช่ไหมดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลสามีดูแลภรรยาเนี่ยน่าจะชื่นใจจริงไหมจริงได้ไปเครียดซะอีกแปลกมากเลยบอกโอ้โหไม่เครียดได้ไงผมอุ้มลุกอุ้มนั่งอยู่ในวันนี้น่าจะชื่นใจเดี๋ยววันที่แปดฉันไปจัดกิจกรรม อันนี้แทรกฉันเอาคนแก่มาสองร้อยคนคนแก่นะแก่แบบเดินไม่ได้สามสิบคนประมาณฉันก็สั่งเตียงเลิกไม่ใช่เก้าอี้เก้าอี้คนรถเข็นคนไข้ฉันก็สั่งไปสามสิบตัวเอาไปแจกคนที่เดินไม่ได้แล้วฉันจะไปบรรยายการดูแลพ่อแม่อย่างไรถึงจะได้บุญ มากที่สุดอฮะเพชรบูรณ์ที่บ้านนี่นี่ทั้งก็จัดทอดเตรียมนี้ยเตรียมสั่งรถเข็นลงไปเตรียมอะไรลงไปแล้วเอาคนแก่มาหนึ่งวันเต็มๆให้มารักษาศีลแล้วเลี้ยงอาหาร แล้วฉันจะเทศอบอบรมคนดูแลคนแก่ด้วยแล้วก็คนแก่ให้คนแก่มานั่งแกก็าอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรถ้านั่งไม่ไหวก็ให้นอนฟังค <c oughs> <c oughs> อบคนแก่มีความสุขเลย <c oughs> แล้วก็เอาคนดูแลมาแล้วก็อธิบายวิธีการดูแลพ่อแม่อย่างไรจะมาจะได้ได้บุญไงจะได้ดูแลเป็นไงจะมาแล้วออปฏิบัติยังไง เพราะการดูแลบางคนเครียดไงดูแลกับคนคนแก่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปให้วิธีคิดเลี้ยงอาหารเจ็ดแจกของแจกลายซื้อเสื้อผ้าให้ทำวิธีอาบน้ำให้ <c oughs> แล้วก็ส่งกลับบ้านวันก่อนไปเจอพระพระท่านป่วย เป็นอำมาตซิ่งฉันก็ไปเยี่ยมท่านเป็นพระเถระก็ไปเห็นท่านโอ้มีเตียงเก่าๆไปยืมโรงพยาบาลไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็รถเข็นก็เป็นรถเข็นเก่าๆฉันบอกโอ้ยบุญของฉันเลยเกินฉันบอกเออเนีนฉันจองนะเดี๋ยวจะหารถเข็นแบบดีๆให้แบบระบบไฟฟ้า บว่าท่านนอนอยู่กับพื้นติดเตียงอยู่มันเครียดเนอะมนุษย์เราเนี่ยก็ <c oughs> ท่านจะได้วิ่งออกมาลานวัดเย็นๆเช้าๆกดสวิทช์วิ่งปุ๊บท่านว่าชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้ยี่ส้ากิโลโวิ่งไปเลย <c oughs> วิ่งเลแล้วก็มีใช้เตียงไฟฟ้าไปสั่งจิเตียงไฟฟ้ามาถวายท่านตนอะนนี้ท่านไปรักษาตัวอยู่ที่ อยู่ที่ทางทางอุดอรทางนนน้องขายก็เลโทรบอกท่านท่านบอกว่าขอบคุณมากเห็นท่านน้ำตาซึมไปเยี่ยมคนเราในขณะเป็นพระเนี่ยทุกเลยนะเวลาความทุกข์มันนอนติดเตียงมันเย่า ว, ว่าแต่พระยมก็มันทุกข์เหมือนกันนะยมนะสอนคนอื่นมากๆนั่งร้องไห้ซะแล้วตัวนี้เออเนียเป็นนี้มัน มันทําอะไรไม่ได้สมองก็ถูกทําลายไปเพราะเส้เนโลหิตในสมองแตกไึมันก็เริ่มคิดอะไรไม่ค่อยออกจะพูดก็พูดยากเนี่ยก็เลยมานั่งนึกว่าเออเนี่ยว่าถามว่าเออเราให้เตียงรถเข็นพวกนี้ยเป็นอะไรเนี่ยก็เยเป็นยานาทานนฮะ <c oughs> ปกติท่านไม่สามารถจะไปอีกจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งได้ แต่พอเราให้รถเข็นทําให้ท่านไปตามความปรารถนาที่ต้องการได้นี่คเครื่องยานาทานเราที่ไม่สามารถดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิเวตาเข้าถึงกิเลสและกองทุกได้ก็เพราะเราไม่มียานใช่ไหมไม่มียานคือปัญญานี่แหละที่เราให้ยานาทานเหล่านี้เพื่อเป็นปัจจัยต่อยานคือปัญญาจะได้นําพาชีวิตให้เดินถูกร่องรอยไปถึงนิพพุตก่นิพพานเสียทีฉันคิดอย่างนี้ฉันถึงให้ยานาทานเขาใหญ่ <c oughs> ยัยง เขาเรียกว่ารู้เหตุและผลรู้จุดหมายรู้ผลก่อนแล้วจึงให้ฉันเลือกที่จะทํานี่ไหมเลือกของที่เหมาะแก่ผู้รับและเลือกผู้รับที่มีศีลตรงหลักที่พุทิยาบอกไหมพอตรงหลักอย่างนี้ฉันฉันมั่นใจไหมว่าสักวันหนึ่งฉันต้องพ้นทุกแน่นอนฉันต้องมั่นใจตัวเองเพราะฉันสร้างเหตุถูกไหมฉันรู้ว่าจะทําเหตุแบบไหน เวลาฉันจะให้ข้อมูลธรรมะฉันรู้นี่พวกเราเนี่ยยังไม่รู้จากการให้ทานฉันก็มาพูดเรื่องนี้แหละใช่ไหมเพื่อต้องการให้พวกเราได้ได้เดินทางกุศลที่ถูกต้องให้ทานที่ถูกต้องเมื่อเราให้ทานที่ถูกต้องเดินทางกุศลที่ถูกต้องมาเลยแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้ฉันก็เลยมาให้ข้อมูลในการว่าเออให้แบบให้ด้ยวยความเคารพเป็นยังไงให้ด้ยวยความยำเกรงเป็นยังไง ให้ในมือของตนเองเป็นยังไงให้โดยไม่ทิ้งควางา้างเข้าจะยางได้มากเราทิ้งคว่างนานไหมให้ครั้งหนึ่งแล้วหยุดไปกี่วันบางคนหยุดอาทิตย์หนึ่งจริงๆแล้วเราให้ทุกวันไหมควรให้ทุกวันหรือไม่ควรลําบากไหมถ้าเราจะให้ทุกวันลําบากไหมไม่ลําบากเลยใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดก็คือ ยังกับพ่อแม่มีอยู่เราก็ต้องให้ใช่ไหมพ่อแม่ปู่ตายายยายทั้งหลายเป็นต้นตลอดถึงให้กับพระสงฆ์ยังไงต้องให้ทุกวันเอาถ้าบางคนไม่มีเวลาแ ม, ม้กระทั้งไปใส่บาทเลยล้วก็สามารถที่จะตั้งเป็นกระปุกของเราไว้ได้จริงไหมก็ตื่นขึ้นมาก็ห้าสิบบาทแล้วก็ให้ได้แลยร้อยบาทยังได้เลยใช่มก็ตั้งใจวันนี้ให้แล้ะเนี่ยเราจะไป ไต่กองทุนอะไรจะเจริญกุศลที่ไหนปุ๊บอย่างน้อยที่สุดเราได้ให้แล้วตื่นขึ้นมาใช่ไหมถือคติว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าบุคคลใดรู้ผลของทานกุศลอย่างที่ตถาคตรู้บุคคลนั้นที่จะไม่ให้ก่อนแล้วบริโภคที่หลังเป็นไม่มียิ่งใหญ่ไหมทานกุศลยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่หญสัมมาสัมพุทธิยานก็มาจากทานกุลบา ร, รมีนี่แหละเป็นต้นนี่แหละ การสลาด ก, กิเลสเป็นทานบารมีไหมเป็นนี่แหละมันสลาดนอกไม่พอให้สลาดไหนก็คือกิเลสใช่ไหมล่ ะ, ละการสลากขันให้กับพยามารเนี่ยเป็นทานบารมีไหมล่ะการสลากขันเพื่อได้อนุ ป, ปาธาปริญพานที่กุศินาราอันนั้นก็ทานนั่นแหละฉะนั้นทานเนี่ยยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากสลากกิเลสสลากขันห้าตั้งหลายเป็นทานทั้งนั้นรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าทานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องชีวิตมันต้องสลาด ใช่ไหมโลภะเนี่ต้องสละทิ้งโทสะต้องสละทิ้งโมหะต้องสละทิ้งไอความเห็นแก่ตัวทั้งหลายอกิเลสทุกหมู่เหล่าต้องสละนั่นแหละทานทั้งนั้นเรียกจาคะสละกิเลสที่เป็นข่าศึกทั้งหลายทิ้งให้หมดใช่ไหมมันจะได้อยู่อย่างเป็นอิสระเสรีภาพโดยไม่ต้องขึ้นตรงต่อกิเลสเนี่ยมนุษย์สามารถทําได้มนุษย์มีศักยภาพที่จะทําได้อย่างนี้นะแต่เรากับเชยชาแล้วก็ไปประมาท นัเข้านัเข้าปล่อยความแก่มาครอบงำนักเข้านักเข้าไปไม่เป็นเลยเพราะแก่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ไหรือจ๊ะตอนหนุ่มสาวตอนมีพระกําลังสติปัญญาดีๆไม่เล่นขวนขวายพอตอนแก่ๆ แ, แต่นี้ลําบากเลยแต่นี้เขาใจไม่ยอมนะทันไหมเนี่ยยังทันทันไหมลาธ่าพามรรลูตอนแปดสิบมนอในตอนนี้เราถึงแปดสืบปียังยังงี่พอทันไหม เออนี่พูดให้มีกำลังใจลาทาพามแปดสิบไว้เฮ้ยเรามีเวลาเหลือยอมเท่าไรแล้วโอ้โหไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยทันไหมเนี่ยเย้มีใครเป็นลูกแปดสิบหกต้องคิดก่อนอ๋อเนี่ยเอ่อพากุลาเนี่ยบวชตอนอายุแปดสิบ มีอายุอยู่ร้อยร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบปีบวชอยู่ได้อีกแปดสิบปีเอินนบรรลุตอนแก่เป็นกันอยู่พอมีกำลังใจไหมเนี่ยไม่ยังมีกำลังใจนี่พวกเด็คนแก่สบายใจเออเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพียนมากๆหน่อยเอาข้อที่ห้าเห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้ เวลาจะให้ทานเนี่ยต้องเห็นผลก่อนจะสร้างบ้านจะสร้างที่ปฏิบัติตรงเนี้ยต้องเห็นผลก่อนน้อยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องเห็นก่อนไม่ถึงค่อยสร้างแม้จะเดินทางจะทำไรทนานาทำการค้าทำอะไรทุกชนิดต้องเห็นผลก่อนกำหนดจุดหมายได้ก่าจึงถ้ายทําใช่ไหมล่ะแม้ฉันใด แต่พวกเราเสียตรงที่ว่ากำหนดทานนะเจตนาลงให้กับหมู่สงฆ์ก็ดีหรือหมู่บุคคลที่ควรรับทานก็ดีเนี่ยเราไม่เห็นผลไม่เห็นผลแล้วเราให้อันนี้ขัดหลักพุทธพจน์ขัดหลักคาสอนพระพุทธเจ้าเลยเนะก็หมายความว่าให้เพราะเชื่อว่าทานมีจริงไหมมีจริงไหมผลของทานมีจริงไหม ทานทำให้เกิดในสวรรค์ได้จริงเป็นต้นแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มั่งคัง่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินและเชื่อว่าทานเนี่ยเป็นการขัดเกลาวความตนีเป็นบันไดนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้ศาสตรบุรุษทั้งหลายเชื่ออย่างนี้แล้วจึงให้ทานใช่ไหมก็คือต้องทำทิฏฐิสัมปทายีเข้าใจคาว่าทิฏฐิสัมปทาไหมทิฏฐิสัมปทาปรับทิฏฐิ หรือความเห็นให้ถึงพร้อมทุกด้านอติทินังนัติทินังอติทิ น, นังเชื่อว่าทานเน่มีความเห็นว่าการให้ทานมีผลถ้านัตติทิ น, นังเชื่อว่าการให้ทานไม่มีผลการปรับทิฏฐิว่าการให้ทานมีผลหรือไม่มีผลมีไหมมีใช่ไมย ถ้าเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลเป็นสำ ม, มาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดหรืเห็นถูกการให้ทานมีผลจริงๆแต่จะผลระดับไหนก็ว่ากันอีกทีนะถ้าเราสามารถเช่นฉันท้าทานังการให้ทานแบบลำเอียงพละมีผลไหมมีมีผล โทรสาทานนางให้ทานเพราะละเมียงเพราะโกรธเคยไหมเคยให้ทานได้เรารักคนนี้มากให้คนนี้มากเป็นไหมโกรธคนนี้เราก็ให้ทั้งๆที่โกรธก็ให้เคยเป็นไหมให้ใบบ่นไปด่าไป <c oughs> เป็นไหม <c oughs> โมหาทานนางให้แบบไม่พิจารณาแยกแยะอะไรเลยนะ <c oughs> เขาให้ก็ให้ไปไม่ได้คิดอะไรมากเห็น <c oughs> ขอทานน่งอยู่อ้าวไปไม่คิดอะไรเยอะอ <c oughs> เป็นไหมแบบนี้ยบ่อยไหม นี่เขาต้องมองหาทานนาง<ม>ให้เพราะกลัวล่ะเคยเป็นไห ม, มกลัวเขาจะเสียใจเลยให้กลัวว่าจะโอ้โหตายแล้วเราที่แรกเราอยากจะให้สักสิบบาทแต่เขาจะเอาชื่อไปประกาศน่าเกียิกลัว <c oughs> <c oughs> อายก็ <c oughs> อยากกันนั้นเลยเอาสองร้อยเขแล้วกันทั้จริงไม่อยากจะให้ถึงสองร้อยเนี่ยเ <Okay. S 1> พราะเขาเล่นประกาศดังเหลือเกินเนี่ยเคยไหมกลัวแบบนี้เคยหมเคยจะมา บางทีบางคือที่เราเป็นหัวหน้าเขาสมมติไอ้ลูกน้องดันให้ตั้งห้าร้อยเอ้ยบ้าเน้คบ้าโหนบ้าแทแท้ไอ้เราจะให้แค่สองร้อยแค่นั้นเองหัวหน้าเกลียดมากเลยต้องจำใจเอ้าให้เท่ากันกันแล้วโหบ้าแท้เคยเป็นเหมั้นกลัวเนี่ก็าเรียกพยะทานังให้เพราะกลัว เคยเคยกันทางนั้นนี่กูลังสถานนางให้ตามประเพณีกัมไหมพ่อแม่ปูต่ตายายายให้มาช่วงเชงเม่งเอย้ยกรุดเอย้ยสมการเอ้ยก็ต้องมีการแจกอะไรกันก็ไม่รู้ไม่ให้ก็ไม่ได้โอ้บางทีปีนี้โจนโจนนี่นละไม่ให้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเอาอีกแล้วสมการมาแล้วอย่างนั้นก็โอ้นี่หลานมาหา ม, มากินเยอะไว้งานนี้ ตทำท่ารวยสักวันนึงเพอเขกลับไปโอ้โหได้หน้ามานิดนึงนองนั้นมานั่งเศร้าโอ้โหตายต้องลำบากเยอะเลยเนี่ยเดือนนี้หมดเยอะใช่ไหมเป็นไหมเนี่ยกรวงให้ตามประเพณีสักขสาทานังให้หวังสุขติโลกสวรรค์คิดว่าให้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆก็เลยให้เคยคิดแบบนี้มะ สมณะทานนางให้แล้วมันสบายใจในหลักการการให้ทั้งหมดเหล่าเนี้ยมันมีผลหมดนะเหมือนกับการที่บอกว่าให้ทานหวังผลของทานให้ทานเห็นว่าทานเป็นความดีให้ทานตามประเพณีพ่อแม่ปู่ตาย า, ยายายให้มาให้ทานเห็นว่าพระสง์ สมณะทั้งหลายหุงกินเองไม่ได้เราหุงกินเองได้ไม่ให้ไม่ควรแก่เราหรือให้ทานเพื่อจำแนกแจกแจงเหมือนกันกับฤๅษีในปรางก่อนให้ให้ครบปริบูรในตลอดถึงให้ด้วยใจมันสบายใจสุขสมนั้นมีผลหมดคือมีความเห็นเนี่ยปรับทัศนคติให้เข้าใจเห็นผลในอนาคตแบบนี้เห็นผลว่าให้ทานแบบนี้จะได้เกิดในชั้นญาติมหาอิการนะ ให้ทานแบบหวังผลของทานเนี่ยไปในชั้นจาตุมสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกให้ทานแบบเห็นว่าเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลไปเกิดในชั้นชั้นในจาตุมหะตาวติงสาให้ทานตามประเพณีปูตายา ย, ายายไปเกิดในชั้นยามาให้ทานเห็นว่าท่านหุงกินเองไม่ได้เราหุงกินเองได้ให้เดาคิดแบบเนี้ยไปเกิดในชั้นดุสิตไง ให้ทานแบบเออมหาฤษีในในฤษีในปางก่อนที่เขาให้ให้เป็นระบบมหาทานจะไปเกิดในชั้นนิมมารดลดีถ้าให้ทานแล้วจิตสมานะชื่นใจสุขใจแต่ละครั้งที่ให้จะไปเกิดในปรณิมมิสวสดีเห็นไหมนี่เห็นปรับทิฏฐิความเห็นไห้ถึงพร้อมไม่เข้าใจเหตุและผลแบบนี้ถ้าให้ทานแบบจิตตะลังกาลาทานังประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตไปสู่ศีลสมาธิปัญญาให้ทานในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นการขัดเกลาเกิเลด เป็นไปเพื่อนิพพานถ้าอย่างนี้จะไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกลักษณะอย่างนี้ก็แล้วก็เห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้ระหวังผลแบบไหนก็ให้แบบนั้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยสังเกต ด, ดูนะเราให้ตามความรู้สึกตามความเชื่อไม่ได้ให้แบบมีกระบวนการของพระพุทธเจ้าอคอยบอก ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่ปรึกษาไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแต่ตอนนี้เราฟังว่าทำนี้แล้วใช่ไหมเรามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ให้เป็นแบบไหนที่เรียกว่าให้ที่บอกว่าให้ด้วยความเคารพเข้าใจแล้วนะให้เต็มใจอย่างให้ด้วยความยำเกรงให้ดนมือองตนเองให้โดยไม่ทิ้งควางหเห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้ พอชัดเจนี่อย่างตอนนี้ทีนี้ประการต่อมาล่ให้ด้วยศรัทธาอีกสูตรหนึ่งนะให้ด้วยศรัทธากับให้ด้วยไม่ศรัทธาต่างกันยังไงตาต่างยังไงให้ด้วยศรัทธารู้จักคำว่าศรัทธาไหมศรัทธานี่เป็นเป็นนามธรรมนะเวลาเกิดขึ้นในใจแล้วเป็นยังไงเบิกบานผ่องใส ศรัทธาเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนอั ญ, ญมณีเหมือนแก้วมณีไอ้ตัวแก้วมณีเนี่ยของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันจะใสมีแสงสว่างเจิดจ้ามากเวลาจุ่มลงไปในน้ําที่มีฝุ่นละอองที่มีจอกแหนทั้งหลายจะมันจะขัดจัดฝุ่นละอองอันดับทานไปกลายเป็นน้ําที่ใสทันทีเลยเออถ้าโบราณเนี่ยก็จะมีน้ำเวลาน้ําขุนเขาจะใช้สารส้มเอากปแกว่ง ถ้าพักหนึ่งก็ใสอันนี้แก้วมนันีเนี่ยมันยิ่งกว่าสารส้มนะพอใส่ปุ๊บน้ําจะกลายเป็นน้ําใสแจ๋วเลยใจของพวกเราตอนนี้มันขุนหรือมันใส น, นั่นขุนอยู่ขุนเพราะอะไรกิเลสเนี่ยเพราะความกําหนัดความยินดีเพื่อเถิดเพื่นมากุ้งรุมความขัดเคืองความโหดทูท้อถอยเป็นไหม <S <S เซ ง, งเนี่ยเคยเซงไหมเซงไอเซงเนี่ยเขาเรียกถีน้ำพิทานเนี่ยเป็นไหมยอมเคยเซงไหม ได้มากเซ็งตอนไหนเห็นหน้าแฟนแล้วเซ็งเป็นไหมตอนไม่มีเงินอ๋อตอนไม่มีเงินแล้ว <c oughs> เซ็งพ <c oughs> อมีเงินแล้วไม่เซ็งนะไม่เซ็ง <c oughs> เลย <c oughs> อ๋อเป็นเงินนะ <c oughs> สุขอยู่ที่เงินนี่เองนะ <c oughs> แล้วไปตั้งความรู้สึกแบบนั้นเองมั้ง <c oughs> ตอนนี้ถามว่าจริงทําไมทําไมมนุษย์เราจรึง หนูเป็นไหมเวลามีเงินแล้วมีความสุขไม่มีเงินแล้วทุกทั้งวันนิดนึงใช่ไหมเงินกับความสุขเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันฮะมันโค้งกันเลยจริงอเอเอน่าสนใจเลยทำไมคิดอย่างนั้นได้เอ๊ะถ้า้าไม่มีตงัง้าก็นั่งกุ้มทุกวันนี้ทนี้ยันไม่เห็นมีจะสักบาทเลยจะไม่เห็นทุกข์กเขาเลยออเพราะอะไรอ๋ ผ้าไม่ต้องใช้เสื้อผ้าเนี่ยต้องซื้อไหมไม่ต้องซื้ออ๋อแล้วทำไมไม่บวชล่ะก็สบายนี่ใช่ไหมก็ไม่เห็นมีใครห้ามนี่ก็มาบวชกันให้หมดเลมันจะได้สุขใช่ไหม จริงๆคืออย่างนี้เงินกับความสุขมันคนละตัวกันเงินมันอยู่นอกตัวมันไม่เงินมันไม่ใช่ความสุขหรอกมันจะไปสุขทุกขได้ยังไงเงินเนี่ยมันก็คือปัจจัยใช่ไหมมันก็คือสมมุติขึ้นมาแค่นั้นเองสมเงินเนี่ยบ้านเนี่ยมันสุขทุกได้ที่ไหนที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหอมยาเนี่ยเขาเรียกเป็นปัจจัยที่มันจะเอื้อให้มนุษย์เนี่ยสุขหรือทุก แต่ความสุขและความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของใจที่มันมีความเข้าใจดีหรือไม่ดีตรงนี้ต่างหากถ้าเราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปอิงไว้ใช่ไหมไปอิงไว้กับอะไรนี้เราไปอิงไว้กับเงินนี่ใช่ไหมงานคือเงินเงินคืองานบรันรดาลสุขสุขเงยยุ่งไหนะแบบนี้นะฉันทำงานจะต้องได้เงินไง เมื่อฉันได้เงินแล้วฉันจึงจะงมีความสุขเนี่ยไปคิดเนี่ยยุ่งแล้วแปลว่าเวลาจะสุขกันแต่ละครั้งต้องเอาอะไรเป็นตัวผ่านเนี่ยเอาเงินยุ่งเลยเวลาหนูทํางานเนี่ยหนูทํางานกี่วันถึงจะได้เงินถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยโอ้โหทํางานสามสิบวันนะวันที่สามสิบเอ็ดจะให้เขาจ่ายเงินเดือนหรือวันที่หนึ่งวันที่เท่าไหร่เขาจ่ายก่อนใช่ไหม เนี่ยวันที่สามสิบยี่บเจ็ดยี่แปดแล้วก็แล้วแต่เขาจ่ายเงินสมมุตินะแล้วก่อนหน้านั้นล่ะเรายังสุกไม่ได้แล้วเพราะยังไม่มีเงินมาโอ้โหมันทกมาตลอดนั่นเนี่ยทุกทุกทกมาตลอดยี่สิบห้าวันพอวันที่ยี่สิบหกยี่บเจ็ดยี่สิบแปดโอได้สุกหมายวันพอเงินมาผ่านวับสุเกเลยแวบนหนึ่งทุกต่อโอ้โหมันนี้ชีวิตเราอยู่อย่างนี้เลย เพราะไม่ได้เงินมันเลยสุขไม่ได้ไงทำไมชีวิตมันติดตันขนาดนั้นลหละทำไมช่องความสุขมันแคบจังเจ๊ไหมล่ะเราอย่างอื่นได้ไหมเราบอกว่าทำงานก็เชื่อมประสานกับความสุขเลยทันทีได้ไหมคือในขณะที่ทำงานมันสองส่วนใช่ไหมมนุษย์เรามันมีสองเรื่องหนึ่งทำกิจสองทำกิจในขณะที่ทำกิจ เอาทำกิตแต่ถ้าไม่ได้ทําจิตไม่ได้ฝึ ก, กจิตยุ่งนะเนี่ยมันได้แต่จิตเองไงนะ ย, ยุ่งแล้ววันหนึงไงกวาดบ้านถูบ้านหุงข้าวซักผ้าไปตลาดทําขนมขายทําอาหารโอ้โอมันทำแต่กิตอยู่นั่นแหละแล้วความสุขมันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันขับเน้นไปที่ทํากิตแต่จิตมันไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำํำฉะนั้นทํากิตมันต้องเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อาการทําจิต ทำจิตก็ต้องเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการทํากิตใช่ไหมงานงานไม่ได้ผลคนเป็นทุกข์นี่เสียสองไหมงานไม่ได้ผลคนเป็นสุขเออได้หนึ่งเสียหนึ่งหรืองานได้ผลคนเป็นทุกข์ได้หนึ่งเสียหนึ่งถ้างานได้ผลคนเป็นสุขสิ่งที่ควรเป็นก็คืองานก็ได้ผลคนก็ต้องเป็นสุขใช่ไหมไอ้คนเป็นสุขก็คือทําจิตได้ดี ฝึกจิตได้ดีแล้วสุขเนี่ยมันมาจากความรู้ความเข้าใจนี่เงินมันอยู่นอกตัวทำไมให้มีอิทธิพลกับเราขนาดนั้นใช่ไหมลราก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้จักเงินเด็กเด็กเกิดมาไม่เห็นมีเงินก็หัวเลาะชื่นใจพอต่อมามาให้ข้อมูลไอเด็กคนเนี้ <c oughs> มี่เงินนะลูกนะเงินนะนนะลูกนะ <c oughs> เวลาเวลาจะให้รางวัลอะไรเขาก็ไอเนี้ยเอาไปให้เขาเนี้ย เออเราไปหลอกเราไปให้เขาข้อมูลเขาแบบนี้เด็กคนนี้กันมันมึนมาตั้งแต่เด็กอ๋อมันต้องสุขได้ตรงไหได้ยังได้เงินนี้เองวะเ <c oughs> หรอมาแล้วก็ยังหลอกเขาต่อนะขยันเรียนนะลูกนะ<ม>เรียนจบแล้วจะมีความสุขว่างั้นหลอกเขานะี่ <c oughs> เดี๋ยวจบป .6 <c oughs> จะมีความสุขลโลกหูมันเรียนใหญ่เดี๋ยวจบม .6 จะมีความสุขเพรามันเรียนใหญ่เดี๋ยวจบปริญญาตรีจะมีความสุข จบกฎหมายที่ลูกจะมีความสุขเรียนเน้นะลูกนะจะจบความสุขสอบอัยการลูกสอบพูยภาษาจะมีความสุขโอยแบกหนะังสือนะเข้าใส่แว่นหนาเติมจะมีความสุขแม่สั่งไว้แม่สั่งไว้ว่าจะมีความสุขหาไม่เจอที่ใช่วิ่งเอกสารหอบเอกสารวิ่งขึ้นวิ่งลง โอ้โหคดีความหนึ่งกองประเด็นติมอ่านบวกอ่านไม่ทันในจังหวัดหนึ่งมีอายการอยู่แค่คนสองคนคดีความเป็นร้อยร้อยคดยีอ่านไหวไหั้มไม่ไหวความสุข <laughs> เออเดเป็นอย่างจริง แต่งงานได้ลูกจะได้มีความสุขเอาแล้วแต่แต่งใช่ไหมพอแต่งงานเดี๋ยวมีลูกก็จะมีความสุขเอาต่อแล้วแต่นี้เดี๋ยวลูกเข้าโรงเรียนลูกเรียนจบจะมีความสุขโอ้โหเอาใหญ่แล้วมันก็สืบทอดกันมาแบบือนวัดตาจักหลอกลวงเออไปเขาไปวัดตาวัดตาจักเห็นความทุกข์จริงๆนะเออเป็นวัดตาจักที่บอกกันมาแบบเนี้ย แล้วใหม่ไหมได้ไหมให้มันสุขทุกขั้นตอนได้ไหมคือในขณะที่ดําเนินกิจกรรมของชีวิตก็ให้มีความสุขไปเลยได้ไม่ได้อได้ไหมทํากิจไปด้วยแล้วก็ทกําจิตไปด้วยแล้วให้มีความสุขกับการกระทํานั้นไปด้วยได้ไหมทํำยังไงจะสุขได้ยังไงเนี่ยบอกไม่ฟังเหรอ บอกว่าโรคถูบ้านหน่อยดิเดียวกันแม่ลูกมารับหน่อยเดี๋ยวกันแม่แม่มาเองก็แล้วกันว่าเขาก็ต้องจอใจสุขเลยตกลงจะสุขยังไงอ่ะฮะปล่อยวางยังอย่างไรเรียกก็ปล่อยวาง ฮะต้องระวังนะคําว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเนี่ยบางทีอันตรายมากเช่นความโลภจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดความโกรธจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดความหลงจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดกายทุจริญจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดวัจจทุจริญจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดมโนทุจริญจะเกิดก็ปล่อยมันเกิด บ้านไปจะไหม้ก็ปล่อยมันไหม้ไปนั่งดูดีไหมมันต้องระวังมนกันนะไอ้ความคิดแบบเนี้ยเอย้ชอบสอนกันนะเดี๋ยวนี้เนาะเออต้องฉันก็ไปนั่งฟังพระรูปหนึ่งท่านพูดอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดจะเฮ้ยเฮยเยยังไงใช่ไหมมีจริงนะหรือพระท่านอาจจะหมายเรื่ององื่นก็ได้ฉันฟังเอยไม่ไวเเรื่องเราเองนะเออความโลภจะเกิดเ้าห้ามให้รีบละความโลภจะเกิดนี่นะให้รีบล่าในยมเนะ่ อย่าปล่อยให้มันเกิดต้องรีบสกัดความหลงความโกรธทั้งหลายเวลาเ ว, วลาจะโกรธเนี่ยต้องรีบสกัดเป็นไหมหรือปล่อยมันลุกลามไปเลยเขาบอกว่าเวลาจะขึ้นเขาก็ให้ค่อยๆขึ้นชา้าๆเนี่ยจริงไหม <S <s เวลาจะเวลาจะโกรธ ให้ค่อยๆโกรธอย่าไปพูดขึ้นไว้เดี๋ยวความดันขึ้นค่อยๆโกรธทีละนิดทะนิดทําได้ไหมพิจารณาค่อยๆโกรธค่อยๆโกรธได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเลยมันผิดหลักเลงหลักจริงๆก็ให้ค่อยๆโกรธพอไปพิจารณาเหตุผลว่ายกอย่างนะเหมือนว่าจะโกรธเราโกรธอะไรเขา ให้คิดอย่างนี้แล้วโกรธตาเขาใช่ไหมโกรธหูเขาใช่ไหมโกรธจมูกเขาใช่ไหมหรือโกรธผมโกรธเล็บโกรธฟันโกรธหนังโกรธเอ็นโกรธกระดูกโกรธเยื่อในกระดูกโกรธไตโกรธหัวใจโกรธตับโกรธปลอกก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้มันโกรธตรงไหนก็พิจารณาแยกๆอย่างนี้ค่อยๆโกรธรงไปอ๋อโกรธพฤติกรรมทางกายเขาหรือพฤติกรรมทางวาจาไอ้ที่เราไม่ชอบเขาคือตรงไหน พฤติกรรมทางกายใช่ไหมพฤติกรรมทางกายที่เขาเขาทําหน้าตาไม่ดีกับเราใช่ไหมเออแล้วกับคนอื่นเขาทาไมทําหน้าตาดีอ๋อมันเป็นบางช่วงของชีวิตใช่ไหมหรือโกดวาจาของเขาเขาพูดไม่เพราะใช่ไหมเออทาไมวางกบางคราวเขาพูดเพราะก็มีให้แยกแยะ แ, แบบเนี้ยมันจะค่อยๆค่อยๆโกรธแล้วน่าเข้าหายไหม <laughs> ไม่เหลือเลยนี่หนายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ความโขนค่อ <laughs> ยพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่พรวดขึ้นมาเลยเข้าใจป่า หลักการก็ให้คิดพิจารณาอย่างนี้เหนื่ยมากเราเหมือนขึ้นเขาอ่ะวิ่งขึ้นเลยไหวไหมต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินใช่ไหมเวะลาโกรธค่อย ๆ, ๆโกรธนี่หลักการนะโบราณเขาสอนอย่างงี้แต่หลักการยิงความโกรธควรละเดี๋ยวเมื่อสักครู่บอกกันว่าเดชทำยังไงเราถึงจะมีความสุขเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมนุษย์ต้องมีความสุขนะใช่ไหมล่ะ เราอยู่ด้วยกันแล้วทํากิจกรรมของชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงมันยากไหมเรามนุษย์อยู่ด้วยกันที่จะสามารถทําความสุขให้เกิดขึ้นจริงๆมันยากหรือง่ายยากใช่ไหมหาเงินกับหาความสุขอะไร ห, หาได้หาเงินยากกว่าเลยหาความสุขได้ยากใช่ไหมแล้วเราจะหาอย่างเราจะทําอย่างไรเราถึงจะได้ความสุขใช่ไหม ถ้าเราตั้งหลักว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขแล้วตั้งได้ใช่ไหมแต่ในข้อเท็จจริงทําได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างเรานั่งอย่างเงี้ยเรามีความทุกข์ไหมมีไหมทุกอะไรมันเมื่อยใช่ไหมอ่อนเมื่อยเลยมันทุกกายใช่ไหมแล้วใจเป็นทุกข์ได้ไหมพระพูดไม่รู้จากเวลาคิดอย่างเงี้ยมั้ย ไม่ยึดใช่ไหมจริงๆพาะเมื่อยไห ม, ไมเมื่อยดีเรานั่งเฉยๆก็ได้แต่เราพาะห้ามเฉยพาะเฉยปุ๊บเลยไม่รู้เรื่องกันเล ย, เยพาะต้องพูดด้วยเลยด้วยจริงๆคืออย่างนี้ในการดําเนินกิจกรรมของชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่ากิจที่เราดําเนินเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนินยมภาษีนะในการก้าวไปถอยกลับ ถ้าก้าวไปแปลว่าเดินไปข้างหน้าถอยกลับก็แปลว่าเดินกลับมาใช่ไหมแลมตรงกับแรเหลียวแลเหลียวหลยแลมแรมตรงแลเหลียวเนี่ยนหรือไม่เงยหน้าขึ้นก้มหน้าลงจัดเข้าเต็มแรตรงแลเหลียวหมดนี่เป็นกิจกรรมขอชีวิตทั้งนั้นนะูคเข้าเหยียดออกส่วนที่มันมีเป็นอะไรบ้างเท้าก็ได้มือก็ได้ไหมมือโคเข้าได้ไหมเหยียดออกได้ไหมคอทําได้ไหม เฮ้ยเต่าแล้วดังนั้นคอไม่ได้หดไม่ได้ยังมาถามไปถามมาโยง ฉ, ฉันงงเลยในะอายวออุวะคุ้ข้าวเหยียดออกแลตรงแลเหลียว ก, ก, กินกินกินกับดื่มเหมือนกันไหมไม่เหมือนอดื่มกุ้งตะกุลนะ้ำมะเคี้ยวกะลิ้มะ ของเคี้ยวนี่คืออะไรบ้างลิมเนี่ยเป็นพวกไอศครีมในทั้งหลายเราเนี่ยพวกลิมทยอุจราระปัสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิง่งนี่กิจกรรมของชีวิตทั้งนั้นแหละแต่มนุษย์ที่ดำเนินกิจกรรมของชีวิตในแต่ละขณะเนี่ย ถ้าดําเนินกิจกรรมของชีวิตโดยการไม่มีสติสมัมปชัญญะคอยกํากับความทุกข์มันก็เข้ามันเข้าแน่นอนเช่นเช่นเวนลาเรานั่งอยู่เนี่ยเวลาเราจะเหลียวไปทางด้านขวาถ้าเราไม่กําหนดเราไม่กําหนดแล้อยากเหลียวก็เหลียวอยากมาบางครั้งหรือเราจะเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่กําหนดว่าประโยชน์เราไม่กําหนดประโยชน์ให้ชัด คือถ้าเราไปหาหรือไปคบค้ากับสมาคมกับคนนี้หรือไปอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้กำหนดว่าเออถ้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์จริงๆคือตัวไหนเนี่ยบางอย่างเราไปบางแห่งมันเสียประโยชน์โดยเฉพาะไปแล้วมันได้อะไรมันได้ความกำหนัดได้ความขัดเคืองได้ความรุ่มหลงได้ความโมเมาอั น, นี้แปลอาเสียประโยชน์เลยนะ แปลว่าไปแล้วมันได้บาปไปแล้วมันได้กายโตุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้บาปอากักขระกรรมมันชั่วร้ายเวลาไปยางนี้มันเสียประโยชน์ฉะนั้นตรงเนี้ยในการดําเนินกิจกรรมของชีวิตเนี่ยถามว่าเวลาเรากวาดบ้านจริงๆมันมีเราสามารถทําความสุขให้เกิดขึ้นได้ไหมถ้าทาไงวเวลากวาดบ้าน ไม่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องเห็นไงเห็นประโยชน์ลองพิจารณาอย่างนี้นะว่าในบ้านนี้มันลกเราต้องการจะทำบ้านนี้ให้สะอาดเพื่อให้คนในบ้านเนี่ยได้คุณภาพชีวิตที่ดีเขาจะได้หนึ่งได้อากาศที่ดีได้คุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อได้อากาศที่ดีได้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยเขาจะได้มีความสุข เขาจะได้มีอายุยืนเขาจะได้มีกำลังกายที่เข้มแข็งได้มีผิวพรรณงามกุศลจะเกิดกับเขาได้ง่ายเมื่อเราทำบ้านนี้สะอาดพอพิจารณาอย่างนี้แล้วทำไปมีความสุขไหมเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่การรู้หรือไม่รู้การใช้สติสัมปชัญญะในการวิจัยแยกแยะแล้วก็ทำว่าเราเราจะตักน้าไปให้ใครเนี่ยเราต้องการปรารถนาให้แม่มีอายุยืนแม่มีความสุขแม่มีกาลังแม่มีผิวพรรณที่งาม แม่มีสติปัญญาคิดอ่านเรื่องราวต่างๆได้ดีเมื่อแม่ได้กินน้นํานี้กินอาหารนี้เรากําหนดประโยชน์ก่อนแล้วก็ไปให้ความสุขจะเกิดไหมแม่เราขับรถเราบอกเออเมีคนนั่งมาในรถโดยเฉพาะโอ้เป็นผู้มีสินนั่งมาด้วยเราให้ความปลอดภัยในชีวิตของสงให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความเป็นผู้มีอายุยืนให้ความสุข ให้ท่านได้สมหวังไปสู่จุดหมายปลายทางที่สะดวกและรวดเร็วเห็นไหมการเมื่อเราเราให้อายุเราก็จะเป็นผู้มีอายุเราให้ความสุขเราก็จะเข้าถึงความสุขเราให้ผิวพรรณงามเราก็จะเข้าถึงความเป็นผู้มีผิวพรรณงามเราให้กำลังเราก็จะผู้มีกำลังเราให้สติปัญญาเราก็จะผูด้ได้ปัญญาใช่ไหมเมื่อพิจารณาอย่างนี้เอาละเราจะให้ความปลอดภัยในชีวิต และบุคคลที่เดินในถนนและรถลาทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเราจะให้เขามีความปลอดภัยปรถาถนาให้เขามีความสุขปรถาถนาให้เามีอายุยืนปรถาถนาให้เขาสมหวังเขาอยากจะไปเร็วเราจะเราจะให้เขามีโอกาสได้ไปเร็วเขาจะได้ไปหาพ่อแม่ปู่ตายายยายเขาเขาจะได้สมปรถาถนากาคิดนี้มีความสุขไหม <S <S ทุกเรื่องเน่ยถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาในการคิดเป็นนะ ความสุขมันเกิดได้ทุกขั้นตอนเลยนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าเราคิดไม่เป็นนี่แหละใช่ไหมมันจะมีว่าอ่ดูได้ดูเป็นเหมือนกันไหมถ้าดูได้ก็ดูเป็นเหมือนกันไหมถ้เราดูเนี่ยดูได้หมดนะแต่ดูเป็นไหมล่ะดูปุ๊บบางทีความโลภมันเกิดความโกรธมันเกิดความหลงมันเกิดดูปุ๊บมันได้ทุจริตอย่างนี้ดูได้ไหมดูไม่ได้ดูเขาเรียกดูได้แต่ดูเป็นไหม ดูไม่เป็นแต่ดูเป็นก็คือเมื่อดูสิ่งใดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะในการกํากับและได้ประโยชน์ได้ศึกษาได้วิจัยได้แยกแยะแล้วก็สามารถเห็นความจริงแล้วเอาประโยชน์จากความจริงจากการจากการดูได้อย่างนี้ก็เรียกดูเป็นแล้วความสุขมันเกิดไหมเวลาดูเป็นเนี่ย้ความสุขมันก็เกิดอย่างฉันมาปุ๊บนี่ฉันก็มาดูพวกเราปุ๊บถ้าดูได้ก็ดูผ่านๆถ้าดูเป็นฉันดูปุ๊บฉันได้ประโยชน์ตรงไหนฉันก็มานั่งนึกว่า คิดว่าขอให้พวกเราจงมีอายุยืนขอให้พวกเราจงมีความสุขขอให้พวกเราจงสมปรารถนาท่านตั้งหลายไม่มีข้อมูลความรู้เราจะให้ความรู้เข้าใจผิดเราจะให้ความเห็นให้ถูกใช่ไหมถ้าดำริผิดเราจะให้ท่านดำริถูกถ้าท่านกล่าววาจาผิดเราจะบอกแนะนำในการกล่าววาจาถูกถ้าท่านเลี้ยงชีพือถ้าท่านกระทำผิดเราจะบอกวิธีการกระทาที่ถูก ถ้าท่านเลี้ยงชีพที่ผิดเราจะบอกวิธีการเลี้ยงชีพที่ถูกถ้าท่านตั้งสมาธิผิดเราจะบอกวิธีตั้งสมาธิที่ถูกตั้งสติผิดเราจะบอกวิธีตั้งสติที่ถูกถ้าเพียนผิดเราจะบอกวิธีเพียนที่ถูกถ้าเห็นผิดเราจะบอกวิธีการเห็นถูกแต่ถ้าคิดอย่างนี้มีความสุขไหมเพราะจะมาให้เนี่ยให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ประเสริฐให้ให้ทางดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามเนี่ยเวลามองอย่างนี้แล้วก็เออความสุขมันเกิดได้จริงๆมันไม่ใช่เสแสร้งแกล้งสุขนะ มันสุขจากรู้ไงสุขจากเข้าใจสุขจากการที่เราได้ให้สิ่งที่ดีแล้วก็เขาจะได้หลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนเพราะมาลักษณะอย่างนี้มันก็นี่เขาเรียกว่าดูเป็นใช่ไหมเอาถ้าฟังเป็นอะไรยังไงฟังได้ก็ฟังเนียฟังไม่รู้เรื่องก็จะพูดอะไรก็ไม่รู้มันฟังได้หมดใช่ไหมแต่ถ้าฟังเป็นนี่มันเอาสาลแล้วมันได้ไประโยชน์ทันทีพอฟังปุ๊บสรุปประเด็นเลยโหวันนี้เราเข้าใจเรื่องทานแล้ว อ๋อการให้ทานแบบนี้เกิดในชั้นจารุมหาราชกาทําแบบนี้ตาวติงสาชั้นนีชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมาเนาลาดีชั้นปารณิมิสสวัสดีอ๋อให้ทานแบบนี้มีผลมากแต่อานิสงส์ไม่มากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกกลับมาเกิดเป็นสัตว์นรก บ, บ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายมนุษย์บ้างก็เวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้เอาละเราตั้งหลักถูกแล้วที่ผ่านมาเราเร า, เราฟังไม่เป็นเนี่ยนะวะ ตอนนี้เราฟังเป็นจับสาระได้เราจะทําจิตตะลังกาละทานังให้เกิดฝึกตนเองเพื่อล ะ, ะกิเลสละราคาโทสะโมหะในการให้จะไม่สละแต่นอกอย่างเดียวสละข้างในด้วยจะเป็นไปเพื่อความดับกิเลสและกองทุกข์ให้ได้โอ้พอเข้าใจอย่างนี้ก็จะจับสาระนี่ก็เจะฟังเป็นแล้วต่อไปก็ไปทบทวนตัวเองโอ้โหต่อไปเราตั้งหลักถูกแล้วกลับไปก็เลยถึงกลับไปบอกใครอ่ะ รู้จากใครไปบอกพ่อบอ ก, อบอกแม่เออี่เนี่ยแม่ให้ทานยังไงไปนั่งคุยกับแม่ใช่ไหมเคยให้ทานแบบนี้ไหมหวังผลของทานใช่ไหมเออหวังเนี่ยไปเกิดชั้นชาตุมนะ <c ười> คุยกับแม่มแล้วเป็นไงสิ้นเกิดเป็นชั้นจาตุมก็มีผลมากแต่อา น, นิสง์ไม่มากาต่างกันยังไงอา น, นิสง์ก็คือการเข้าถึงสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไงถ้าอา น, นิสง์ไม่มากก็คือมันจะเวียนอยู่อย่างนี้แหละ การให้ทานรักษาศีลที่เวียนวหวตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมันสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศมันหมดอํานาจได้มันหม ด, ด, มหมดกําลังมันได้หมดแหละมันเป็นมนุษย์หมดหมดกําลังบุญความเป็นมนุษย์ก็ได้ใช่ไหมเราเราเป็นทหารเป็นตํารวจทั้งเกตด้วยที่นะี่ยยามียศมีอํานาจอู้บุญให้ผลเดี๋ยวก็หมดทำไมแหละมันก็เป็นแบบนี้แหละสังสารวัฏเป็นแบบเนี้อ๋อเพราะเราไม่ได้ให้ทานแบบมีผลมากอา น, นิสงส์มากโดยบอก แม่อยากไปเกิดชั้นจาทุ่มไหมให้ทานแบบนี้จะไปเกิดอยากไปชั้นดาวดิดาวดิงสามหมยามาไอยูุสิตาบอกบอกไม่อยากไปทั้งที่ไหนทั้งนั้นแหละพอไปเล่าให้แม่ฟังแบบนี้แม่ชื่นใจไหมเขาก็ชื่นใจใช่ไหมสาคัญเราเล่าไม่ได้จะทำไงเกิดไปเล่าฟังแล้วเกิดเ้าส่วนขึ้นมาเนี่ยเราต้วางใจยังไงว่าคือจะได้เป็นบุญ อ๋อเราต้องคิดก่อนเงี้ยเราเป็นคนที่ให้ทานเราเป็นคนที่ให้ทานแบบไม่เคารพแบบไม่ย้ำเกีงมามากฉะนั้นเราไปบอกอะไรใครเนี่ยโอกาสที่เขาจะสวนกลับสูงมากจริงไหมไม่ก็เราต้องตั้งหลักอย่างนี้ก่อนไงเพราเรารู้ต้องรู้ก่อน ว่าเราเนี่ยให้ทานแบบนี้มาแทบทั้งชีวิตให้ทานแบบไม่ยำเกรงให้ทานแบบไม่เคารพมาแบบทั้งทั้งชีวิตเลยนะเพราะเราไม่รู้อย่าแปลกใจเว้ยทำไมลูกกระด้างกระเดืองกับเราสามีภรรยากระด้างกระเดืองกับเราพ่อแม่ปู่ตายา ย, ยายไม่น้อมใจที่จะปฏิบัติตามคำตามคำพูดเรามันเป็นปกติอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเขาสวนกับกระด้างกระเดืองเนี่ยปกติเป็นปกติ เพราะเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้แต่ถ้าพูดไปแล้วเขาน้อมที่จะฟังตามหรือปฏิบัติตามอันนี้ผิดปกติถ้าจะตกใจต้องตกใจตอนที่เขาทำตามเข้าใจยังเพราะชีวิตเราไม่เคยมีใครจะเชื่อฟังเราอยู่แล้วใช่ไหขนาดตนเองยังไม่อยากเชื่อฟังตัวเองเลยเคยเป็นไหมล่ะ <c oughs> ความจริงเป็นแบบนั้นนะเพราะเราให้ทานโดยไม่เคารพต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเราสร้างเหตุแบบนี้มาจริงๆ เราจะเคารพ บ, บางครั้งบางคราวเท่านั้นแหละเช่นถ้าเราจะให้ทานกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มากๆเนี่ยให้กับเจ้าฟ้าจะเป็นดีนโู้ยเคารพมากใช่มไหมตา้เคารพมากแต่ถ้าให้กับเพื่อนกับอะไรเฮ้ยจะกินแล้วไม่กินวะใช่ไห ม, <laughs> มโอ้ยให้แถมใช้คำพูดน่าเกียดน่าเกียดใส่กนได้ไม่มีนะผู้จาไพเราะ อ, อ่อนหวานไม่มี ฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเราให้ทานโดยไม่เคารพฉะนั้นผลของทานมันจะเลิศได้อย่างไรเขาจะมานอบ น, อบนอบ้อมพอรมฟังฉะั้นแต่ไปบอกภรรยาบอกปุ๊บเขาก็ด่างกระเดืองมันรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องกระด่างกระเดืองแล้วจะไปโกรธอะไรเขาะจะไปโกรธทําไมเพราะว่าเราให้ทานแบบเราสร้างเหตุปัจจัยมาแบบนี้มันรู้อยู่ไงโกรธเลย ก็ถึงบอกไงว่ามันความจริงมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วมันเหมือนเราจะเดินไปตรงเนี้ยเดินผ่านบ้านนี้ทีไรหมากัดแน่ถ้าป้องกันไม่ดีอัทรุอย่างเงี้ยจะเดินเปิดขากางเกงไปก็ถ้าไปทําอย่างงั้นทําไมล่ะอันนี้ไม่ฉลาดแล้วใช่ไหมล่ะต้องถือไม้ไปด้วยเข้าใจนะ แล้วก็ใส่กางเกงหนาๆไปด้วยแล้วถือไม้ป้องกันถ้าไม่มั่นใจก็หาพวกไปอีกคนสองคนใช่ไหมเพราะมันกัดแน่แต่ถ้ามันไม่กัดเนี่ยถือว่าเป็นกรณีพิเศษเข้าใจยังง้เวลาไปคุยกับภรรยาคุยกับพ่อแม่ที่เขาจะสวนกับนี่เป็นปกติแต่ถ้าเขาคุยดีกับมานี่ผิดปกติเข้าใจไหม เข้าใจอย่างแต่เนี้ยมันจะได้รู้เข้าใจเต้ว่าจริงๆเราเป็นคนไม่ได้เราไม่ใช่เป็นคนให้ทานถูกต้องมาฉะนั้นผลของทานชนิดนี้มันให้ผลกับเราอยู่แล้วเขาก็ด้างกระเดืองกับเราแน่นอนเวลาฉันบอกพระเนนแล้วท่านเฉยเนี่ยฉันไม่เห็นโกรธอะไรท่านเลยอ๋อเราให้ทานแบบนี้มามันให้ผ ล, ลว่าแล้วเวลาฉันมาบอกยอมเนี่ยยมไม่เคยเอาไปปฏิบัติตามเลยอ่ะ าันฉันก็ไปนั่งเครียดที่นี่โอ้เครียดไม่เทแล้วไ่้งานนี้พูดไปเนี่ยเพาะเขาฟังดูเหมือนจะเคารพมาพอกลับไปเขาก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมละ่ะตั้งแต่เจอยอมมันตีตั้งแต่สมัยบางคา <c oughs> ก็ยังเหมือนเดิมเนะ <c oughs> ฉันไม่เห็นโกรธเลย ฉันโอ้โหเครียดเหลือเกินกับไปนอนไม่หลับพูดตั้งแต่มาตั้งหลายปีเลยเนี่ยยอมวนตรีไม่เคยทําตามที่พูดเลยอะแล้วบอกว่าฟังทำมาทุกวันฟังก็ไอ้ฟังก็ดูเหมือนฟังแต่เวลาไปทําก็ทําตามความรู้สึกตัวเองอยู่ดีนี่อย่างนี้มันจะใช่ไหมก็ยังกระด้างกระเดืองอยู่ดีนั่นแหละอันนี้เป็นผลอะไรเนี่ยผลของ ก, การให้ทานโดยไม่เคารพฉันก็ไม่โกรธหรอกแต่ฉันไม่หยุดในการทําความดีนะต่อไปฉันไม่ทําอีกแล้วการให้ทานแบบนั้น ฉันเปลี่ยนใหม่แล้วนะแล้วเมื่อไหร่โยมวันตีจะเปลี่ย น, ยน <laughs> ออโอเคนี่พูดแต่หน้าพราะเลยนะนะเนี่ยโอ้เปลี่ยนจริงๆเลยเลยโอ้ฟัง <laughs> ทำไม ท, ทำหน้าอย่างนั้นละ่ะมันต้องมองหน้าเขาด้วย <laughs> อย่างนี้อย่างนี้ไม่ไมสมบทบาทมันต้องมองหน้าด้วยแล้วก็ทำด้วยความจริงใจด้วยใช่ไหมนีม่เสแส้งแกล้งทำเดี๋ยวเปน็นก็ไม่ได้เป็นบุญอีกตอนแรก้องตางทำไมไม่กล้ามองหน้าเพราะอะไรกลัว<อ><อ>ยับยั้งกิเลสไม่ได้ <laughs> <laughs> อ๋อลำบากในะชีวิตนี่ เห็นไหมว่าผลของทานที่ให้โดยไม่เคารพเราต้องรู้อย่าไปอย่าไปคาดหวังสิมนุษย so cool. ์เราคาดหวังเหมือนคนจะแต่งงานคาดหวังว่าเมื่อเขาแต่งกับเราแล้วเขาจะดีขึ้นคือเนี่ยตอนนี้เขามีบางอย่างไม่ค่อยไม่ทำไม่ค่อยถูกหรอกแต่เชื่อว่าเมื่อเขามาอยู่กับเราแล้วเขาจะดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อนะ เป็นรัฐที่เป็นความเชื่อเป็นทัศนคติเป็นความเห็นแต่ความจริงคือเขาก็เป็นของ an เขาอย่างนั้นทั้งหมดเหล่านี้อยากให้เราทั้งหลายเข้าใจความจริงแยกให้ออกนะระหว่างความเห็นกับความรู้หรือความจริงคนละอย่างกันเราีความเห็นว่าแม่เราจะไปดูแลแม่แม่ต้องเป็นอย่างนั้นแม่ต้องบอกอะไรแม่ก็เชื่อ ให้กินอาหารอะไรแม่ก็กินแม่รู้สึกชื่นใจที่เราไปดูแลแม่ไม่แสดงอาการหงุดหงิดเลยน่ารักยิ้มแย้มแจ่ ม, มจใสมีความเห็นนะแต่ความจริงคือแม่ก็เป็นของแม่แบบนั้นแหละอย่างที่เราเห็นบางข้าวก็หงุดหงิดโวยวา ย, วายบางค้าวก็บ่นจุกจิกจู้จี้บางค้าวก็ร้องเรียกหาว่าลูกไปไหนไปไหน เอาอะไรไปให้ไม่ทันใจก็งอน ง, งองแงโอยวายนั่นคือความจริงไงเข้าใจอย่าจ้งอยู่กับความจริงเข้าใจความจริงมันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจทุกมุมทุกด้านยิ่งเข้าใจความจริงมากเท่าไหร่โอกาสที่จะแก้ไขมันมีไม่ใช่ไม่มีเหมือนที่บอกบ่อยๆว่าเนี่ยความจริงตอนนี้อากาศข้างนอกเนี่ยมัน36เกือบจะ40องศาแล้วมั้งตอนนี้นี่คือความจริงนะ แต่ความเห็นของเราเหม่มันน่าจะยี่บ้าน่าจะยี่บห้าแต่ถ้าความสามารถถึงก็มาทําห้องสี่เหลี่ยมสิแล้วก็ติดแอร์สักสองตัวสามตัวเนี่ยแล้วก็เปิดโอเคไหมยี่บห้าแต่สามารถทําโลกทั้งใบยี่บ้าองศาได้ไหมลอมันไม่ได้แต่ถ้าความสามารถถึงมันทําได้นะอย่างเช่นเซนทันเนี่ยเขาทาเป็นกิโลกิโลเลยนะเขาเย็นทั้งห้องเลยนะเนี่ยเขาทําได้เพราะความสามารถเขาถึง เราสามารถถึงไหมที่จะสามารถทำให้แม่จากคนเป็นคนหงุดหงิดแล้วกลายเป็นคนสงบเรียบร้อยเนี่ยได้ไหมมันอยู่ที่รู้เหตุปัจจัยนะไม่ใช่บวังครับต้องสงบเดียวนี้นี่คือคาสั่งของมันตีได้ไหมไม่ได้ความสามารถไม่ถึงถ้าความสามารถถึงได้แค่บอกว่าแม่หนูผมรักแม่นะ ผมทำให้แม่ทุกอย่างเลยผมรักในสิ่งที่แม่เป็นผมไม่บังคับแม่หรอกแม่จะโวยวายจะงดหงิดจะพุ่งสร้างผมก็มีความสุขในการที่ทำให้แม่ผมเอาน้าตักน้ำให้แม่แม่ปัดน้ำหกผมก็ไม่โกรธผมดีใจที่ผมได้ตักน้ำให้แม่ไม่กินแม่กินอันนั้นเป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ แม่อาจจะไม่กินก็ได้เพราะแม่กินไม่ลงแม่ไม่หิวหมอบอกว่าให้กินน้ําแม่ไม่อยากกินผมยอมรับในการตัดสินใจของแม่เนีถ้าแม่ปรารถนาอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่นานแม่ก็ต้องฝืนแต่ถ้าแม่ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องฝืนผมยอมรับในสิ่งที่แม่เป็นความรู้สึกก็อยากให้แม่อยู่กับผมนานๆนะแต่ความสามารถผมได้แค่นี้อ่ะแม่ ผมจะทําให้เต็มที่พอพูดไปพูดมากุศลมันเริ่มให้ผลไหมเขาเรียกฉลาดพูดแล้วเขาใจะจะมาพูดอย่างนี้แหละมันจะได้ผลไม่ใช่ว่าผม ท, ทําแทบตายแม่ไม่เคยเห็นความดีของผมเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เรื่องอลไรอย่างเงี้ยนะเขาใจอย่างเนี่ยเพราะเราไม่ฉลาดในการเจริญกุศลนี่ถ้าเราฉลาดในการเจริญกุศลมันให้ผลจริงๆเหมือนกันเราไปคุยวิธีการอยู่ด้วยกันเนี่ยเอ้เยอะยมยังอยู่กับสามีอยู่ไหม อยู่กับลูกมั้ยัออยงอยู่กับลกูกเวลายอยู่กับลกูกอยู่กับสามีอยู่กับพ่อแม่รู้ไหมเวลายอยู่ด้วยกันเนี่ยทำไงถึงจะมีความสุขรู้ไหมโออฟังเพะดี <laughs> ฟังดูดีดูดีดเอ้าวเลย อยากรู้ไหมพระพุทธเจ้าสอนหลักการในการอยู่ด้วยกันยังไงและที่จะมีความสุขอยากรู้ไหมตอนนี้อยอะเท่าไหร่แล้วเ <c oughs> พิ่งมาเรียนตอนนี้นะ <c oughs> ทันไหมเนี่ย <c oughs> ทันไม่ม <c oughs> ไม่เป็นไรระเคแล้ว <c oughs> อยากรู้ใช่ไหม เมื่อกี้วิธีคิดของหนูใช่ไหมแต่หลักการในการอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะพ่อแม่ปู่ตาย่ายยายสามีภรรยาลูกหรือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่หลักการอยู่ด้วยกันเนี่ยหลักการข้อที่หนึ่งเลยนะให้เอาความต้องการของตนเองวางทิ้งความต้องการตนเองไว้อย่าเอาความต้องการตนเองไปกำกับบุคคลที่เราอยู่ด้วยทำได้ไหม ยังไม่ทันอธิบายรายละเอียดว่ายากก็แล้วเขาจะทำนี้นะครับจะกำกับของอ่ะเขาจะกำกับของว่าตรงนี้ตรงนี้ฮอันนี้จะบอกวิธีไงที่พระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมสรุปแล้วเราจะทำตามที่เราอยากที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมอาอก็ต้องยอมรับที่มันผิดพลาด ท่านปิดผานมาจนอายุห้าสิหกสิบห้าขวบแล้วเนี่ยยังไงล่ะหกสิบกว่าขวบแล้วเหลืออีกไม่กี่ขวบก็จะตายแล้วเนี่ยแล้วยังจะใช้ว pues ิธีที่มันไม่ได้ผลอยู่นั่นแหละใช่ไหมร่ะให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้เรียนรู้ว่าวิธีนั้นไม่ถูกเดี๋ยวเขาก็จะไปใช้วิธีนั้นอีกเพราะครอบครัวก็จะเป็นอย่างครอบครัวเราก็จะอย่างเวลาไปบอกลูกก็ต้องบอกลูกพ่อเนี่ยไม่ได้เรียนคําสอนของพระเจ้า พ่อใช้ความคิดของตนเองทัศนคติวิธีคิดนั่นตัเองมันจึงผิดพลาดแบบนี้อถ้าอย่างนี้ชัดไหมอ่านแล้วพุทธิย่าบอกยังไงพุทธิย่าบอกให้เอาความต้องการต น, นเองวางไอ้วางคือยังไงบางทีเราอยู่กับใครเราอยากเราต้องการกํากับให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ต้องการไปคอนโทรเขากํากับเขาเพื่อให้เขาเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราก็เอาความต้องการโยนทิ้งไปเลย นี่นะพูดแบบภาษาอาตมาเนี่ยโยนทิ้งนะและในขณะเดียวกันก็ทำสติสัมปชัญญะปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็กลับไปมองเขาตามตามที่เขาเป็นเขาเป็นคนมีบุคลิกภาพอย่างไงมีพฤติกรรมยังไงมีทัศนคติมีคำพูดความคิดเห็นอย่างไงความเชื่อความเห็นยังไงดูทุกด้านรือดูตามความเป็นจริงที่เขาเป็นเรียนรู้เขา แต่ไม่ใช่เรียนรู้ปั๊บเหม๋เข้าหน้าจะเป็นอย่างนี้อย่าใส่อย่าอา ย, ยา่ยาไปอย่าไปกำกับข ย, ยังเวลาจะดูละครเนี่ยปัจจุบันดูละครไหมดูดูเรื่องอะไรเวลาดูแล้วเป็นไงไไไเนี่ยก็เลยกำกับท<ำ>ั้งทั้งที่ไม่ใช่ผู้กำกับนี่แหละ ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างชอบแสดงไม่ทําตัวเป็นผู้ดูใช่ไหมแต่ทําตัวเป็นผู้แสดงเวลาเขาแสดงบทโศกเป็นไงเขาแสดงหัวล้อก็หัวเราะอินพาก็จะเป็นบริจาคโลหิตนี่แหละพอละครมาขึ้นมามนแทงเข็มเหมอไอตัวไอตัวไลายร้ออกมาเฮ้หยแขนผ้านี่พุนเลยมันกดไม่พอมันขยับเข็มไปด้วยนี คือคือเนี่ยคนบางทีมันไปอินไปหมดเลยทุกวันนี้ไม่ได้มองทีนี้หลักการคืออย่างนี้ว่าพอเรามองเขาตามที่เขาเป็นทั้งหมดเลยเนะมองแล้วก็เขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขามีบุคลิกภาพพฤติกรรมยังไงสภาพจิตใจเขาชอบไม่ชอบอยังไงทัศนคความเห็นความเชื่อเขาเป็นยังไงเรียนรู้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จปุ๊บ และทำในสิ่งที่เขาต้องการทำให้โดยปราศจากเงื่อนไขได้ไหมล่ะทีนี้มันจะมีปัญหาตามมาอีกใช่ไหมปัญหาตามมาว่าเราทำแล้วเขาไม่ทำเราจะคิดอย่างนี้ไงทีนี้ คำว่าทำให้เนี่ยเมื่อกี้ที่ยอมจะถามใหจฉรนรู้บางครั้งสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่มันไม่ถูกเราต้องทำให้ด้วยหรือใช่ไหมล่ะมีมีสามีของอุบาสิกาท่านหนึ่งในสมัยข้างเวทการนะสามีเป็นครบเป็นในพานภรรยาเนี่ยมีหน้าที่เลาลูกธนู หน้าที่ภรรยาเหลาลูกธนูเวลานายพานเอาไอ้ธนูนั้นไปทันสัตว์ตายเนี่ยภรรยาบาปไปด้ว ย, ยไหมไบาปก็ได้ไม่บาปก็ได้ต้องตอบแบบนี้ท่านในขนาดเหลาเนี่ยแล้วมีจิตคิดว่าจงเอาธนูนี้ไปฆ่าไปททงสัตว์ให้ตา ย, ตายเราจะได้เนื้อได้อาหารมาเราจะได้ไปขายได้เงินมาเราจะได้มีทรัพย์ปรารถนาให้สัตว์นั้นวิบัติ ชิบหายจากไอ้ลูกธนูเนี่ยถ้ามีเจตนาเจตจํานงอย่างเนี้ยเข้าไปนั่นมันร่วมบาปกับเขาจริงแต่ว่าทําเนี่ยมันเป็นหน้าที่ภรรยาแล้วก็มีความปรารถนาขอให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ปลอดภัยเถอะฉันมาอยู่ในสถานะครอบครัวแบบเนี้ยมันไม่ทําสถานการณ์ครอบครัวมันจะแตกแยกมันต้องทําแต่ว่าทําด้วยความด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยจิตที่สะอาดผ่องใส ไม่ปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายเพราะไม้ก็คือไม้ไม้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์ก็ได้เอาไปเสียบอะไรก็ได้ใช่มเอาไปเสียบไปไไเด็กข้าโพดปิ้งก็ได้ทำอะไรทั้งหลายเรื่องอื่นเป็นประโยชน์ก็ได้แต่มันเหมือนมีดเนี่ยเอาไปทําอาหารกินก็ได้เอาไปฆ่าคนก็ได้มันทำได้เป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้แต่ฉันปราถนาที่มันเป็นคุณ แต่เยอะนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเอาไปแทงศาสตร์เรื่องมันแล้วบาป ก, ก็ตกอยู่กับมันก็แล้วกันไม่อยู่ข้าวเจ้าหรอกมันเข้าใจแล้วก็งั้นเข้าใจเหตุเข้าใจผลในการทําแบบนี้มันต้องฉลาดจริงๆนะถึงจะวางท่าทีทางใจเป็นเหมือนผู้วิพากษาเนี่ยเราจะตัดสินให้คนไปติดคุกประหารชีวิตนะี่ยให้เป็นปนาติบาศก็ได้ไม่เป็นก็ได้มันอยู่ที่เข้าใจกระบวนการตรงนี้ไหมถ้าเข้าใจก็คือว่า เวลาดูข้อมูลหลักฐานมาทั้งหมดที่เขาทำมาสำนวนคดีมาทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันทำบาปมันไปฆ่าคนไปทำบาปไต่ตรองไว้วางแผนไว้ร่วมกับพวกยังไงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นพอมาพิจารณาเหตุพิจารณาผลตรงนี้แล้วไอ้เจ้าเนี้ยโทษที่เขาตรางหลักเป็นกติกาเขาไว้ก็คือติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเนี่ย มันพิจารณายัายางไงไหมพูดภาษาพิจารณ า, าว่าฉันไม่ได้เป็นคนทําให้คนคนนี้ตายแต่กรรมคือการกระทําเขาเป็นคนกระทําเขาเองฉันไม่เกี่ยวฉันไม่มีส่วนร่วมด้วยฉันเพียงแค่เป็นคนบอกเหตุ as, บอกผลระหว่างเนี่ยทําเหตุอย่างนี้ได้รับผลอย่างนี้ทําเหตุอย่างนี้ได้รับผลอย่างนี้เท่า น, านั้นฉันเองไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องด้วยตรงนั้นเขาจะตายก็ดีเขาจะติดคุกก็ดีเขาจะออกจากคุกบริสุทธิ์ก็ดีมันเป็นเรื่องของ กรรมที่เขาทำถ้าเขาทำกรรมดีเขาต้องได้รับผลดีทำกรรมไม่ดีก็ต้องรับผลไม่ดีไม่ได้เกี่ยวฉันเป็นคนเพียงแค่บอกกติกาของสังคมที่เขาวางไว้ว่ายังไงยังไงเท่านั้นเองฉันไม่ได้ไปอินกับข้อมูลว่าจงไปตายหรือไม่ตาย แต่ฉันก็ปรารถนาให้เขาอยู่ดีมีสุขปรารถนาให้เขาสมหวังสมปรารถนาแต่กรรมเขาทําแบบนี้เขาก็ต้องรับผลของการกระทําอย่างนี้อย่าว่าแต่คนคนนี้เลยแม้แต่คนคนนั้นจะสมมติมเป็นลูกเป็นพ่อฉันฉันก็ต้องมานั่งอ่านแบบนี้นั่งบอกแบบนี้เรื่องเหตุเรื่องผลโดยเฉพาะเข้าใจอย่างแล้วไม่ได้มีส่วนด้วยกรรมคือการกระทําของคุณต่างหากที่ไปลงโทษคุณและกุศลกรรมดีต่างหากที่คุณทําต่างหากจึงส่งผลทําให้คุณรอดพ้นปลอดภยัย ทั้งหมดเหล่านี้ฉันสอบสวนตามหลักฐานตามพยานเบ็ดเสร็จแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลแบบนี้ฉันไม่เกี่ยวฉันก็ยังคุณก็ยังเป็นพ่อแม่ผู้ตายย่ายายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายฉันก็ยังปรารถนาดีกับคุณอยู่แต่เมื่อคุณทําเหตุอย่างนี้กติกาของสังคมเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องรับแม้ฉันทําอย่างนั้นถ้าเป็นตัวฉันเองไปทําฉันก็ต้องรับกติการับผลอย่างนั้นด้วยถ้าเข้าใจอย่างนี้จะชัดไหมบอมมอ ง, อ, ง, อ, งออกไหมเนี่ย เออเป็นแบบนี้หลักการอย่างนี้เหมือนกันกรณีที่พูดถึงสามีภรรยาทั้งเวลาทั้งหลายถ้าเราวางความต้องการของเองปุ๊บแล้วเราก็นึกถึงความต้องการของคนที่เราอยู่ด้วยแล้วก็ทําในขณะที่เราทําให้และเราไม่ใช่แค่ทําให้แต่เราฉลาดฉลาดในการที่จะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยฉันอยากกํากับคุณอย่างนู้นอย่างนี้ แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าบอกคุณก็เป็นของคุณอย่างเนี้ยคุณปรารถนาน้ําร้อนปรารถนาน้ําเย็นคุณปรารถนาลักษณะนี้ฉันก็ทําให้ที่ฉันทําให้ทําด้วยความเต็มใจนะทํำด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเ อ, อ, อื้อทนและอีกฝ่ายหนึ่งพอเห็นเราทําอย่างนั้นไอ้กุศลความดีของเราที่มันมีพลังนะนักเข้านักเข้าเขารู้สึก อ, อือ เราคอยกำกับเขาตลอดแล้วก็คอยบอกเขาตลอดเห็นไหมว่าแต่ก่อนฉันกำกับคุณยังไงแต่ถ้าหากว่าเขาเข้าใจกระบวนการเหมือนเราปุ๊บมันต่างฝ่ายต่างาวางความต้องการแล้วพอต่างฝ่ายต่างวางความต้องการแล้วต่างฝ่ายทําให้กันปุ๊บมันกลายเป็นอะไรทดี๋ยวกลายเป็นเชื่อมประสานแต่ก่อนนั้นนะมันจะอยู่กันแบบลักหนักกระทบกระทั่งตลอดใช่ไหมหนัเข้านัเข้ามันจะกลายเป็นเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันขึ้นมาเลย มันจะกลายเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะต่างฝ่ายต่างไปทาให้กันมันจะกลายเป็นเชื่อมประสานกลมกลืนที่ก็บอกว่าเมตตาเนี่ยมันเกิดรักปรารถนาดีเอื้อทอนไอ้ฝ่ายหนึ่งมันเมตตามันทำต่อการมันเอื้อทอนมันกลับกลายเป็นเชื่อมประสานกันอยู่ในตำแหน่งอยู่ในจุดที่เหมาะสมตนเองอยู่ในหน้าที่เภรรยาเยอะกอยงนะอีกคนนี้อยู่ในหน้าที่คนความเป็นสามีเอาละทีเีนะ อามีปฏิบัติต่อภรรยาภรรยาปฏิบัติต่อสามีต่างฝ่ายต่างมีกิจกรรมในการที่จะปฏิบัติต่อกันย่อเหมือนคำว่าเราอยู่กับผู้หญิงแต่เราไม่รู้ว่าผู้หญิงเขามีทุกข์กี่อย่างเนี่ยเออเราต้องอ่านเขาให้ขาดแล้วพุทธายาบอกความจรงิงของกระแสชีวิตของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่มาอยู่กับฝ่ายชายเนี่ยเขาต้องทุกข์อะไรย่อมรู้ไหมทุกในการที่จะต้องทิ้ง ไม่จะต้องจากพ่อแม่มาอยู่กับฝ่ายชายแปลว่าอะไรเขามีความคาดหวังว่าผู้ชายคนเนี้ยจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนําพาชีวิตของเขาไปสู่จุดหมายปลายทางที่หวังไว้เขาเขาคิดอย่างนี้เขาจึงมาเขาไม่ได้คิดว่าเอกคนคนนี้ยังไงก็ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาคิดว่าคนคนนี้แหละจะเป็นหลักนําพาชีวิตของเขาเนี่ยให้เขาถึงความสุขแล้วก็เข้าถึงจุดหมายปลายทางที่หวงัง เขาเขามีความหวังมีความเชื่อแบบนี้ผู้ชายต้องเข้าใจอย่าไปทําลายศรัทธาเขาบางคนนี่ตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะใช่ไหมเริ่มทําลายศรัทธาเขาตั้งแต่วันแรกไปเลยเนื้อเขา้าเนื้อเขหมดเลยตอนนี้เข้าว้าเวไหมนี่ผู้หญิงก็เข้าว้าเวสิ่เพราะความทุกข์ของผู้หญิงก็คือนี่แหละคู่ครองนี่แหละเขาเขาเชื่อมั่นในผูผู้ชายคนนี้ที่เขาเลือกแล้วตามสติปัญญาของเขาเนี่แหละ ว่าจะนำพาชีวิตของเขาปลอดภัยได้ใช่ไหมีมความทุกข์ข้อแรกของผู้หญิงความทุกข์ข้อผู้ข้อที่สองคือผู้หญิงเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายไงไอประจําเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่แหละมันทําให้ดินน้ําไฟลมในร่างกายมันแปรปรวนมาดินน้ําไฟลมแปรปรวนแล้วเนี่ยผู้หญิงจะหงุดหงิดง่ายฟุงซ่าน ง, ง่ายจิตใจจะจะกวัดแกว่งได้ง่ายผู้ชายก็ต้องเข้าใจเข้าใจข้อแรกยังไม่พอต้องเข้าใจข้อหลังด้วยนะข้อที่สองด้วยนะ ข้อแรกเนี่ยต้องบอกเขาบอกว่าเออเธอเธอต้องเชื่อมั่นว่าเธอเลือกคนถูกแล้ว <c oughs> ต้องกลับไปบอกเขาบอกว่าเออที่เลือกมอนตรีเนี่ยถูกแล้วไม่ใช่ไปไปใย้ยสารภาพบอก ว, <c oughs> ว่าเธอเลือกคนผิดแล้วเข้าใหญ่ยังเลือกถูกแล้ว ฉันพยายามข้นขวายหาข้อมูลความรู้ถึงแม้ฉันเพิ่งมารู้ความจริงวันนี้ก็ชื่อว่าเลือกถูกเขาใหญ่ยังจริงไหมริงเ อ, อเลือกถูกแล้วอย่างนี้ดีไหมข้อที่สองก็ทาความเข้าใจว่าโอ้ผู้หญิงถึงแม้ว่าจะหมดเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยภาวะความเปลี่ย น, ปนแปลงในร่างกายมันก็ยังเปลี่ยนว่นอยูนะ่เดือนหนึ่งเนี่ยแต่และเดือนก็จะมีภาวะความ ความไม่ค่อยมีเหตุผลของเธอเนะี่ยจะบอกออกมาเป็นระยะระยะในภาวะที่ร่างกายเนะี่ยมันแปลปวดเข้าใจยังแต่ผู้หญิงอย่าไปอ้างเอาเหตุผลตรงนี้แล้วแปลปวนยังไม่หยุดไม่หย่อน <c oughs> บอกเออฉันเป็นแบบนี้นะก็เลยโอ้โหแปลปวนใหญ่เลยตอนนี้ <c oughs> ผู้ชายก็ต้องเข้าใจในยามที่เธอเกิดความหมงุดหงิดแปลปวดในร่างกายก็ปลอบโยนฉลาดในการที่จะให้เหตุผล บางคนนะ่ะทําได้อย่างเดียวเองอน่ะเฉยคือไม่พูดเท่านั้นแหละคือมันคิดไม่ออกไม่รู้จะทํำยังไงแล้วมันไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรเฉยก็แล้วกันใครเจอไหมก็ไม่รู้จะให้เหตุผลยังไงให้ไม่มองไม่ออกไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขาก็ฟุ้งซ่านเขาหงุดหงิดเขาอยู่เรื่อยจะไม่ผู้หญิงใช่ไห ม, ไหมแต่และเดือนแต่และเดือนในครั้งหนึ่งจะเป็นแรงๆสักครั้งหนึ่งผู้ชายก็มึนมองไม่ออก ไม่เข้าใจไม่เข้าใจสภาวะของความเป็นหญิงแต่ถ้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยก็ปลอบโยนให้กำลังใจบอกวิธีการกินอันนี้ไหมทำอันนี้ไหมเออถ้าภาวะอย่างนี้พุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะอ่ะเราเลึกถึงพุทธคุณสิถ้าเกิดความกลุ่มเกิดความกลัวเกิดความเครียดขึ้นมาให้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดยังไง แม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระรหักฐานเป็นผู้ไกลจากกิเลสทัสรู้ชอบใดโดยพระองค์เองถึงพร้อมได้วิชาแปดจารณะสิพาเป็นผู้เสด็จปรดีแล้วเนี่ยเออระลึกระลึ ก, ลกไปที่เป็นไงจิต ด, ดีขึ้นไหมเออดีก็คิดถึงเธอจะมาจะคิดถึงพระเจากก้าจิตใจแล้วโปร่งโปร่งก็นี่เขาบกมีวิธีการานี้เป็นต้นอ่าทำมาอีกวันหลังเป็นใบใหม่เอาบทไหนอะเอาธรรมะคุณก็แล้วกันสว่าค้าโตอะไรไปเล อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าวิธีการกระจยอย่างหนึ่งสองสามก็หาวิธีการประการที่สามการอยู่ด้วยกันเขาจะต้องมีบุตรใช่ไหม เ, เมื่อสักครู่ที่นั่งอยู่น่าการแต่งงานเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคืออะไรวัตถุประสงค์หลักในพุทธศาสนาเนะยคำสอนพุทธเจะนี่เผอิญคนที่จะแต่งงานไม่เคยมี คอร์สเนยเข้าคอร์สการอบรมการการแต่งงานตามหลักแนวทางของพุทธศาสนาใช่ไหมเราไม่เคยเลยจริงๆมันควรจัดด้วยซ้ำไปควรจัดเนี่ยต้องประมาณประมาณสิบสิบห้าวันเนี่ยจัดคอร์สพวกนี้ประมาณสิบห้าวันเนี่ยจบจบหลักสูตรนะหลักสูตรพวกนี้แล้วจะโอเคมากเลยไ <c oughs> ม่ใช่มันจะเข้าใจ มันจะเข้าใจยกตัวอย่างเช่นว่าการมีครอบครัววัตถุประสงค์เพื่อเพื่อจะสร้างทายาทที่ดีนี่จุดหมายหลักเลยนะต้องการที่จะให้มีทายาทที่ดีมาสืบทอดจากเราเนี่ยได้ทายาทดีน่วิธีการที่จะทำให้คนดีคนมีบุญมาเกิดมีวิธีด้วยนะเราไม่เคยมีรู้วิธีพวกนี้เลยใช่ั้มอย่าแปลกใจวเวลาเรามีลูกมาทำไมเป็นอย่างนั้นเน่ ทำไมประหลาดประหลาดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอย่าแปลกใจอย่าแปลกใจเพราะเราไม่ในหลักการมีวิธีการว่าทำอย่างไรจะเอาคนดีมาเกิดในตระกูลนี้จเจริญกุศลอย่างไงตั้งอธิษฐานธรรมอย่างไงแล้วจะให้คนดีมาเกิดเมื่อได้คนดีมาเกิดแล้วเนี่ยเราจะอบรมให้ข้อมูลอย่างไรใช่ไหม ให้รู้จักกุศลนะกุศลยังไงรู้จักบุญบาปรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์หน้าที่ของพ่อแม่ต้องต้องแนะนําตั้งแต่แรกเกิดมาเลยจนถึงเกิดขึ้นมายัางไงเนี่ยแนะนําเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องชั่วแยกแยะทุกประเด็นสองศิลปวิทยาเขาควรรู้อะไรพ่อแม่ต้องต้อ ง, ต, องต้องฉลาดแล้วไม่ใช่ว่าโอ้แล้วแต่ลูกลูกชอบกฎหมายก็เรียนแต่กฎหมายนั่นแหละ แล้วมันชีวิตจริงมันมันมันอยู่แต่กฎหมายมันอยู่ได้ไหมเราไม่ได้เอกใช่ไหมมันก็ต้องรู้เรื่องสรีรวิทยากายวิภาคมันก็ต้องมีพื้นฐานสุดๆก็ต้องรู้ใช่ไหมเพราะมนุษย์เนี่ยมันจะถ้าไม่รู้พื้นฐานจะอยู่ยังไงมันต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ไหมว่าเศรษฐเศรษฐกิจของสังคมของประเทศชาติมันจะขึ้นจะลงยังไงมันต้องรู้เรื่องบัญชีไหมถ้าไม่รู้พังเลยนะชีวิตครอบครัวเนี่ย ระบบบัญชีไม่ดีเนี่ยพังบริษัททุกบริษัทเนี่ยถ้าบัญชีเนี่ยไม่ดีพังครอบครัวระบบบัญชีไม่ดีก็พังเป็นหนี้เป็นศินชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยระบบนี้พังอย่างเงี้ยนะมันต้องรู้หลายๆวิหลายอย่างแต่ชอบแบบไหนแต่พื้นฐานต้องรู้ยังไง่เหรอในสมัยข้าวพฤกาษศาสตร์นี่ต้องจบกันใช่ไหมเราแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากลับไม่ไม่ปูพื้นฐานว่าศิลปวิทยาที่ควรรู้และที่เราชอบเนี่ย ยามเขามีลูกเขาทุกไหมทุกอผู้ชายจะปอบโยนยังไงให้กำลังใจยังไงกระทบกับแม่กระทบกับเด็กยังไงโอ้ต้องฉลาดแล้วใช่ไหมหลักการที่เราจะต้องอยู่ต้องต้อ ง, ต, องต้องเกี่ยวข้องกับกับภรรยาต้องให้ข้อมูลยังไงดูแลหนึ่งคนแล้วกระทบสองเลยนะถ้าไปเบียดเบียนทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาก็สองคนจะมีปัญหาเลยนะไม่ใช่ชีวิตเดียวเนะสองชีวิตตอนเะนี้ย แล้วก็คลอดออกมาอย่างไรทุกจากการที่ต้องคลอดดูแลเลี้ยงดูและทกจากการที่เขาจะค่อยปนเปลือยฝ่ายชายผู้ชายต้องเข้าใจทั้งหมดอย่างที่เป็นต้นเข้าใจาไหมนี่รายละเอียดอย่างเงี้ยนี่เราไม่เคยเรียนกันเลยเข้าใจาไมห<ะ>ไมฮะก็เรียนชาตินี้ไว้ใช้ชาติหน้า <c oughs> ชาติหน้าจะได้ไม่ผิดพลาดก็ ย, ยังอาจารย์อยงนี้อยนี้ก็มันมมันไม่เหมือนเดิมนะครับ ไมีทอมมีดีมีเขาเยอะแยะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเ <c oughs> ตรียมตัวลาโลกอย่างเดียว <c oughs> ใช่ไหมเราไวเตรียมตัวลาโลกแล้วแมมรู้สึกเอาปัญหาเหมือนกับรัฐมนตรีมาเลยบางทีเขาไม่เลือกให้เป็นแล้วไม่ไหวเอาถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> แน่ในความทุกข์ของผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยงี้ลักษณะอย่ผู้ชายก็ต้องรู้ต้องเข้าใจพอรู้แล้วเข้าใจแบบนี้แล้วก็จะปฏิบัติแล้วก็จะเกิดจากความเข้าใจเลยนะทีนี้ก็อ๋อปฏิบัติได้ถูกมองก็รู้แล้วว่าเขามีสภาพจิตใจอย่างไงพฤติกรรมยังไงบุคลิกภาพยังไงออกมาจากสภาพจิตใจยังไงก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากอย่างนี้เป็นต้นนะนะชีวิตมันจะมีความสุขได้เมื่อเรารู้ความจริงตรงนี้แล้วปฏิบัติต่อกันถูก แต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้หนึ่งผู้ผู้ชายไม่รู้ความทุกข์ของผู้หญิงและไม่รู้หลักการปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาเนี่ยผู้ชายไม่เป็นที่จริงถ้าไปที่ไหนต้องยกย่องใช่ไมผมมีภรรยาคนนี้เป็นภรรยาต้องยกย่องเขายกย่อ ง, องและไม่ดูหมิ่นด้วยไม่ยกย่องนับถือแล้วไม่ดูหมิน่นไปหน้าที่ไหนเนี่ยต้องบอกคุณสมบัติของภรรยาตัวเอง ในจุดดีนะบอกกับเพื่อนบ้านภรรยาผมเป็นคนอย่างนั้นภรรยาผมดีอย่างนี้เนี่ยผมมีวันนี้ได้เพราะภรรยาภรรยาเป็นคนขยันมากตื่นแต่เช้ามากขยันทำมาคีดเลยบอกเนี่ยนะแล้วเป็นคนมีสติสมัชชัญยะรอบพอบอกบอกบอกเพื่อนบ้านทั้งหมดบอกเพื่ออะไรอะ่ะยกย่อง น, นอกจากยกย่องแล้วผู้หญิงได้รับเกียรติคุณอย่างนั้นผู้หญิงจะรักษาตัวเองดีขึ้นไหมเนี่ยนี่คือตรงเนี้ยผู้ชายต้องฉลาด เขาเกประชาสัมพันธ์ดีหลักการประชาสัมพันธ์ยกย่องภรรยาแล้วก็เป็นการประกาศบอกตนเองว่าตนเองมีภรรยาแล้วเข้าใจยังภรรยาจะรู้สึกกูโหยต้องศึกษาค้นคว้าตลอดเลยเพราะสามีมันยกย่องเราตลอดเข้าใจยังแล้วก็เอาส่วนที่เราทําดีไปชมไว้ทั่วหมดเลยอะถ้าเราทําไม่ดีขึ้นมายุ่งเลยยุ่งเลยงานนี้เข้าใจยังแล้วไม่เคยไม่ดูหมิ่นน่ะ หุดบกพ่องทั้งหลายก็ไม่โดมินไม่โดมิน่นภรรยาผมดีทุกเรื่องแต่เสียอย่างเดียวขี้บน่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันโดมินแล้วบางคนชอบไปนินทาเมียให้กับให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ไปลอ้อภรรยาก็เครียดใช่ไหมล่ะเนี่ยอหลักการตอนนี้มันหลักการปกครองเลยนะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยภรรยาโอ้ไปที่ไหนเออเห็นแฟนยังบอกว่ายัง เ, เ, เป็นคนขยันเลย โอ้โหยขยันแล้วพูดเพราะด้วยใจไหมโอ้โหพูดเพราะก็อีกเราใเนี้ยภรรยาสมัยโบราณสมัยค่าพัฒการเวลาสามีกลับมาจากทํางานเขาทําไงไหมเขาเดินลงจากบ้านไปจูงแขนขึ้นบ้านรับขึ้นบ้านเน่ยจูงแขนล้างเท้าให้จุงแขนขึ้นบ้านถามว่าสามีจะรักไหมเธอภรรยาแบบเนี้ย ไม่เคยทำแล้วสิถ้าโยมไม่เคยเลยใช่ไหมทำไม่ทันแล้วเนี่ยไม่เคยทําถึงขนาดนั้นใช่ไหมล้างเท้าให้แล้วก็จุงแขนขึ้นบ้านเคยไหมล่ะก็ไม่ได้ล้างเท้าเห็นไหมเนี่ยก็จุงแขนไงเดินลงมารอรับเลยจุงตอนเมาอ่ะ ยอมนิกไม่เคยทำเหมือนขนาดนั้นใช่ไหมโอ้โหเสียขายเลยแล้วเขาทาขนาดนั้นนนี่คือเขาทาเป็นศีลของเขาเป็นข้อวดัดเป็นข้อปฏิบัติของเขามันเป็นความงามมันเป็นมันเป็นสเสน่ห์เป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงมากราะฉะนั้นผู้หญิงจะฉลาดผู้หญิงฉลาดจะเป็นลักษณะสามีเนี่โอ้โหงใจก็คิดถึงภรรยาใช่ไหมจะทําอะไรนึกถึงภรรยาภรรยาฉลาด ไม่ใช่ว่าไปไหนมาบอกเดี๋ยวนี้นะยิ่งยุ่งเลยบอกมันซักเลยจะนอนไม่ได้นอนซักเลยดีไม่ถามมา่ชาติที่แล้วไปเกิดเป็นอะไรมาซักประวัติหมดนี้ ลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดใช่คือหลักการตรงนี้ยกย่องนับถือไม่ดูหมิน่นไม่นอกใจไม่นอกใจแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้อ๋อตรงนั้นจะทำยังไงภร ร, รยาก็เก่งเก่งเก่งแล้วก็หาเครื่องประดับให้ในการอันควรโอ้ผู้ชายเคยซื้อเครื่องประดับให้แฟนไหมล่ะ สี่ตาสี่สี่ตาสีอสีอ่ตาไม่กี่ตาครั้งเดียวคำ ว, ว่าในการอันควรเนี่ยแปลว่าอะไรในการอันควรเนี่ยแปลว่าโดยมากเนี่ยเขาหาให้แทบทุกปีทุกปีนะ มันเป็นศีลของผู้ชายไงมันมัน ม, มันเป็นหน้าที่มันเป็นข้อปฏิบัติที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาถ้าใครไปไม่ปฏิบัติตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันศีลไม่มีศีลไม่ทําศีลให้บริบูรณ์ ans, <Professional> ไม่เกิดเป็นเหตุทําให้ไม่ไม่ได้สุขติในภพต่อไปด้วยนะเพราะเป็นคนปฏิบัติศีลก็เดงไม่เป็น ที่หลักหลักหลักการพวกนี้โดยมากเราไม่ได้อย่างที่บอกไงเราไม่เคยได้มาศึกษาอบรมมันเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตจริงนี่ก็เรียกปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ทำทอทหารเพื่อเข้าถึงสูส่ทำทอทองทำก็คือฝึกตัวเองทําตัวเองให้มันถูก และเข้าสู่ธรรมะคือความจริงความดีงามความถูกต้องแบบนั้นเลยส่วนส่วนภรรยาล่ะหนึ่งจัดการงานดีใช่ไหมเก่งต้องฉลาดการงานในบ้านทั้งหลายฉลาดในการจัดการมากสองก็คือส่งเคราะคนที่เกี่ยวข้องของสามีดีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ตายายยายฝ่ายญาติของสามีส่งเคราะ ส่งข้อด้วยอะไรเขาขาดเหลืออะไรดูแลยังไงฉลาดจัดการโอเกคไม่นอกใจเก็บทรัพย์ที่สามีหาไว้ได้เป็นหู ด, ด้านบัญชีเก่งมากเรื่องทรัพย์เรื่องขยันจัดการแบ่งจัดจัดทัพย์เองเรื่องการกสุขเกิดแต่การมีทรัพย์ใช่ไหมสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สุขเกิดการประพฤติกรรมที่ไร้โทษใช่ไหม นั้นเวลาทรพัพยที่หาไม่ได้สามีที่หาไม่ได้วความหมั่นได้เรยวแรงด้วยกําลังอย่างอาบเหงื่อต่างน้ําได้มาโดยทําเป็นของชอบทำ <c oughs> ได้มาแล้วเนี่ยสามีภรรยาเก็บครบมาจัดสรรยังไงดูแลตนเองให้มีสุขยังไงอดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องลูกเออย่าดเอยบุคคลที่เกี่ยวข้องบริวารญาติไม่ได้มีสุขยังไงแล้วก็จัดสรรใช้ทรัพย์ทําความดีทําประโยชน์ยังไงโอ้ต้องมาจัดสรรรายละเอียดทรงนี้ หลักสา ม, มาชีวะตรงนี้เราไม่เคยเอามาศึกษารายละเอียดกันว่าเออหลักการใช้ชีวิตยังไงที่มันจะถูกต้องดีงามใช่ไหมไอ้ตรงนี้ขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการหลักโดยสรุปคืออย่างนี้ขยันเ่ยไม่ประมาทได้ฉลาดจัดการเนี่ยผู้หญิงต้องเก่งเรื่องนี้โอ้ต้องไปเรียนหลักการเป็นหกกปนหลักการเป็นภรรยาที่ดี น, น <laughs> ถ้าไม่ทำตรงนี้ ก็ก็ไม่ประพฤติศีลก็เป็นเหตุให้เกิดทกติด้วยนะอีเช่นประพฤตินอกใจไม่ประพฤตินอกใจแล้วก็เก็บซัติีศสามีหาไว้ได้ขยันไม่เกียจค้านในกิจการทั้งปวงโอ้ดีนี้หนักเลยนะผู้หญิงเนะี่ยเป็นคนขยันตื่นก่อนนอนที่หลังเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อ <laughs> เป็นคนขยันจริงๆก็คือเป็นคนฉลาดในการจัดการขยันในในการจัดการกิจการต่งางๆอันนี้หลักการอย่างนี้คือเป็นหลักการปฏิบัติเห็นไหมเขาปฏิบัตินี่เขาเรียกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็อย่างนี้พอจะมองเห็นไหมอันนี้แค่สามีภรรยาไม่ต้องวางพ่อแม่ลูกลูกกับห่อแม่โอ้ยยังต้องปฏิบัติต่อกันอีกในชีวิตจริงตรงนี้มันก็ต้องเอาเอาหลักการตรงนี้มาวาง เขียนเป็นกราฟเขียนเป็นชาร์ตขึ้นมาแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติในครอบครัวแต่และครอบครัวมันจะรู้ทันทีเลยว่าพ่อแม่ปฏิบัติถูกลูกปฏิบัติถูกสามีภรรยาปฏิบัติถูกหรือไม่เลยไหมขาดตกบกพร่องตรงไหนมันจะเห็นเลยนี้แล้วก็มาบอกทั้งรายละเอียดอันนี้เป็นข้อฝึกแล้วปฏิบัติต่อกันอย่างไรมันไม่ใช่ปฏิบัติแบบเคร่งเครียด ปฏิบัติต่อการด้วยเมตตาอย่างไงด้วยกรุณายัางไงด้วยมุทิตายัางไงโอ้เดวนี้หลักธรรมมา ท, ที่จะมันเป็นหลักปฏิบัติต่อกัรมันจะมีความสุขตรงเนี้ยตรงที่ได้ประพฤติธรรมในชีวิตจริงๆเพราะมองเห็นัหมเออหลักการก็อย่างนี้หมดเวลายังอา้าวให้ถามปัญหาปนะ่ะใครจะถามป่ะเลยไม่ได้เบรกเลยเอา้าเชิญ <c oughs> อะไรนะ อ๋อย <c oughs> อยู่ในข้อของลูกเพื่อพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ทำไมเลยอ๋อถ้าทำบุญูทีใ่ให้กับผู้ตายแล้วทำแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดชั้นไหนยังงั้นจะไม่ถามกันเลย <c oughs> อยังหวังผลยาดคืออย่างนี้อย่างท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเนี่ยเป็นหน้าที่ของลูกทำกิจของท่านใช่ไหมท่านทำกิจการใดๆที่ยังมีกิจการค้างๆตงลางแเราก็ทำดํารงวงตระกูลในที่นั้นก็คือไม่ทำให้วงตระกูลที่สืบทอดมาเสียเสื่อมเสียชื่อเสียงรักษาวงตระกูลรักษาข้อปฏิบัติตรืองให้ดีงาม ทำตนให้เหมาะสมกับการเป็นทายาทที่ดีหรือที่ได้รับมรดกข้อสุดท้ายก็คือเมื่อท่านล่วงลับกับบุญอุทิศนี่เป็นกิจของทุกคนต้องทําทีนี้การทําบุญอุทิศเนี่ยส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับเนี่ยให้กับญาติคําว่าญาติในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ญาติที่เราจําได้คําว่าญาตินังเนี่ยญาติทั้งหลายศัพท์เนี่ยมันแปลว่าญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายคือ ในสังสารวัตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเรามีญาติมากมายซึ่งเราไม่เคยรู้จักชื่อเขาเลยเพราะมันลืมถูกพบทับถมมากมายญาติเราไม่รู้กี่ล้านล้านคนแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะจำได้แค่พ่อกับแม่เราเนี่ยหรือบางคนก็าจำได้ถึงปู่ตายายายายเลยเป็นทุ่งเป็นทวดไปเนี่ยนึกไม่ออกมเลยไอ้ที่สืบทอดมาจากเชื้อสายเราจนถึงเราปัจจุบันเนี่ย มันเท่าไหร่ยิ่งเยอะใหญ่ใช่ไหมละ่ะพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆลองจะสืบทอดมาเนี่เรามีพ่อมีแม่พ่อมแม่ก็มีพ่ อ, ม, พอมีแม่ลองสืบทอดไปเรื่อยๆๆๆก็คือญาติจนถึงขนาดว่าพุทธิย่าท่านบอกว่าในสังสารวัตฏเนี่ยบุคคลที่ไม่เคยเป็นญาติกันน่ยไม่มีเนี่ยขนาดนั้นนะฉะนั้นเวลาเราจะทําความดีทํากุศลโดยเฉพาะบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลและถวายแต่สองมีพุทธิย่าเป็นประมุกเนี่ยเป็นบุญกุศลที่ใหญ่มาก ท่านจึงบอกว่าให้อุทิตส่วนกุศลทุกครั้งบรรดาญาติทั้งหลายเนี่ยเขาจะดูคอยดูเราอยู่ขอทีนี้ถ้าเราไม่เอ่ยไ ม, ไม่ไม่อนุญาตบุญที่เราทําเนี่ยให้เขาร่วมอนุโมทนาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไอ้ตรงเนี้เขาก็จะน้อยใจร้องไห้ว่าญาติลืมเราแล้วหนอเป็นต้นฉะนั้นการทําบุญตรงเนี้จึงต้องอุทิศเขาใลายอย่าง ขอบุญนี้จงสำริดผลแก่ญาติทั้งหลายข้าพเจ้าเนี่ยขอญาติทั้งหลายข้าพเจ้าจงมีความสุขเนี่ยตั้งอุทิศทุกครั้งในขณะที่ให้ทานเป็นต้นส่วน ญ, ญาติจะได้หรือไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องของญาติแต่เขาต้องทําเราก็ทำเองหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราต้องทำเนียหน้าที่ของญาติก็ต้องหมดหัเข้าหมดหนาเขาเห็นการกระทำเขาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะมองออกอย่างแต่ถามว่าการให้ทานลักษณะอย่างนี้ จะได้ผลอย่างไรก็ต้องดูว่าเรามีความเข้าใจอย่างไรถ้าเราอุทิศส่วนกุศลแบบเนี้ยเพื่อหวังว่าเราจะได้ตายไปแล้วเราจะได้รับผลของทานถ้าคิดอย่างเนี้ยกุศลชนิดนี้ก็ทําให้เกิดจาตุม่มหลักการเดียวกันแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ควรทําถ้าทําบุญแล้วอุทิศอย่างนี้มันก็ได้ด า, ดาวดึง ถ้าทําตามประเพณีปู่ตายาย้ายก็เคยอุทิศส่วนกุศลเราก็ต้องอุทิศส่วนกุศลนี้เป็นต้นมันก็เกิดในในในชั้นในชั้นยาหม า, มาเนี่ยก็ไล่ไปตามลําดับเหมือนกันเลยแต่ถ้าทําที่อุทิศส่วนกุศลเนี่ยเพื่อประดับจิตตกแต่งจิตเพราะต้องการสละกิเลสจริงๆเราต้องการขัดเกลวแต่ตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทําแต่วัตถุประสงค์ต้องการขัดเกลวต้องการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์จริงๆเนี่ย ในกรณีอย่างนี้มันก็จะเป็นปัจจัยเพื่อพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ mm hmm. ก็เป็นทานที่มีผลมากและมีอ น, นิสงส์มากด้วยเข้าใจยัง hmm. อย่างนี้ไม่ถูก mm hmm. มันได้เฉพา ะ, บบะ ก, าก็ยบบกก อ, อย่างนั้นก็ว่าไปเอาใครเป็นประธานเอกเนน <c oughs> เอก็ได้ <c oughs> แต่ประเด็นคือ เออได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้อุทิศให้กับญาติทั้งหมดมีลูกเป็นต้นบอกงนนกั้นก็ก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือว่าการให้ทานแต่ละครั้งต้องอุทิศให้ญาติทั้งหมดได้หลักการอย่างนี้และการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยการให้ทานก็ดีต้องมุ่งตรงต่อพระนิพพานอย่ามุ่งตรงวัตถะ นี่ um, ตามหลักคําสอนเลยเนะยต้องมุ่งตรงต่อพระนิพพานมุ่งต่อการขัดเกลาถ้าเรามุ่งตรงต่อวัฏฏะมันจะเป็นทานที่มีผลมากแต่อานิสง์ไม่มากแต่ yes, ตมุ ras, ่งตรงที่พระนิพพานคือการหมดกิเลสและกองทุกเนี่ยมันจะมีทานที่มีผลมากด้วยและอานิสง์มากด้วยเข้าใจงั้นนะพอเข้าใจไหมยากไหมยากคือเวลาที่เราจะคิดทานนี่นะครับถือว่าเราสวดมนต์แล้วเราคิดสวดมนต์ให้กับญาณหลายนี่นครับ ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้สั้นหรือยาวก็อิทางยาตินังโหตุสกีตาโหตุยาตโยต้องรู้ความหมายด้เนี่ยไม่ใช่ท่องไปไม่รู้เรื่องเลย เขาคือใครต้องบอกอย่างนี้ญาติต้องได้แน่นอนแต่ไม่รู้ญาติรุ่นไหนแต่ต้องได้ทุกครั้งก็อย <st> ่างที่พระเจ้าพิมพิสารใช่ไอายกตัวอย่างในเรื่องนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ในสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ย ไปแอบกินของสงฆ์รักของสงฆ์ไปบริโภคแล้วกลุ่มญาตตอนนี้มากเหลือเกินเกิดเป็นเปรตแล้วก็ทุกทรมานมาในเป็นพุทธันดรกับพระเจ้าไม่ได้จนพระเจ้าองค์ก่อนก็มาบอกว่าเดี่ยวหมูเปรตก็บอกกับตนเองจะได้รับผลของฐานนี้เมื่อไรบอกว่ากรรมของเธอยังไม่หมดกําลังลงมันปิดบาปหมดแล้วไม่มีใครจะระลึกถึงเธอได้แล้ว เพราะบาปรกรรมมันปิดมากต้องไปในพระเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยคือพระเจ้าองค์ปัจจุบันนั้นเธอต้องคอยไปอีกโหนี้อีกพุทธันดรนหนึ่งก็คือเปรเหล่านั้นก็พากันดีใจว่าอีกพุทธันดรนหนึ่งเราจะได้กินอาหารแล้วเป็นประดุดดังว่าวันพรุ่งนี้จะถึงแล้วคอยอย่างนั้นตลอดเนาะงคอยตลอดเวลาพอมาถึงพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย พระเจ้าพิมพิสารก็เลยลึกไม่ออกทําบุญก็ไม่อุทิศให้หมู่เปรตก็พากันร้องรั่นทั้งทั้งผัดประเทศร้องโอ้โหในพระราชวังเสียงเสียงน่าเกียรตดน่ากลัวดังขึ้นมาท่านก็ตกใจตึ่มาเฝ้าพระเจ้าวันลุ่งขึ้นว่าจะเกิดอาเพศอะไรเพิ่เนี่ยพระเจ้าก็บอกไม่ใช่อาเพศอะไรหรอกญาติของเธอญาติของของพระเจ้าแผ่นดินของมหาวพิษเนี่ยปรารถนาบุญ นะวุพิษหมาวุพิษเนี่ยไม่ไม่ไมอุทิศส่วนกุศลเลยก็เลยถามว่าจะให้ท่านทําไงก็มีกิจกรรมในการเจริญกุศลขึ้นมลญาติเหล่านี้ไม่มีเสื้อผ้าพระเจ้าพิมสารก็อุทิศผ้าตรายจีวรถวายแต่งรงให้สังเกตนะเปรตเหล่านั้นเขาไม่สามารถแสวงไม่มีเงินทองไปแสวงหาซื้อเสื้อผ้าได้ถ้าเขาปราถนาเสื้อผ้าทํายังไง พระเจ้าพิมพสิสารโสบาสิกาก็อุทิศผ้าไตรกีวรที่เหมาะสมแก่สงเห็นไหมพออุทิตพอถวายแด่สงปุ๊บแล้วก็บอกว่าพอพระรับปุ๊บท่านก็บ่าขอบุญนี้จงสําเร็จกแก่ ญ, ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าหมูเ่เปลศเหล่านั้นไม่มีเสื้อผ้าก็ยกมือสาธุสาธุสาธุขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จปุ๊บผ่านเป็นเทปก็เกิดขึ้นกับโมปเปลศนั้นทันที ไม่ใช่จีวรไปเกิดขึ้นกับหมู่เปลศเขาจะใจยังถ้าอันเป็นทิพย์เพราะว่าเป็นการให้ทานเนี่ยเลือกไงไหมเลือกของที่เหมาะแก่ผู้รับเลือกผู้รับที่มีศีลแล้วก็อุทิศส่วนกุศล น, นั้นให้กับหมู่เปลศหมู่ญาติเนั้ยก็โมทนาถ้าเขาไม่โมด ถ, ถ้าเขาไม่โมทนาจะได้ไหมไม่ได้ต้องโมทนาการโมทนาคือการเขาต้องทําเองแล้วเขาก็ได้เอาตอนี้มีเสื้อผ้าแล้วไม่มีอาหารทําไงต่อ ท่านจัดอาหารอันปลาหนีดมีรสเลิศที่เหมาะแก่สงเหมาะแก่สงนะเหมาะแก่พระสงฆ์นั้นเพราถวายอาหารปุ๊บพระท่านรับแล้วท่านก็อุทิศว่าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ ญ, ญาติทั้งหลายครับพระ้าหมู่เปลตก็สาทุ่สามครั้งนี้อาหารอันเป็นทิพย์ก็ฟุบเกิดขึ้นกับหมู่เปรตนั้นนี่ทีนี้ไม่มีที่อยู่ทาําไง ก็สร้างเสนาสนาฐานถวายแด่สงแล้วก็อุทิศอีกโมเปร์นั้นก็สาธุสาธุวิมานอันเป็นเทียก็ปรากฏเกิดขึ้นแก่โมูเปร์นั้นมองเห็นอย่างเอาไม่มีสระน้ําก็ขุดสระในเชตาวันออในเวรุวันนะถวายแด่สงสะออระโบกอันเป็นครรเลียเป็นเทียก็เกิดขึ้นแก่โมู่เปร์ได้อาบน้ําได้ชำระกาย ไม่มียานพานนะทำไงก็ถวายร่มและรองเท้าแดดสองเพราะถวายเสร็จปุ๊บก็อุทิศยานทานยานพานนะก็เกิดขึ้นกับหมู่เปรตเขาจะยังตัวเนี้ยหลักการคืออย่างนี้แล้วเราทำแบบนี้ไหมเจริญยไป ยันบอลข้อที่หนึ่เจ้ากรรมในเวนมีจริงืออืข้อที่อไมมนุษย์เราเนี่ยึงแสวงหาความสุขไม่ต้องการาทุกข์การที่ความสุขความทุกข์นั้นมันก็ไม่แน่อข้ออืมออ๋อข้อข้อแรกว่าไงนะเจ้ า, าออรกรรนะม คือคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นคำที่ใช้มาที่หลังเป็นภาษาของคนไทยที่ใช้กันมาเนี่ยคำว่าเจ้ากรรมและนายเวรเนี่ยจริงๆเ่ในหลักของการแผ่เมตตามันจะมีการแผ่เมตตาให้บุคคลหนึ่ง เขาเรียกว่าอัตติปิยาบุคคลบุคคลที่เคารพยิ่งที่เป็นที่รักอย่างยิ่งสองปิยาบุคคลบุคคลที่รักธรรมดาสามก็คือมัชชตาบุคคลบุคคลที่เป็นกลางกลางสี่เวรีบุคคลเวระเนเวนเนี่ยคือบุคคลที่เป็นคู่เวนกันคนที่เป็นคู่เวนกันคือใครประเด็นที่ยอมถามเนยบุคคลที่เป็นคู่เวนกันคือบุคคลที่เกลียดกันเนี่ รังเกียจกันโกรธกันคนที่โกรธกันรังเกียจกันปะทุสลายกันแล้วก็อะเคียดแค้นต่อการต่อว่ากันมันจะมีคําว่าเวรีบุคคลระดับไหนระดับเกลียดกันมากๆก็มีเกลียดกันแบบไม่เผาผีกันเคยได้ยินไห ม, มโกรธกันแบบไม่เผากันเลยเคยได้ยินไห ม, มเคยแล้วพวกเราเคยไห ม, มเคยโกรธใครบอกว่าเอาละฉันจะไม่เผา จะไม่เผามันแล้วเงี้ยเคยมีเนี่ยจะขอโกรธอาฆาตจองล้างกันไปอย่างเงี้ยอย่างงี้ยเขาก็เวรีบุคคลบุคคลที่เป็นคู่เวรกันฉะนั้นบุคคลที่เป็นคู่เวรกันเนี่ยเวลาเราจะแผ่เมตตาให้นะมันแผ่ยากพอคิดถึงทีไรมันก็เครียดกินแล้วสังเกต ด, ดูไหมบางคนถึงขนาดบอกว่าคนอื่นได้แต่คนนี้ขอไว้คนได้ไหม โกรธมันแล้วกรธมองไม่ไหวคิดที่ไรเราเปนเครียดกินว่างั้นเลยะยอมเคยเป็นงั้นไหมถามว่าเกิดมาในอัตภาพนี้ยอมมีคู่เวีนแบบนี้ไหมมีคนที่เราโกรธทุกวันยังโกรธอย mm. ู่มีไหมมีโอเคมีนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเวรีบุคคลทีนี้คำว่าเจ้ากรรมเนี่ยมาใช้เพิ่มทีหลังภาษาเนี้ยแต่อันเดิมคือเวรละคนที่เป็นคู่เวีนกัน เราก็เลยมาเรียกคนประเภทนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรคนที่เราโกรธกันเกลียดกันอาฆาตกันนี่แหละทีนี้พูดเจาะลงให้เลือกเวลาเราอยู่กับพ่อแม่อยู่กับสามีภรรยาเราทะเลาะกันบ่อยไหมความจริงนะขัดเคืองกันบ่อยไหม ถ้าไปปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าคนที่เป็นเวรีกับเราจริงๆก็คือคนที่ใกล้ชิดน้อยเนื้อต่ำใจกันโกรธกันว่ากันบ่อยที่สุดแล้วเวลาเราระลึกเราจะนึกถึงโอ้เราเคยปฏิบัติไม่ดีต่อกันเยอะมากเอเวรีบุคคลมันคือคนใกล้ตัวคนใกล้ๆเรานี่แหละลูกก็ดีภรรยาก็ดีสามีก็ดีพ่อแม่ก็ดีนี่เคยโกรธกัน ว่าการรักกันอยู่วนวนวนอเนี่ยคือเวลาบุคคลเวลาบุคคลคนที่เคยน้อยใจกันโกรธกันแต่มันไม่ได้อาค่ากันแบบประเภทที่จะไปฆ่ารักเผ่าพันธุ์เหมือนกับคนบางคนนะแต่นี้แหละคือกลุ่มอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนที่เป็นคู่เวรกันหลักการในพุทธศาสนาสอนอยังไงถ้าตราบใดเรายังไม่คัดบอดล็อกในใจตรงนี้ได้ โอกาสไปสุขติยากมันมีข้อแม้อย่างนี้เพราะใจเราเป็นมโนโทุจริตมันมีความลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวก็คือลำเอียงเพราะโกรธเมื่อใจเรายังมีอคติอยู่อย่างนี้อยู่ชื่อว่าใจเรานั้นไม่เป็นมโนทุจริตมองออกอย่าง เพราะเรายังมีความรักคนนี้เกลียดคนนี้ชอบคนนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้ยังไม่จัดว่าเป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยว่ามาฝึกว่าต้องฝึกจิตของตนเองให้เข้าถึงคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่ก็คือฝึกพรหมวิหารเลยก็ฝึกฝึกเมตตาให้เกิดขึ้นก่อนอันดับแรกรักตนเองไหมรักแล้วก็ทำความรักตนเองให้เกิดขึ้นแล้วหนัเข้าก็จงนึกถึงคนที่เราเคารพรักไหมรัก ทำตนเองกับคนที่เขาเราเคารพเนี่ยให้มีความรักเท่ากันได้ไหมทําฝึกจนบาลานได้สมดุลได้สมัตาจนเท่ากันได้นี่สําเร็จหนึ่งคู่แล้วอต่อไปกับคนที่รักธรรมดาบี่ญบุคคลธรรมดาเนี่ยฝึกไปฝึกมาให้รักเท่ากับตัวเองนี่สําเร็จแล้วคู่ที่สองคู่ที่สามก็ฝึกไปกับบุคคลที่เราเฉยๆดึงขึ้นมาให้รักเหมือนกับรักตัวเองฝึกใจให้ได้สมัตาให้ได้สมดุลให้ได้ดุนยภาพ เออได้แล้วคู่ที่สามแล้วต่อไปฝึกไปหาคนที่เราเกลียดเป็นคู่เวนึพอมองไปพบอุ๊ยมันยังไม่ได้ก็กลับมามองตัวเองใหม่ฝึกคู่อื่นใหม่จนชํานาญแล้วค่อยฝึกจิตตนเองกลับไปหาคนที่เราเกลียดจนสามารถรักตนเองกับรักคนที่เป็นเราเกลียดได้เท่ากันฉันใดนี่ก็าเรียกว่าสอบความสําเร็จดงนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยต้องแผ่ให้ได้อย่างนี้จริงๆมันถึงจะเข้าหลักถึงจะ ปลดล็อกคำว่าเวรีบุคคลได้จนกลายเป็นว่าบุคคลเหล่าเนี้ยไม่มีอิทธิพลในจิตใจเราทําให้เราลักปรารถนาดีกับเขาเหมือนลักตนเองนี่ท้งใจนะถ้าทําได้อย่างนี้เขาเรียกประสบการณ์สำเร็จเท่าไอย่างนั่นแหละตัดวงจรคําว่าเวรีบุคคลได้และเราก็จะได้ไม่มีอคติในใจแล้วใจเราถึงจะเป็นปลอดโปร่งลงอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไอ้เจ้ากรรมในเวร ถ้าปลดล็อกตัวนี้ไม่ได้ได้จะแพ้เฉยๆเอ้ยอุทิศส่วนกุสลให้เจ้ากรรมนายเวรแต่ใจเรายังปลดล็อกในใจตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ผลเขาใหอย่ายงนี่นี่ประเด็นที่หนึ่งพอจะเคลียร์ไหมตรงเนี้ยพอชัดเจนไหมเดีขึ้นนะฮะ <c oughs> นั้นตรงนี้หน้าที่ของยองก็ต้องไปฝึกให้ได้ฝึกจนรู้สึกว่าเอาตนเองเป็นประมาณก่อนนะ ให้รักตนเองชั้นใดก็รักคนอื่นให้ถือว่าเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้คิดอย่างนี้จนสามารถปลดล็อกในใจได้บางคนเนี่ยเคยเกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยากันมาแล้วเกิดไปผิดใจกันเดินกันคนละทางขึ้นม า, าก็โกรธกันเขาเรียกว่าเกลียดฝังหุ่นไงโกรธฝังหุ่น ก็แปลว่าไม่เผาผีไม่เผากันเลยผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเขาว่างกันนั่นเองเนี่ยอาการแบบนี้เขาเรียกอาคาดถามว่าอาคาตเราอาคาดเขาถ้าเขาไม่อาคาตเราเนี่ยบาปไม่ได้ตกกับเขาตกกับเราและเขาไม่อย่างยกตัวยอย่างเช่นพระเทวทัตกับอะกับพระพุทธเจ้าในอดีตถ้าย้อนกลับไปนี่นะ โลกใบที่ห้าโลกนี้แตกมาห้าใบเนี่ยตั้งแต่พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเจอกันนีย้อนกลับไปโลกใบที่ห้าตอนนั้นเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อค้าทีนี้เป็นพ่อค้าเสร็จแล้วก็ไปค้าขายไปเอาของไปแลกของเก่าก็เลยนัดหมายกันว่าเอ่อใครจะไปด้านซ้า ย, ายใครจะไปด้านขวา พระเทวทัตไปด้านซ้ายพระโพธิสัตว์ไปด้านขวาอดีตพระเทวทัตเนเดินวนไปที่ไปเจอสองตายายเอ้ยยายกับหลานเป็นสายเป็นในเศรษฐีตกยากหลานอยากได้เงินอยากได้ทรัพย์ยายไม่มีก็มีไอ้พ่อค้าของเก่าเนี่ยผ่านมาอดีตคือพระเทวทัตเนี่ยก็เลยเอาถาดเก่า ซึ่งก็ไม่รู้ลืมไปหมดและวถาดนี่ถาดเก่าที่จริงมันเป็นทองคํามันหมองแล้วข้างนี้ยทีนี้พอจะมาแลกของพอมาให้อดีตพระเทวทัตท่านดูเนี่ยท่านก็เอาเข็มไปขีดปุ๊บจึงรู้โอ้ยนี่ทองแท้แต่ด้วยความอยากจะได้ราคาถูกก็เสแสร้งว่าเป็นถาดปลอมเนี่ยจะเป็นเป็นของไม่มีราคาแต่หมายตามว่าเดี๋ยวจะกลับมาเข้าใจใช่ไหมเพื่อจะได้ให้ราคามันลดลงเนี่ย บอกแล้วก็พูดยาย ห, หลานก็ร้องไห้ยายก็บอกเท่าไหร่ก็เอาไม่บอกไม่บอกว่าของไม่มีราคาของไม่มีราคาแต่ใน ใ, นใจคือเสร็จเราแน่นี่นด้วยความมีเล่ห์เหลี่ยมเดี๋ยวนี้แหละก็เลยเดินจากไปต่อมาบริษทัทเดินไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เลยเดินกลับมาก็มาผ่านเนี้ยยายหลานนี่แหละยายหลานก็เอาถาดมาให้มาแลกเพระพาะบริษัทท่านดูเพราะอี้นี่ทอง บอโอ้ของที่นํามาทั้งหมดยังไม่พอแกถาดใบนี้เลยเขาพูดความจริงอย่างเนี้ยนะยายก็บอกโอ้ท่านท่านเป็นคนมีคุณธรรมเอางี้เลยขอของทั้งหมดเนะี่ยที่เอามาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วยกถาดให้เลยพระพศศริสัทธ์ก็เอางั้นเหลืองก็เลยให้ทั้งหมดเลยแล้วก็แถมอะไรให้ทั้งหมดที่ทํามาหมดแล้วก็ได้ถาดใบนึงก็กลับกลับไปก็นั่งเรือกลับไปเลยทีนี้ อดีตพระเทวทัตกลับมาหวังจะได้ไอ้ถาเนี่ยมาเห็นยายนี่ก็บอกว่าตําหนิด่าด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีมีพ่อค้าที่มีคุณธรรมท่านเลยมอบถาดให้เข้าไปแล้วเขาให้ของฉันหมดเลยท่านต่างหากที่ว่ามันของไม่ดีไม่มีราคาโอ้แคนมากวิ่งไปวิ่งไปที่ท่าน้ําก็เห็นเรือท่านพายเรือก็ตะโกน เอาของชันมา้าเอาของชันมาเอาบริษัทก็พายเรือหนอีก็เลยผูกอาฆาตมิข้างแรกเลยนะของชีวิตนี้นว่าจะตามล้างตามผ่านทุกอัธพาเนี่ยจองเวรกันอย่างนี้แล้วสวยเลยอีกคนหนึ่งเขาไม่โกรธด้วยเข า, จาใจยังแต่เจ้าตัวเนี่ยคืออดีตพระเดียรท่านนะไปผูกอาฆาตผูกพยาบาทอย่างเนี้ย แล้วก็บอกจะตามจองเว้นทุกอัตภาพเวลาเวลาไม่เจอพระโพธิสัตว์ในอัตภาพไหนจะได้ดีทุกชาติเลยแต่ถ้าไปเจอเมื่อไหร่ไปทำบาปกับคนที่เขาไม่โกรธตอบนี่ตกนรกทุกอัตภาพเลยเจอกันไม่ได้แม้ชาติปัจจุบันเนี่ยพอมาเจออีกลงเอาเวจีไปเลยตอนนี้เนี่ยโทษของการผูกอาฆาตมันเป็นมันเสียหายแบบนี้ ก็เห็นโทษแบบนี <S <S well, ้เสียมันจะได้ละได้เข้าใจย่างพอเบาลงไหมอาวนี่ประเด็นหนึ่งก็คือคือเรามองอย่างนี้ ความสุขมันมีไหมความทุกข์มันมีไหมถ้าว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันมีแต่ถ้าว่าโดยสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยสุขมันไม่มีแต่ทุกข์นั้มันมีมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเน้นพูดโดยสภาวะมันมีอยู่จริงทุกข์เนี่ยแต่สุ ข, time, สข them, like them, um. มันไม่มีอยู่จริง สุขเนี่ยมันเป็นของยกได้อย่างเช่นสุขเวทนาสุขใจแวบๆบเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสุขเขาเรียกว่าวิปริณามะทุกทุกที่มันเปลี่ยนมันไม่คงทนไม่ถาวรไม่มั่นคงเลยเขาเลยจึงเรียกว่ามันเป็นทุกเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรียกว่าวิปริณามะทุกเพราะมันเปลี่ยนไม่ใช่สุขไม่มีทุกไม่มีจริงๆเน่ยทุกเนะ่ยมีอยู่ ใช่ไหมแต่คนที่เห็นทุกข์นะมันไม่มีมันไม่มีตรงเนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละอย่างเช่นสัจจะความจริงข้อแรกเนี่ยเขาเรียกทุกขศาสตร์ใช่ไหมที่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันคือกฎความจริงเช่นเกิดเนี่ยเป็นทุกข์เป็นมหันตภัยข้อแรกแก่ก็เป็นทุกข์เป็นมหันตภัยข้อที่สองความเก็บไข่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโสความร่ำไรรำพันุเนี่ยมันเป็นทุกข์ เป็นผลไปว่าไปนั่นแหละกระแสของชีวิตที่มันเกิดดับสืบต่อเนี่ย น, นี่เขาเรียกทุกนี่คือความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่มนุษย์เราเนี่ยเวลาไปใช้ความรู้สึกไปรู้ความจริงเนี่ยเลยไปดึงเอาทุกธรรมชาติมาไว้ในทุกในใจเราเข้าใจยังพระเจ้าสอนว่าเห็นทุกเนี่ยใจต้องเป็นุข แต่เราไปเห็นทุกข์แล้วเราไปดูดทุกข์มาไว้ในใจเรามันเลยกลายเป็นทุกข์ซ้ำซ้อนเนีเช่นปัญหาเรื่องภารคทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันเป็นทุกข์นะแต่พอเราไปรับรู้สิ่งเหล่านี้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเราเลยไปดึงทุกข์ของธรรมชาติมาไว้ในทุกข์ในใจเราเช่นเห็นแม่เป็นทุกข์พ่อเป็นทุกข์หรือว่าเห็นเขาเจ็บป่วยทั้งหลายเราก็เลยไปดึงเอาความรู้สึกนั้นมาใส่ในใจเราก็มาปั้งปุ้งแต่งทําให้ทุกข์ทำให้เครียดทำให้กลุ่มอย่างนี้แหละเกาเรียกว่าปุ้งแต่งทุกข์ แท้ที่จริงถ้าเห็นทุกข์คือความจริงอย่างนั้นแล้วเนี่ยใจต้องเป็นสุขให้นึกถึงพระดํารัสของพระพุทธเจ้าว่าโอ้เป็นจริงแท้ไม่แปรฝันไม่แปรผันพระพุทธเจ้าบอกความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์มันเป็นจริงๆเนี่ยอาการที่เห็นผมหงอกฟันหกักหนังเหี่ยวย่นสลีล้ค้งงอเนี่ยพอเห็นความจริงตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บตื่นเต้นปิติเกิดอาปิติเกิดตรงไหน พระดำรัตของพระเจ้าจริงแท้ไม่แปรผลันพอไปเห็นความจริงอย่างนี้ใจเลยเป็นสุขถ้าเห็นทุกข์ด้วยปัญญาใจมันเป็นสุขถ้าเห็นทุกข์ด้วยใจเอาใจเข้าไปรับเนี่ยมันกลายเป็นเพิ่มทุกข์ก็ใหญ่ยังฉะนั้นหลักชาวพุทธเนี่ยสอนให้เห็นทุกข์แต่ใจต้องเข้าถึงความสุขมันมีกําลังใจมีพลัง เห็นความจริงแล้วต้องชื่นใจสิไม่ใช่เห็นความจริงแล้วเข่าอ่อนคนละเรื่องเลยทีเนี้ยเอาใครจะถามอะไรไหมเนี่ยจะหมดเวลาแล้วข้อหน่งเรื่องสีห้านะครับถ้าเกิดว่าเราจะรักษาสีหให้บริสุทธิ์เราต้องทำยังไงก็ต้องรู้จักสีที่เป็นศีหลักคือปฏิโมกข์สีหานี่นะของญาติโยม แล้วก็ต้องรู้จารีศีลอย่างที่บอกเนี่การปฏิบัติต่อภรรยาสามีปฏิบัติต่อลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู้ตายเยอะนั้นก็ต้องปฏิบัติให้ถูกเหตุผลเราไปเข้าใจแค่ศีลห้าอันนี่ปัญหาของชาวพุทธจริงๆแล้วมันมีหลักปฏิบัติที่เราพึงปฏิบัติต่อการเนี่ยเป็นศีลหมดเลยเป็นจารีเป็นวินยัยเป็นวินัยของเป็นวินัยของคเรือหัดของคารวาดหลักการนี่ยาวเลยถ้าถามถึงเนี้ย ก็คือว่าถามว่าเราจะทําให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนั่นก็ต้องศึกษาให้รู้และเข้าใจและให้มองว่าศีลเนี่ยไม่ใช่ข้อห้ามเรามักจะมองว่าศีลเป็นข้อห้ามศีลเนี่ยให้สังเกตดูพัดเวลาโยมมนตรีขอศีลพระให้ศีลเนี่ยจริงๆมันหนึ่งศีลมันขอกันได้ไหมไม่ได้สองมันให้ศีลกันได้ไหมก็ไม่ได้อีก ไม่ใช่ว่าศีลมันโดดจากตัวพระแล้วก็ไปสิงในตัวโยมได้ที่ไหนล่ะมันไม่ได้ให้กันได้อย่างนั้นใช่ไหมเออเนี่ย ม, มีของให้กันนี้ได้แต่ศีลเป็นนามธรรมเวลายอมมนตรีบอกว่าเมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตทยายติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจมมิฤมาอะไรว่าไปฉันก็นึกในใจเยอมศีลมันขอกันไม่ได้หรอกเอ้า ยังไงยอมขอไปแล้วแล้ฉันจะบอกสิกขาบททั้งเกณน์ไหมฉันจะบอกเอาว่าตามปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามียอมวันที่ก็ปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิคําว่าสิกขาประทังเ น, นี่ยศาสสนิ้นแปลว่าสิกขาบทสิกขาบทเนี่ยมันเป็นแปลว่าข้อแปลว่าข้อฝึกเอายอมเอาสิกขาบทข้อนี้เอาไปฝึก เอาไปฝึกให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมามันจะได้เป็นศีลขึ้นมาเอาไปฝึกว่าพอไปฝึกยังไงบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจ ะ, จะมีเจตนาในงานงดเว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกเรื่องล่วงวังนั้นเถอะและจะมีใจกรุณาปราณีกษัตริย์ทั้งหลายก็ไปฝึกพอไปฝึกกจะงดเว้นได้จริงงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการที่มีจิตพยาบาทอาฆาตวังร้ายด้วย แล้วก็จิตก็เป็นไปกับกรุณาปราถนาไอสัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนมีความสุขด้วยแล้วก็ฝึกจนเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาเงี้ยจนมีอธัธยาศัยเห็นมนุษย์ทั้งหลายเหล่าเนี้ยให้ความปลอดภัยเขได้หมดเลยให้ความปลอดภัยได้หมดไม่พอนะใจยังมีความกรุณากับสัตว์ประสตา์ทั้งหลายที่มีชีวิตทั้งหมดไม่มีจิตคิดฆ่าคิดเบียดเบียนเขาเลยแล้วก็งดเว้นได้กายก็สะอาดใจก็สะอาด ฝึกได้อย่างนี้จริงๆขึ้นมามันจะกลายเป็นศีลขึ้นมาเขาใจยังแต่ละข้อมันเป็นข้อฝึกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นข้อห้ามแต่เป็นข้อฝึกตนเองให้พัฒนาทั้งพฤติกรรมก็ไม่ฆ่าใจก็เป็นไปกับกรุณาพฤติกรรมก็ไม่ลักใจก็เป็นไปกับความปราถนาให้เขามีทรัพย์ใจก็ไม่พฤติกรรมไม่ไปพฤติในกามใจก็ปราถนาให้เขามีความสุขครอบครัวเขาอยู่เย็นเป็นสุข ใจก็มีพฤติกรรมไม่ไปพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพอเจร์ใจก็ปราถนาพูดแต่คำสัต์คำจริงมันมีการแสดงฝึกออกมาทุกข้อเลยฝึกทั้งพฤติกรรมทางกายทางวาจาแล้วจิตก็ได้ฝึกไปด้วยกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดจิตก็บริสุทธิ์ก็เลยกลายเป็นศีลที่ขึ้นเกิดขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวจริงๆทุกเรื่องมันเป็นข้อฝึกหมดเลยเขียนอะไรฝึกตนเองได้อย่างชัดเจนขึ้นมาเล ย, ยนี่เป็นต้นพอมองเห็นนี่ยังบอกได้ยัง หมดแล้วนะโอเค